บทที่สิบเก้าแม้ว่าภาพอื่นๆจะแลดูคล้ายภาพมีชีวิตชีวาสักเพียงใดก็ตามแต่ณนะภาพดรุณีสาวสูงศัก์ผู้ประดิษฐานอยู่เหนืออาสนะประดับเพชรผู้นี้กลับจะยิ่งมองเหมือนภาพมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่เหนือกว่าทุกภาพที่ต่างได้เห็นมาแล้วเนตรงามเรียวยาภายใต้ขนงกระดุดปีกเยว่ของนางแลสวนตอบมายัางทุกคนและริมฝีโอทซึ่งแต่เดิมก็แลเหมือนภาพหินแกะสลักธรรมดา บันี้ปรากฏสีระเรือชมพูรูปโค้งเป็นมุมดุดกลีบกระจับอิ่มเต็มอาจเป็นอุปทานของทุกคนที่แลเห็นจากแสงสว่างของคอบเพลิงเคมีจุดไว้ยังมุมสุดด้านโน้นสาสส่องเข้ามาก็ได้การเวลาแห่งความเงียบงันตะลึงจ้องภาพนั้นจะผ่านพ้นเป็นเดินนานสักเพียงใดไม่ทราบได้ระพินมารู้สึกตนเมื่อมีฝ่ามืออุ่นจากเบื้องหลังแตะแผวเบามาที่หล่ของเขาพร้อมกับเสียงกระซิบเรียก ระพินแม้จะไม่เหลียวกลับเขาก็ตื่นพวังและจําได้ว่าเป็นเสียงแม่ผมทองคริสติน่าครับฉันรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาหรือเกินว่าจะเคยเห็นใบหน้าที่งามเยือกเย็นระคนความเฉียบขาดแบบนี้ที่ไหนมาก่อนหลอนเอ่ยแผ่วแต่ทุกคนในที่นั้นพอจะได้ยินคุณเคยเห็นที่ไหนระพินย้อนถามออกไปแทบจะไม่มีเสียงถ้าแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นภาพนิมิตฝันที่ผ่านมาเมื่อคืน แจ้ความเชื่อมั่นเขา 50% แต่นาบัตรนี้มันก็ยืนยันพิสูจน์ได้ชัดแล้วถึง 100% เต็มเพียงแต่ว่าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะถแถลงความจริงใดๆออกไปต่อคณะนายจ้างของเขาได้เท่านั้นที่ซอกโครงท่ำหน้าผาตะเคียนทองคืนหนึ่งอันเป็นเืินที่คุณบาดเจ็บหนักเพราะตกเหวและฉันเป็นผู้ดูแลรักษาพยาบาลคุณอยู่ในคืนนั้นคราวนี้น้าเสียงคริสดังชัดเจนแทมช้า เมือเจตนาจะให้พักพวกทุกคนที่ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ขณะนี้ได้ยินถนัดด้วยผมไม่เข้าใจคุณจําไม่ได้หรื อ, รอว่าระหว่างที่คุณสลบไปและพวกเราช่วยกันรักษาดูแลอาการของคุณภายหลังจากไปกู้เอาตัวคุณขึ้นมาจากเหวได้ในตอนกลางวันเรารักษาพยาบาลคุณอยู่ตรงพื้นราบใต้หน้าผาตกกลางคืนเรากลัวภัยจากกองทับช้างจึงลําเลียงคุณขึ้นไปไว้ในซอกโครงหน้าผาด้านบน ฉันรับหน้าที่ดูแลคุณตลอดคืนนั้นคอยเฝ้าถุงน้ําเกลือรับฟินขโมยคิวนิดหนึ่งเขานึกไม่ออกจริงๆแล้วยังไงเพื่อเป็นการสะดวกในการตรวจบาดแผลรอยฟกช้ำที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายคุณและเพื่อให้คุณนอนพักได้อย่างสบายฉันเป็นคนผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณเองและได้ตรวจค้นพบว่าในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายด้านหัวใจของคุณนั่นแหละมีรูปของสุภาพสตรีคนหนึ่งซ่อนใส่ไว้ในถุงพลาสติกอย่างมิชิด กันน้ำกันเหงื่อเป็นรูปของแพทย์หญิงดารินวราฤทธิ์คู่รักของคุณนั่นเองฉันเป็นคนเก็บรัษาไว้พ่อคุณตื่นรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกคุณก็พยายามตกกระเป๋าค้นหาและฉันก็คืนภาพของเธอผู้นั้นให้แก่คุณจำได้หรือยังจอมพรานอุทานขึ้นอย่างเพิ่งนึกขึ้นมาได้คุณยังมีรูปของสุภาพสตรีผู้นั้นติดตัวอยู่แน่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โปรดส่งภาพของเธอผู้นั้นมาให้ฉันและพวกเราดูอีกครั้งเถอะเะพินนิ่งทุกคนของฝ่ายนายจ้างมองมาที่เขาเป็นตาเดียวโดยคำพูดของคริสที่มีเล่ส์นายบางสิ่งบางอย่างกระทบความรู้สึกอันก่อให้เกิดความโงนหล่อนสกิดเตือนเข้ามาอีกครั้งพร้อมทั้งแบมือขอแก้มบังคับ สุภาพบุรุษไพรไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้จำใจต้องค่อยๆสอดนิ้วลงไปในกระเป๋าอกเสื้อเดินป่า ด, ด้านในแล้วคีบเอาแผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งในลักษณะาภาพถ่ายที่ห่อไว้ด้วยถุงพลาสติกทรงให้หล่อนช้าๆคริสรับมาอย่างสงบดึงออกจากถุงพลาสติกก้มลงจ้องมองภาพถ่ายสีนั้นอย่างแน่วแน่แล้วเงยขึ้นมองเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่แก่สลักไว้อย่างผนังด้านนั้นในขณะที่ทุกคนฝ่ายของหล่อนจ้องเขม็งมา ซึ่งก็เห็นแม่ผมทองเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงพึมพำออกมาเบาๆ ว, ว่าแปลกมากแปลกจริงๆระหว่างภาพถ่ายของหม่อมราชวงศ์หญิงผู้นี้กับภาพแก่สลักโบราณของสาวน้อยสวมมงกุฎนั่งอยู่บนอาสนาเพรใครจะมีความรู้สึกอย่างไรก็สุดแล้วแต่แต่สำหรับฉันเห็นว่าน่าจะเป็นเขาหน้าของคนคนเดียวกันชัดๆรูปทรงใบหน้าคิ้วดวงตาจมูกริมฝีปาก ทุกสิ่งทุกอย่างบนใบหน้านั้นอา้าวทุกคนดูเซียพร้อมกับกล่าวหล่อนส่งไปให้ดร์สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะก่อนอเมริกันอาวุโสรับไปอย่างงงงงดูภาพเปรียบเทียบกับภาพเท่าคนจริงที่เป็นหินแกะสลักแล้วเบิกตาแทบถลนจ้องขนาดนั้นเองคีดก็ถือวิสาสะช่วยไปจากมือหัวหน้าคณะไปดูโดยมีเชิดบุษและเบลชงโงเข้ามารุมดูอยู่ด้วย แล้วทั้งสามคนในกลุ่มนั้นก็อุทานแซดออกมาในลำคอทําไมเหมือนกันเปียบแบบนี้ระพินยังยืนนิ่งคิดร้องออกมาอีกว่าระพินรูปถ่ายนี่รูปคู่รักนายเหรอเขาพยักหน้าลงนิดหนึ่งและใช้นิ้วกดขมับไว้โดยไม่ตอบเป็นคําพูดแล้วทําไมมันถึงเหมือนกับนางพญาหรือเจ้าหญิงที่นั่งอยู่บนบันลังนี่อย่างกับคนคนเดียวกันอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ระพินตอบเสียงแห้งเผือดเขารู้แต่บอกไม่ได้พี่มันแปลกมากนะไม่ใช่คริสมองแล้วบอกว่าเหมือนคนเดียวถึงพวกเราทุกคนก็เห็นว่าเหมือนกันอย่างกะแกะพันตรีเชิดวูด ร, ร่มระักมาอีคนจ้องหน้าเขาอย่างพิศวงขีดสุดเบลย้ำมาว่าใช่ทำไมถึงเหมือนกันแบบนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับรูปคู่รักของคุณหรือว่าคุณว่ายังไงอาจเป็นเหตุการณ์บังเอิญก็ได้ เขาตอบอูบอิบไม่เต็มเสียงนะคริสก็เรียกไปทางกรานพื้นเมืองของเขาทั้งสามคนบุญคำเกิดเซยเมื่อกี้นี้ทันทีทั้งสามคนมองเห็นรูปแก่สลักทุกคนร้องออกมานายหญิงใช่ไหมสามพานของรพินยังหน้าซีดกายสั่นเทิมอยู่เช่นนั้นบุญคำและเกิดเงียบกริบไม่ยอมกล่าวอะไรอีกแต่เซยซึ่งเด็กกว่าทุกคนบอกรวดออกมาว่าก็นายหญิงของเซยจริงๆนี่นา ทำไมรูปที่แกะไว้บนหินอ่อนตรงผนังนี่ถึงเหมือนานายหญิงจริงๆไปทุกอย่างก็ไม่รู้ผิดการตรงที่เครื่องแต่งกายเท่านั้นคริสยิ้มออกมานิดหนึ่งสายตาลึกซึ้งของหล่อนแลไปยังใบหน้าและอาการของเขาเหมือนจะสำรวจแล้วเอ่ยลักษณะาทาพยอกว่าเห็นไหมแม้แต่พรานลูกน้องคุณเองก็ยังยืนยันเช่นนั้นเอาละขอถามหน่อย คุณมาจ้างใครแกะสลักรูปคู่รักคุณไว้ตรงนี้กระมังแล้วแอบมาแกะสลักกันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่พรานใหญ่ขยี้ปลายจมูกด้ยหลังมืออีกครั้งอย่างแสนอัดอั้นตันใจคงเมื่อแสนแสนปีก่อนนี้กระมังแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนจ้างแกะสลักหรอกผู้ออกคำสั่งให้แกะสลักเอาไว้ที่นี่ก็น่าจะเป็นคนในยุคนั้นที่มีอำนาจที่สุดเป็นผู้กาหนดให้สลักภาพขึ้นผมยอมรับว่าผมงงเหมือนกัน คริสที่ไปยังภาพซึ่งขนาดนั้นถือดูเปรียบเทียบอยู่ในมือของเบลและเชิร์บูตถามย้ำอีกครั้งภาพนั้นเป็นภาพของสรารลยแพทย์หญิงดารินวราริศคู่รักของคุณถูกต้องไหมถูกต้องและภาพที่แกะสลักไว้ในอดีตย้อนหลังไกลแสนไกลที่เราพบเห็นอยู่นี่เป็นภาพของใครผมจะตอบคุณได้ถูกยังไงในเมื่อตัวผมเองไม่ใช่ทมมิชชินหรือเครื่องมือหมุนย้อนเวลากลับไปสู่อดีต ที่จะให้ข้อมูลในอดีตการกลายแสนไกลได้คุณเคยเล่าให้เราฟังว่าคุณเคยเห็นเจ้าหญิงพันธุมบดีมาแล้วในโลงแก้วใช่ไหมถูกต้องผมเคยเห็นเธอผู้นั้นเหมือนกับเธอผู้ที่เป็นภาพแกะสลักอยู่นี้หรือเปล่าไม่ใช่คนละคนกันคำตอบเขาไม่สู้จะเต็มปากเต็มคำนะักก็แปลว่าไม่ใช่ภาพแกะสลักของพันธุมบดีไม่ใช่และไม่ใช่อย่างแน่นอน ถ้าเช่นนั้นเราก็ควรต้องมาถึงบทสมุติฐานแล้วจากสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่นี่ว่าเธอพูดนี้ผู้ที่เขาหน้าเหมือนคู่รักของคุณคนนี้คือใครรวมทั้งสถานภาพตำแหน่งของเธอในยุคนั้นด้วยพวกคุณหาสมมติฐานกันเองเถอะสาหรับผมไม่มีความคิดหรือข้อสันนิษฐานอะไรทั้งสิน้นก่อนอื่นคุณจะยอมรับได้ตัวคุณเองไหมว่าภาพแก่สลักโบราณนี่เหมือนภาพแพทย์หญิงดารินที่สุด เบวตั้งคำถามมาอย่างรวดเร็วก็เพียงแต่มีสันฐานคล้ายคลึงเท่านั้นคุณไม่มีความคิดหรือข้อคิดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมจากอาการนิ่งเงียบอยู่อย่างนี้มันเป็นสิ่งพ้นความคิดในทางหลักศาสนาของผมเรียกปัญหาชนิดนี้ว่าอจินไตยคือสิ่งที่พ้นความคิดพ้นความรู้ของมนุษย์ธรรมดาได้และไม่สมควรจะคิดด้วยเพราะถ้าคิดแล้วก็จะทาให้เสสติบ้าไปเอง มันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันในข้อที่ว่ามนุษยชาติเกิดแล้วตายแล้วในพิภ พ, พโลกนี้นับจำนวนไม่ถ้วนนับการนับยุคไม่ถูกก็ย่อมเป็นธรรมดาที่อาจจะมามีเขาโครงหน้าหรือรูปทรงซ้ำแบบกันขึ้นมาบ้างก็ได้เสียงแผวต่ำเคร่งครวมของด็อเตอร์สแตลลี่แทรกขึ้นอย่างเป็นกลา ง, ลางเมื่อเห็นคริสและเบลกํกลังป้อนคาถามเร่งร้ารุกนักเอากพรานนาทาง ซึ่งเขาก็แลเห็นอยู่แล้วว่ากำลังอยู่ในภาวะกระอักกระอ่วนจนปัญญาที่จะให้คำตอบได้เพินคุณไม่มีข้อสะดุ้งใจคิดเหมือนพวกเราในขณะนี้บ้างเลยหรือคลิสเอ่ยมาอีกกระดิกนิ้วเรียกภาพของมอมราชวงศ์หญิงดารินจากมืออันสันริกของเชิร์ดวุธมาถือไว้ตรวจสอบเปรียบเทียบอีกครั้งกับภาพแก่สลัที่นั่งเด่นอยู่นั้นสะดุ้งใจคิด เขาทวนคำเจตนาปิดบังความรู้สึกภายในอย่างเจตนาแน่ชัดในข้อไหนไม่ทราบ แ, แนดีตชาติยาวไกลลึกลงไปแพทย์หญิงดารินคู่รักของคุณแนดีตชาติก็คือสาวน้อยสวมมงกุฎบนอาสนเพรนางนี้จอมพรานยิ้มแค่นแค่นเราไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันให้เชื่อได้เช่นนั้นและคนเราก็อาจมีหน้าตารูปร่างเหมือนหรือซ้ำกันได้อย่างที่ดรสแตนลีย์พูดเมื่อครู่นี้ คุณไม่รู้สึกแปลกใจบ้างเลยถามอีกครั้งก็เพียงแค่แปลกใจเท่านั้นแต่ไม่ก่อให้เกิดความคิดที่เพอ้อเจออะไรมากนะักคริสสแตนลีย์เบลคีดและเชิร์ดวูดหันไปพูดอะไรซุบซิบเหมือนจะหารือกันเองและระหว่างนี้บุญคำเกิดและเสยก็เลี่ยงเข้ามาประกบรอบตัวเขาอีกครั้งพากันกระซิบว่านายนี่มันภาแก่สลักของนายหญิงดาเินชัดๆเหมือนกันหมดทุกอย่าง เฉยๆไว้เถินหน้ามันเป็นเรื่องบังเอิญประจวบเหมาะเท่านั้นเขาปั้นหน้าเฉยดุเบาๆไม่ให้พวกนั้นวิพากวิจาร์อะไรอีกบนคำเกาหั ว, หวแกกแกลบนพ ร, รมวะมันยังไงซะและ้วทำไมถึงพี่ลึกกึกเก อ, อย่างนี้ไว้พันธุมวดีในโรงแก้วที่เราเคยเห็นกันว่าสวยที่สุดแล้วในคราวนั้นก็ยังสวยสู้นายหญิงที่สวมมงกุฎนั่งเป็นหินอยู่นี่ไม่ได้นาหญิงดารินตัวจริงถ้าจับมาให้แต่งตัวอย่างนี้ ก็คงจะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แหละเสรยเอาสอกกระทุงเกิดคลางออกมาข้าก็วางั้นเหมือนกันข้างงไปหมดแล้วจะวาตาฝาก็ใช่ที่ขนาดพวกนายฝรั่งยังยอมรับพวกนั้นเห็นแค่รูปนายหญิงเท่านั้นแต่นี่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากับนายหญิงดีทาไมจะไม่ยิ่งต ก, กะจเกิดเงิมงามออกมาอีกคนเอามือขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีก บอกว่าให้เงียบไว้ไอ้พวกนี้นี่รพินตะวาดมาเบาๆอย่างเริ่มงุดงิดรพินไม่ต้องการให้ใครทั้งสิ้นเข้ามาพบ ก, กับข้อพิสวงประหลาดใจอยู่ในเรื่องนี้และอยากให้ทุกคนละความสนใจเสียอืดใจต่อมาคณะนายจ้างทั้งหมดหันมาทางเขาอีกครั้งคริส ส, ส่งรูปดารินคืนมาให้ซึ่งรพินก็เก็บลงที่เดิมตำแหน่งแน่หัวใจอย่างสงบวางหน้าตายไม่ส่อความรู้สึกใดๆให้ใครจับพิรุณได้เหมือนเดิม ทั้งๆ ท, ท, ที่ภายในของตอนเองก็วันไว้ระทึกสั่นอยู่ในขณะนี้ยิ่งกว่าคนอื่นสยอีกเพราะรู้อะไรที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังภาพแน่ชัดอยู่แล้วเขาจะบอกกับใครได้อย่างไรแม้แต่คนของเขาเองว่านั่นคือจิตรางคนางมกุฎราชกุ ม, มารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานครผู้กลับชาติมาเกิดเป็นมอมราชวงศ์ญิงดารินวราริในยุคนี้โดยมีคำเก่าต่อเนื่องกันมาทุกชาติพบ จจนกระทั่งพบปัจจุบันนี้กับตัวเขาเองอัคนิรุธในอดีตซึ่งก็กลายมาเป็นพลานรับจ้างนามว่ารัพพินไพรวันในยุคนี้ตัวคุณเองน่าจะเข้าใจอะไรได้ดีกว่าเรารัพพินหัวหน้าคณะกล่าวอย่างเอาจริงเอาจังอีกครั้งแต่เมื่อคุณไม่ให้แนวความคิดอะไรกับเราไม่ยอมแม้แต่จะช่วยในด้านสมมุติฐานเราก็จะมาถึงบทวิเคราะห์กันละ่ะรูปชายสูงอายุนั่งบนบัลลังก์ภายใต้เครื่องสูง ซึ่งมีเทวรูปสิวะอยู่บทด้านบนนั้นคือองค์กษัตริย์แห่งอาณาจักรยิ่งใหญ่นี้ใช่หรือไม่ผมก็คิดว่าใช่เพราะภาพสิ่งแวดล้อมชี้ชัดแล้วก็ดันชื่อยอดวอชิงตันเสียด้วยอย่างนายบอกคิดสอดมาปนหัวเราะแต่สแตนลีย์เอาฝ่ามือตบหลังหนักๆเชิงให้สงบปากคำอารมณ์ขนองลงเสียพูดกับระพินต่อว่ารูปสาวนอนที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้จากเขาหน้าอันเป็นสาวรุ่นวัย อ่อนกว่า ม, มากคุณคิดว่าควรจะเป็นราชนีหรือว่าบุตรสาวแล้วพวกคุณคิดยังไงเขาย้อนถามไปบ้างเพื่อหวังความคิดอ่านของพวกนายจ้างเราคิดว่าสาวน้อยผู้นี้น่าจะเป็นเจ้าหญิงผู้เป็นลูกาสาวสชมากกว่าอิสเบลเป็นผู้ตอบมาแทนอาการของหลอนครุ่นคิดใครค่รวนอย่างเต็มที่หันมองภาพนั้นอย่างมีอะไรบางอย่างที่ประทับใจปาก็กล่าวต่อไปช้าช ลักษณะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแวดล้อมท่านั่งคทาตราดวงอาทิตย์และดาบอาญาสิทธิ์ที่ดางถือไขว้กันอยู่ที่หน้าอกสอให้เห็นว่าน่าจะมีสักเหนือกว่าเจ้าหญิงหรือคนธรรมดาแต่เป็นลักษณะของผู้ที่จะสืบครองราชสมบัติต่อไปเสมากกว่าคราวพรินเซสหรือมกุฎราชกุมารีและภาพที่แกะสลักไว้นี้ก็ควรจะเป็นภาพที่บันทึกไว้ในระหว่างราชพิธีสถาปนาแต่งตั้งขึ้น ควรเป็นภาพที่แกะสลักไว้ก่อนภาพเขียนที่เราเห็นอยู่ทางด้านโน้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ของราชพิธีแห่ศพลงสุสานภายหลังพระพินผ่อนลมหายใจลึกยอมรับอยู่ภายในว่าข้อวิเคราะห์ของฝ่ายนายจ้างของเขาฉลาดเฉียบคมยิ่งนักและมันใกล้เคียงความจริงที่สุดก็อาจเป็นเช่นนั้นเขาแบ่งรับแบ่งสู้ ย้อนกลับไปที่ผ้าแพ่ศพสองศพโดยมีนักบวชมันตรายเป็นเจ้าพิธีอยู่ด้วยผู้สรุปต่อไปคือคริสติน่าผู้มีความละเอียดอ่อนแหลมคมเนื้อกว่าทุกคนของฝ่ายนายจ้างมันจะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่ามหากษศัตริย์ที่เป็นพระราชบิดากับบุตรสาวผู้รังตำแหน่งมกุฎราชกุมารีพ่อลูกทั้งสองคนนี่ประสบกับเคราะห์กรรมอะไรสักอย่างหนึ่งทาให้ต้องเสียชีวิตลงพร้อมๆกัน แต่ก็ยังเพียบพร้อมไปด้วยบารมีเกียรติยศในศักกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทำให้เหล่าราชวงศ์เซนาอมามบาดและคณะผู้สืบทอดราชสมบัติกระทําพิธีอัญเชิญศพทั้งสองลงไปบรรจุอยู่ในสุสานเบื้องล่างอย่างสมพระเกียรติและต่อมาก็ได้เขียนภาพเป็นการจารึกทางประวัติศาสตร์รนครนี้ไว้ให้เป็นที่ปรากฏคุณวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลแต่จะถูกต้องหรือไม่ก็สุดที่ใครจะรู้ได้ มันจะต้องเกิดอะไรที่เรายังเดาไม่ถูกขึ้นจึงก่อให้เกิดความตายขึ้นทั้งสองคนพ่อลูกคู่นี้และจะต้องเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้ายุคสมัยของพันทุมวดีก็ไม่นานเท่าใดนักด้วยเพราะมันไตรก็ยังปรากฏอยู่ในภาพนี้ด้วยจริงไหมผู้พูดก็คือดร์สแตนลีย์ซึ่งคนเหล่านี้คงจะหารือกันก่อนแล้วเราอาจได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมในข้อวิเคราะห์ของพวกคุณหากเราลงไปสำรวจภายใต้สานเทวาลายนี้ ถ้าเราพบหีบศพสองศพของสองพ่อลูกก็แปลแน่ชัดว่าควรจะเป็นไปตามข้อสันนิษฐานผมคิดว่าหีบศพของมหากริย์นิรามผู้นั้นยังคงอยู่ใต้สุสานนี่แหละรวมทั้งซากด้วยแต่หีบศพของมกุฎราชกุมารีอาจเหลือแต่หีบที่ถูกเปิดค้างทิ้งไว้ศพของเจ้าหญิงจะไม่ปรากฏอยู่ด้วยคุณรู้ได้อย่างไงทุกคนถามเร็วปรือมาเป็นเสียงเดียวจากคาพูดของเขา จากสีหน้าเย็นเยียบอันเป็นปกติสภาพของเขาระพินไพรวันตอบเนิมๆว่าบางสิ่งบางอย่างผ่านแว บ, บเข้ามาในดวงจิตของผมเดี๋ยวนี้เองทำให้เข้าใจเช่นนั้นประเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันให้เห็นชัดดวงตาทั้งคู่ของพรานใหญ่หรีลงขณะที่ยื่นริมฝีปากมีอาการคล้ายจะส่งจุมพิษไปยังภาพของสาวน้อยผู้นั่งอยู่บนบันลังเพชรโดยบุคคลร่วมคณะทั้งหลายไม่ทันสังเกตเห็น น้ำเสียงที่กล่าวต่อไปหนักแน่นมั่นคงขึ้นและผมแน่ใจว่าสองพ่อลูกคู่นี้เป็นบุราพากษัตร์ผู้กรอนคอนครก่อนหน้ายุคสมัยของชัยศริยาและพันธุมบดีซึ่งเป็นพ่อลูกอีกคู่หนึ่งสืบแทนต่อมาและเชื่อตามที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่าระยะเวลาผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ผู้กรองบัลลังก์จะต้องไม่ห่างไกลกันมากนะ ฉันรู้นะว่าคุณมีความเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างเว้นแต่คุณจะไม่ยอมบอกเราเท่านั้นคริสกล่าวมาเสียงเย็นลึกอย่างฉลาดเอียงหน้าแลมาที่เขานิ่งถูกต้องผมเชื่อมั่นอะไรบางอย่างในที่สุดเขาก็เน้นคำออกมาเต็มเสียงอย่างอาถารพอะไรที่ทำให้คุณเชื่อเช่นนั้นมันจะต้องมีพื้นฐานที่มาแห่งความเชื่อมัน่น six s e n t s ประสาทส่วนที่หกของผม ฉันรู้สึกคล้ายๆกับว่าคุณจะคุ้นเคยกับสถานที่นี้มาก่อนแล้วคริสเน้นประโยคมาอย่างช้าๆและชัดในท่อยคำตาไม่เปลี่ยนไปจากดวงหน้าของเขาซึ่งบัดนี้กำลังมองจับไปที่ภาพแกะสลักนิ่งเหมือนจะจมดิ่งลงไปสู่อดีตการใช่แต่ไม่ใช่ในชาตินี้เราสมมติกันไว้แล้วว่ากษัตริย์ผู้นั้นคือ x และเจ้าหญิงสาวผู้นี้คือ y คุณพอจะแทนค่า x กับ y ให้เราได้หรื อ, อยัง เบลกล่าวเสริมมาผู้คุณอยากรู้จริงๆหรือใช่ถ้าคุณสามารถจะบอกเราได้แม้จะเป็นการเดาสุ่มหรือปั้นแต่งขึ้นเองก็ตามสแตนลี Stanley ยิงคำถามมาแบบขบวนการสอบสวนของพวก CIA อาลละผมจะแทนค่าผลลัพธ์ทางหลักวิชาพีชคณิตเล ข, ขาคณิตตรีโกณและจากสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นในจิตประสาทของผมขณะนี้ X คือพระเจ้ามหิทธิเดชะมหาราชส่วน Y คือมกุฎราชกุมารีจิตรังคณางเทวีพระราชธิดาผู้รั้งบัลลังจิตรังคณางนามประหลาดที่คุณร้องตะโกนกึกก้องขึ้นเมื่อครูใหญ่นี้ก่อนที่จะเป็นลมหมดสติใช่ไหมคริสและเบลร้องถามมาโดยเร็วผมไม่ทราบว่าก่อนเป็นลมหมดสติเมื่อครูใหญ่นี้ผมหลุดปากตะโกนออกไปเช่นไร แต่เจ้าหญิงผู้ประทับอยู่เบื้องหน้าเรานี้นามของเธอจิตตรางคนางผมไม่ตั้งใจจะเอ่ยนามทั้งสองนี้ให้พวกคุณได้ยินเลยแต่ผมก็ต้องบอกออกมาเพราะถูกคาดคั้นเพื่อที่จะแสวงหาความจริงให้ได้จากพวกคุณแต่ผมไม่รับรองและไม่มีข้ออ้างอิงอะไรจะมายืนยันได้ในคําพูดของผมเพราะฉะนั้นโปรดอย่าได้ซักไซรไล่เลียงอะไรอีกทุกคนของฝ่ายนายจ้างเงียบกลิบกันไปอีกวาระหนึ่งและในความเงียบสงบนั้น บรรยากาศมันวังเวงยเยือกเย็นอย่างร้ายสุดที่จะบอกได้ในประสาทสัมผัสของทุกคนทำไมเราไม่ลงกันไปในสุาสานเสดยวนี้ครั้นแล้วในความเงียบเสียงของอเมริกันหัวหน้าคณะก็ดังขึ้นดังวานไปทั้งสถานที่ขณะนั้นพลุไฟเคมีของคีตเริ่มจะรีโรยแสงลงแล้วภาพของดารุนีน้อยผู้งามอย่างประหลาดอันสถิตยอยู่บนบัลังในลักษณะของมกุฎราชกุมารี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 ปากทางลงมันก็บีบแคบตีบตันเดิมมีพื้นหินร่นยู่เข้ามาหากันมีเหตุผลเด่นชัดว่าเกิดจากแผ่นดินไหวและสุดลงและมาบัดนี้มันได้เปิดทางเป็นช่องอันดำมืดลงไปเดิมมีปากทางที่จะใส่ลงไปได้นั้นกว้างประมาณสองหลาและยาวเป็นทางเคี้ยวคดดูเหมือนลักษณะหินที่ปริร้าวประมาณห้าหลาซึ่งความจริงรอยที่ปรากฏขึ้นนี้ก็เนื่องมาจากที่หินก้อนใหญ่ยังเพดานด้านบน ถลมตกลงมากระแทกพื้นโดยแรงเมื่อเช้าจากอำนาจสั่นสะเทือนของระเบิดที่คิดระเบิดต้นไซใหญ่ตามคาสั่งของระพินนั่นเองความแรงและมีน้ำหนักมากของก้อนหินที่ตกกระแทกลงมาทําให้ปากทางลงสุสานมีรอยหินงอกโผล่ออกมาเชื่อมกันไว้เกือบจะสนิทแล้วนั้นแต่แยกออกจากกันทาใหเห็นร่องรอยของเส้นทางเดินลงที่เคยสร้างเอาไว้อีกครั้ง ทุกคนเข้ามาพินิจตรวจดูแล้วก็เข้าใจได้ดีถึงสภาพอันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและการเวลาบุลคำเกิดและเสยทิ้งกายลงนอนพังภาพกับพื้นบริเวณนั้นพากาันชะโงกลงไปมองดูภายในโพรงเบื้องล่างโดยอาศัยจากไฟฉายส่องสัตว์ประจำตัว ซ, ซึ่งมันไม่ให้ผลอะไรมากนะักในบรรยากาศที่มีสภาพมืดเช่นนี้มันพอจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้นนายมีกระดหินทอดลงไปข้างล่าง แต่ละขั้นโตเบอรเริ่มเลยทางข้างล่างนี่กว้างขวางมากคนเดินแห่ลงไปได้ทั้งขบวนแต่ผากทางที่เราเห็นอยู่นี้มันแคบตีปิดตันบังไว้มันจะพาลงไปถึงนรกขุมไหนกันนี่ดูมันลึกมากมืดตือเลยบุญคำเงยหน้าขึ้นรายงานด้วยเสียงดังลั่นพวกเรามีขี้ใต้ยางไม้กันมาด้วยไม่ใช่หรือเขาถามต่ำๆทัางสามคนของฝ่ายเขางัดเอาคบเพลิงแบบชาวบ้านป่าที่ทำกันเอง แ ล, และมักจะมีติดย่ามหลังอยู่เสมอออกมาถือกำไว้ในมือแต่และดุ่นยาประมาณศอกเศษส่วนอวบขนาดเท่าข้อมือเด็กพวกนั้นมีกันอยู่คนละ 5-6 ดุน่นจอมพรานพยักหน้าลงดีมากเราจะใช้ใต้ของเราพวกนี้ส่องนำทางลงไปก่อนถึงแสงสว่างจะไม่มากนะก็ยังพอช่วยให้เห็นทางดีกว่าไฟฉายส่วนพลุไฟของพวกนายฝรั่งค่อยเอาไว้ใช้ยามจาเป็นตอนที่เราต้องการแสงสว่างมากๆ ร่างเขาก็ยกวิทยุในมือขึ้นในขณะที่ฝ่ายนายจ้างกำลังสุดกายลงนั่งและผลัดการชะโงกลงไปสำรวจคนละมุมสตดแต่ใครจะอยู่ใกล้ด้านไหนยกเว้นเบลคนเดียวที่ย่อนกายลงนั่งบนก้อนหินใกล้ๆปากทางจันเขาเรียกวิทยุออกไปเบาๆจันคงปฏิบัติตามคำสั่งที่บอกไว้ในการเปิดเครื่องของตนเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วรีบตอบรับมาทันทีครับนาย ขึ้นมาบนนี้หน่อยสิคนเดียวก็พอฉันจะสั่งงานอะไรหน่อยมือซ้ายของเขารับคำมาอย่างฉับพลันแล้วชั่วไม่นานร่างของจันก็แล่นโพรเข้ามายัางปากทางซอกอ ก, อกของภูเขารูปสิงโตหมอบซึ่งบัดนี้ทุกคนกำลังรายล้อมอยู่รอบรอยแตกแยกที่จะนำไปสู่เบื้องล่างพอจันวิ่งเลิกลากมาถึงพรานใหญ่ก็ชี้ให้ดูไปยังตาแหน่งร่องแยกเป็นโพรงนั้นดูไวให้ดีนะ พวกเราทั้ง9คนจะลงไปยังพื้นข้างใต้ตรงรอยแตกของโครงหินนี่แหละจันกับพวกที่อยู่ข้างบนนี่ทั้งหมดคอยระวังดูแลเฝ้าปากทางที่ฝ่ายชั้นลงไปด้วยเมื่อฝ่ายชั้นลงไปแล้วเราจะติดต่อกันทางวิทยุเป็นระยะระยะสิ่งที่จันจะต้องระวังก็คืออย่าให้มีอะไรมาปิดปากทางขึ้นเสียกับถ้ารู้สึกว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเกิดอะไรขึ้นข้างบนก็ให้รายงานลงไปทันที ทางด้านฉันก็เหมือนกันถ้ามีอะไรผิดปกติก็จะบอกขึ้นมาให้จันรู้แล้วคอยฟังคำสั่งต่อไปว่าจะให้ทำยังไงพรานมือดีอันดับสองของเขารองจากบุญคำผู้ดได้รับคำสั่งให้คอยเฝ้าดูแลต้นทางแยกเคี้ยวออกมาขณะที่จ้องไปยังปากโพรงเห็นเป็นรอยแตกแยกดำมืดนั้นมันเป็นรูที่น่ากลัวมากนะนายไม่มีอะไรน่ากลัวสาหรับพวกเราแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมันจะเป็นทางลึกลงไปสักเท่าไหรน่นี่นาย ยังไม่รู้เหมือนกันมีหนทางแค่ไหนเราก็พยายามจะลงไปให้ถึงที่สุดนั่นแหละแต่จะไม่นานเกินไปนะคอยฟังข่าวจากวิทยุที่จะเรียกขึ้นมาก็แล้วกันเขาสั่งง่ายๆแต่จันเกาต้นคอกรากากรากสุดลงไปพังภาพมองลงไปในโพรงข้างๆบุญคำยู่อึดใจหนึ่งก็ยันตัวขึ้นมาซีนาไม่ค่อยสบายใจนะยิ้มแห้งๆบอกไม่เต็มปากทาไมพวกนายจะต้องลงไปด้วย ถ้าสงสัยว่ามันเป็นป่าช้าของไอ้พวกผีดิบนายก็ระเบิดปิดปากทางมันเสียรู้แล้วรู้รอดไม่ดีกว่าเหรอเรามีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องลงไปสํารวจข้างใต้นี้ซะก่อนจันทร์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกสเตอร์อลีเอ่ยแทรกขึ้นมาพร้อมกับตบไหล่จันทรหนักหน่วงมือซ้ายของราพินหันไปมองดูหน้าเจ้านายอีกครั้งเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงส่อความห่วงกังวลอยู่เช่นเดิม พวกนายลงไปแล้วถ้าจันเรียกวิทิยุแล้วไม่ได้ยินล่ะจะให้ทำยังไงเป็นคำถามที่รอบครอบและฉลาดดีมากคริสติน่ายิ้มให้แก่สมุนซ้ายของพรานใหญ่เอื้อมมือมาจาับแขนพรานอาวุโซสซึ่งลงไปกว่าตาเท่าบุญคำอีกระดับหนึ่งของรพินกล่าวต่อไปอย่างปลอบใจว่าขอบใจจันที่รู้สึกเป็นห่วงพวกเราและทางเราก็เข้าใจความรู้สึกของจันดีที่ไม่อยากจะให้พวกเราลงไป แด้อย่างที่ในห้างใหญ่บอกไว้แล้วจัน์ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกคนที่นำทางลงไปในครั้งนี้คือพรานใหญ่ระพินเจ้านายของจันเองไม่ใช่พวกเราลงไปกันตามละพังนอกจากนั้นก็ยังมีบุญคำเกิดและเสยอีกตั้งสามคนแต่มันก็จริงตามที่จันพูดไว้เหมือนกันคือถ้าเราลงลึกไปมากๆวิทยุอาจเรียกติดต่อถึงกันไม่ได้ไม่ว่าจะเรียกขึ้นหรือเรียกลงไป เรื่องนี้ฉันขอให้จันทรำความเข้าใจเสียให้ถี่ถ่วนกับเจ้านายก็แล้วกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจะให้ทางฝ่ายจันทร์ทําอย่างไรกล่าจบแม่ผมทองก็พยักหน้ามาทางระพินเตือนเป็นความหมายว่าให้เขานัดแนะกับจันทร์เสียให้ละเอียดที่สุดในเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จอมพรานเม้มริ้วปากนิดหนึ่งหยิบชายผ้าเขม้าที่เคียนเอวอยู่ขึ้นมาเช็ดใบหน้าเอานี้จันท์ขณะที่รอเฝ้าปากทางอยู่ที่นี่ อย่ารอคอยฟังข่าวจากวิทยุเฉยๆให้คอยเอาหูฟังเสียงที่จะแววเข้ามาจากในโปร่งนี้ด้วยฟังเสียงทุกชนิดและวินิจฉัยเอาเองว่าเป็นเสียงอะไรเป็นต้นว่าอาจเป็นเสียงหินลั่นเสียงพื้นข้างใต้ถล่มยุบเสียงปืนหรือเสียงที่มันผิดปกติทุกชนิดถ้าจะยังติดต่อการทางวิทยุได้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรียกแล้วไม่ได้ยินไม่มีเสียงตอบรับมาทางวิทยุแล้วก็มีเสียงผิดปกติชนิดใดขึ้น ก็แปลว่าพวกเราที่ลงไปข้างล่างกำลังอยู่ในอันตรายให้จัน์กับพวกไต่ทางตามลงไป ท, ทันทีฉันเชื่อมือจัน์จันพยายามคิดในด้านที่จะเป็นปัญหาที่ตนเองอาจเผชิญต่อไปข้างหน้าแล้วก็ตั้งคาถามมาอีกอย่างฉลาดนายจะลงไปนาสักเท่าไหรล่ล่ะระพินแงนดูลำแสงตะวันสาที่ส่องลอดกิ่งก้านสาขาแมกไม้ใหญ่อันขึ้นปกคลุมอยู่เหนือศีรษะสูงขึ้นไปแล้วก้มลงดูนาฬิกา ขนาดนั้นมันเป็นเวลา10นาิกา25นาทีเอาละอย่างช้าที่สุดถ้าหนทางที่ลงไปมันลึกมากและจะต้องไปกันอีกไกลฉันจะลงไปในเวลาไม่เกิน3ามชั่วโมงหลังจากนี้แต่ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องอยู่นานกว่านั้นแม้จะวิทยุติดต่อ บ, บอกความกันไม่ได้ฉันจะส่งเกิดหรือเสรยให้ย้อนกลับมาบอกข่าวก่อนเข้าใจไหมอา้าวมีอะไรสงสัยถามมาอีกได้จานก์กระพริบตาปริบๆแล้วถามอ่อยๆมาอีก ถสาชั่วโมงก็แล้วยังติดต่อวิทยุไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีไอ้พวกนี้ตัวไหนย้อนกลับขึ้นมาส่งข่าวจันท์จันถามพร้อมกับชี้มือไปยังเกิดเสยและบุญคำซึ่งกําลังนั่งราบกับพื้นเตรียมตัวกันอยู่อย่างขมขื่นสามชั่วโมงผ่านพ้นไปไม่ได้ข่าวอะไรเลยจันทร์ลงไปตามได้เลยอนุญาตให้ทำเช่นนั้นแล้วถ้าหินมันลั่นขึ้นมาหินมันถล่มปิดทางข้างล่างหรือได้ยินเสียงปืนก็ลงไปตามได้ทันทีอีกเหมือนกัน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 จันตั้งคำถามต่างๆเหล่านี้มาอย่างถูกต้องแล้วไม่เซอรอโง่และไม่เสียแรงที่อยู่กับเขามานานทีนี้จันขอถามอีกอย่างเดียวรานมือซ้ายของเขาก่าวเสียงในคราวนี้เบาเกือบเป็นกระซิบตาจับอยู่ที่เขานิ่งถ้าพวกเจ้านายหายลงไปจันลงไปตามแล้วไม่พบหรือมีอะไรที่ทำให้หมดปัญญาจะช่วยพวกนายทั้งหมดขึ้นมาได้จันจะทำยังไงดีปัญหามาจริงๆเอเวรจันนี่ เสียงตา บ, บุญคาโวยวายออกมาเพราะแกก็นั่งฟังอยู่พรางจุปากจิกๆถ้านายกับพวกข้าทั้งหมดขึ้นมาจากไอรูนรกนี่ไม่ได้แล้วก็รู้แน่ว่าทั้ง9้าคนที่ลงไปนี่ตายกันหมดแล้วเองก็พาลูกหาบทั้งหมดกลับไปถึงบ้านอีเมียเมียของข้า5้าคนที่หนองแห้งนั้นนะ่ะข้ายกให้เองด้วยพวกมันทํางานเก่งๆกันทั้งนั้นเองไม่ต้องลําบากเลี้ยงดูอะไรมันเพียงแต่ว่าผลัดรอบคืนกันให้ยุติธรรมถูกต้องเท่านั้น มันถามซะอย่างก็จะแช่งกันงั้นแหละคำพูดของบุญคำทำให้ทุกคนหัวรอกันขึ้นมาได้อย่างคลึกครื้นยกเว้นจานคนเดียวซึ่งยืนหน้าเซียวทอดถอนใจใหญ่อยู่แล้วเอ่ยมาอย่างจริงใจฉันจะไม่ถามอะไรเลยสักคำนะพี่คำถ้าฉันลงไปด้วยแต่นี่ฉันอยู่ข้างบนถ้าไม่บอกอะไรให้รู้กันเสียก่อนเกิดอะไรขึ้นก็จะทาไม่ถูกพี่คาฉลาดกว่าฉันอยู่เฝ้าข้างบนไหมล่ะฉันจะลงไปกับพวกนายเอง เรื่องอะไรค้าจะอยู่ข้างบนค้าจะลงไปกันนายเอ็งอยู่ข้างบนนะ่ะปลอดภัยดีแล้วตงเท่าร้องบอกโวยวายมาอีกระพินยกมือขึ้นโบอ้าวละอาละอาละไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกันในเวลานี้จันถ้ามีเหตุอันเป็นไปกับฉันและพวกเราที่ไปนี่ไม่ว่าจะทำนองไหนก็ตามจันใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถที่มีอยู่หาทางช่วยเหลือพวกเราให้ได้ก็แล้วกันแต่ถ้าสามวันผ่านไปแล้วยังช่วยไม่ได้ ก็แน่ใจได้เลยว่าพวกเราทั้งหมดตายกันหมดแล้วให้ทำตามที่ตาคาบอกนั่นแหละนำพวกลูกหากลับบ้านให้ปลอดภัยที่สุดไม่จำเป็นจะต้องมาขุดหาศพพวกรา้ายเสียเวลาเปล่าเพราะถึงขุดขึ้นมาได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆพูดให้เป็นเรื่องขันในประโยคตบท้ายว่าและพอกลับไปถึงหนองน้าแห้งแล้วทิงบุญคาจะยกเมียทั้งหคนให้จันทั้งหมดจันก็ไม่จาเป็นจะต้องรับไว้รอ มันแก่ๆกันแล้วทั้งนั้นหาสาวๆดีกว่าเสียงบุญคำจักออกมาอีกว่าฮิโทนายเมียไอ้คำน่ะ16 17 18 19 20สเรียงกันตามพระอันดับนายหาว่าแก่ซะและ้วสาวของนายน่ะอายุเท่าไหร่เสยพูดตามปกติก็เงียบๆแต่ขณะนี้สอดขึ้นมาเบาๆหน้าตาเฉยว่าสาวหรือแก่มันไม่ได้อยู่ที่อายุนี่นจันนี้ มันอยู่ที่ความทงเทงทอกแทกต่างหากขนาดนางหวานคนสุดท้องอายุสิบกของลุงคำก็ทงเทงซะแล้วลุงแกเคยใช้ของถนอนที่ไหนไอ้หาโดงนี่เดี๋ยวปัดถีบตกรูถ้ำนี่คอหักตายหงแต่ถ้าจอมสับ ป, ประดกร้องลั่นยกเท้าถีบฉึกเข้าให้เสรวยไวพอใช้เพราะระวังตัวอยู่แล้วเอี้ยวสี้างหลบแกเลยถีบลมเสียหลักไป เชิดวุฒผู้กำลังอยู่ในอารมณ์เครียดเต็มที่บัดนี้หัวร้อกากากจนตัวงอเสียงบุญคำวุ่นวายเอะอะมาเทิ่งไปหมดแล้วก็มาสงบอาการฮึดฮัดสบบ ด, ด่าตั้งท่าจะอารวาดลงได้เมื่อระพินตบแรงๆลงไปกลางกระบาลอันหยิกขอดไปด้วยเส้นผมสั้นๆติดหนังศีรษะของแกบรรยากาศในสถานที่นั้นกลายเป็นความคลื้นเครงขึืนชั่วขนาหนึ่งแม้แต่คริสติน่าผู้เอางานเอาการและเคร่งครึม ก็ยังกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะแบลวนั้นหัวเราะจะรู้สึกปวดบาทแผลที่รวงอกจนต้องเอามือกุมประคองไว้สแตนลี่คิดคลายความตึงเครียดลงไปได้อย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งมีแต่ละพินเท่านั้นที่เริ่มงูดงิดขึ้นมาอีกทั้งฉิวทั้งขันหยุดกันทีไอพวกนี้นี่เสียงตวาดเบาๆของเขาทาให้พวกพรานพื้นเมืองทั้ง4 ส, สรางซากกันลงไปได้ ทั้งนั้นจย์จะให้พวกลูกหักทั้งหมดนขนของขึ้นมาระวังคุมอยู่ตรงปากทางลงนี่เลยดีไหมนายสมุนซ้ายของเขาถามเป็นงานเป็นการต่อมาตกลงย้ายพวกนั้นขึ้นมาวันนี้จะเป็นชยัยภูที่เหมาะที่สุดเพราะจันจะมาเฝ้าอยู่ตรงนี้คนเดียวมันก็ไม่เหมาะขนขึ้นมาให้หมดเถอะฉันสั่งความกระจ่างออกไปหมดแล้วหวังว่าคงไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกนะ จันไม่กล่าวอะไรอีกเดินพลาออกไปยังชานหินด้านหน้าแล้วตะโกนโวกเวกสั่งการกับพวกลูกหาบซึ่งนั่งพักกันอยู่ริมป่าเถาวันเชิงตีนบันไดล่างสุดเพื่อให้ทยอยเคลื่อนย้ายมายึดที่ปักหลักใหม่ระพินหันมาทางคณะนายจ้างของเขาทุกคนแล้วเริ่มเข้าสู่งานเฉพาะหน้าทันทีคราวนี้ก็เป็นการกำหนดตัวและตําแหน่งของพวกเราทั้ง9้าคนที่จะลงไปสู่จุดหมายข้างล่างแล้วผมจะเป็นคนแรกที่เดินนําหน้าลงไป ขอคำชับก่อนว่าให้ทุกคนรับสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งและข้อกําหนดของผมอย่างเคร่งครัดอย่านอกเหนือคําสั่งเป็นอันขาดจะได้ไหมแน่นอนสั่งมาก็แล้วกันว่าคุณกําหนดตัวอย่างไรสเตอร์ลีรับคํามาอย่างหนักแน่นทุกคนเริ่มสารวมอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ภาวะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเบื้องหน้าอันสุดที่จะเดาถูกว่ามีอะไรรอคอยอยู่เบื้องล่าง ซึ่งลักษณะมันดูเหมือนโปร่งไปสู่นรกอันลึกลํานั้นถ้าหนทางกว้างโลง่งพอจะเดินกันลงไปได้อย่างสบายเขากล่าวขึ้นช้าๆชัดเจนเป็นการประกาศไปยังทุกคนเราจะเดินรวมหมู่กันไปทั้งขบวนอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าทางเข้าสู่ที่จํากัดคับขันเราจะเดินกันไปในลักษณะแถวเรียงเดี่ยวโดยขอทุกคนตามหลังผมขอให้จัดตําแหน่งรายบุคคลดังนี้ด็อกเตอร์สแตนลีย์ตามหลังผมเป็นคนที่สองถัดไปเป็นคริสติน่า ตามด้วยคีตและเชิดวุฒิเบลนั้นขอให้เดินอยู่ตรงกลางในการดูแลใกล้ชิดของเกิดกับเสยซึ่งจะประกบหน้าหลังหรือประกบทั้งสองข้างสุดแล้วแต่หนทางส่วนบุญคำปิดท้ายขบวนคอยระวังหลังเอาละครับขอให้ทุกคนทบทวนตามนี้ทั้งหมดทบทวนคําสั่งของเขาในบอร์ตําแหน่งแห่งที่ของแต่ละคนตามที่เขากําหนดไว้เป็นรายตัวอย่างถูกต้องจอมพรานพยักหน้าลงดีมากถูกต้อง ระหว่างเส้นทางเดินนี้ขอให้ทุกคนตาไวหูไวหน่อยผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายอะไรในสุสานที่เรากำลังจะลงไปอยู่เดี๋ยวนี้แต่ไม่อยากให้ทุกคนประมาทและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยตัวเองก่อนต่อจากนั้นจึงช่วยเหลือบุคคลที่ใกล้ชิด ก, กับตนเองไว้ถัดไปสำหรับเบลจะดื้อดึงขัดขืนถ้าเกิดเสยหรือบุญคำจะนาไปทางด้านไหนอย่างไรหาสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราะไฟเคมีของพวกคุณยังไม่ต้องใช้เราจะใช้ใต้าจากอย่างไม้ของคนฝ่ายผมส่องนำทางลงไปก่อนและอย่างที่เคยย้ำไว้เป็นประจำหากจำเป็นจะใช้อาวุธปืนขอให้ระวังทิศทางของหัวกระสุนซึ่งอาจพลาดมาถูกพวกเรากันเองได้ถ้าไม่แน่ใจจริงๆอย่าเพิ่งยิงสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดไม่ว่าจะแลดูว่าน่ากลัวักขนาดไหนหากพบอย่าทาร้ายให้หลีกหลบหรือยือนนิ่งฟังคาสั่งจากผมซะก่อน ระหว่างทางหากใครเกิดปัญหาอะไรบอกให้ผมทราบทันทีใครมีปัญหาอะไรอีกขอให้ถามสเสดียวนี้ทุกคนเงียบไปชั่วขณะมีแต่เสียงกระซิบพึมพำเหมือนจะบ่นกับตัวเองของพันเอกแห่ง US Army ว่าเหมือนหัวหน้าหน่วยจูโจมกำลังสรุปให้ลูกแถวฟังก่อนจะเข้าตีป้อมปืนนวโรนว่าระพินก็ตอบมาด้วยเสียงเย็นระดาบของเขาว่ามันอาจยิ่งกว่าเข้าตีป้อมปืนนวโรนสักร้อยเท่าก็ได้ ในการลงไปสู่มหาสุสานนิทรานครแห่งนี้เอาละ่ะทุกคนพร้อมที่จะลงไปสู่ความมืดที่เราอาจไม่ได้กลับมาเห็นแสงตะวันแห่งนี้แล้วหรือยังแทนคำตอบสแตลลี่อันเป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างทุกคนชูมือขึ้นดีดนิ้วแรงๆพร้อมกับพยักหน้าเนิบลงระพินอดไม่ได้ที่จะมองไปทางอิสเบลอย่างกังวลรอนดูเหมือนจะคอยมองเขาอยู่ก่อนแล้ว พอสบตาแม่ผมแดงซึ่งบัดนี้ตกเป็นผู้ไม่สมประกอบนะักลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัดทันทีกล่าวหนักแน่นเหมือนจะรู้ใจว่าขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันจอมพรานไม่กล่าวอะไรอีกหันไปสั่งให้คนของเขาทั้ง 3. มจุดใต้ขึ้นในทันทีเปลวไฟลุกติดขึ้นอย่างง่ายได้พร้อมทั้งกลุ่มควันแม้แสงของมันจะมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยินดีกว่าที่จะต้องใช้ไฟชายมากนะ ภายในโพรงถ้ำอันมืดมิดใต้แผ่นดินนั้นก็พอดีกับที่พวกลูกหาบทั้งหลายช่วยกันทยอยแบกขี่พอสัมหระกันขึ้นมาถึงพวกนั้นต่างวางกองสิ่งของไว้และเข้ามารวมมุงดูอยู่ด้วยพรานใหญ่ใช้เชือกไนลอนประจำตัวผูกมาติดกับเข็มขัดของเขาและโยนปลายข้างหนึ่งไปให้บุญคำถือไว้ใช้สายสะพายไรยเฟิลเฉียงไหลเพื่อให้เกิดความมั่นคงที่สุดแล้วค่อยๆย่อนตัวลงไปทางรอยแตกเป็นคนแรก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 เพราะถ้าลำพังแกจะฉุดไว้เฉยๆคงทานน้ำหนักตัวของระพินที่โหนลงไปไม่ได้แน่สุภาพบุรุษพลายปล่อยมือทั้งสองที่เท้ายันปากทางรอยแยกอันดำมืดนั้นไว้ไม่ถึงอึดใจเขาก็เกาะสายเชือกศรีรษะปลุกหายลงไปในโพรงมืดทุกคนสังเกตเห็นบุญคำค่อยๆผ่อนสายเชือกที่พันนอหินลงไปทีละจังหวะโดยมีจันทร์อันยืนอยู่ว่างๆเข้ามาช่วยยึดและช่วยผ่อนไว้อีกแรงหนึ่ง ทุกคนข้างบนที่ฝ้าจับมองอยู่เห็นสายเชือกนั้นผ่อนต่ำลงไปตามลำดับส่วนเกิดก็ใช้ปลายใต้ที่ติดไฟส่องลงไปให้เพื่อให้เจ้านายผู้ร่วมหน้าลงไปก่อนพอจะมองเห็นอะไรได้และชั่วไม่เกินสองอึดใจเสียงระพินก็ตะโกนบอกขึ้นมาแม้จะไม่ดังเกินไปนะักก็กรงวานกล้องไปหมดจากโพรงข้างใต้นั้นอาละบุญคำชั้นลงมาเหยียบยืนถึงพื้นแล้วโยนปลายเชือกลงมาให้ชั้นได้ และขอให้คนอื่นๆทยอยตามลงมาในลักษณะเดียวกันสแตลลี่ชโ ง, งกหน้าลงไปถามว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างระพินตรงที่คุณยืนอยู่เป็นชานหินทำด้วยศิลาแรงแลักษณะขั้นบันไดครับกว้างใหญ่พอสมควรทีเดียวมันจะนำทอดลงไปสู่เบื้องล่างที่มองไม่เห็นปลายทางผมจะยืนรอยอยู่ตรงนี้จนกว่าพวกเราจะลงมาได้พร้อมกันหมดแล้วมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งขอให้ลงมาได้เลย ตกลงผมจะลงไปเป็นคนที่สองเดี๋ยวนี้อเมริกันอาวุโสขยับจะเอาเชือกประจําตัวออกมาทําอย่างระพินที่ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างแต่คริสติน่านิวไหลไว้พูดโดยเร็วไม่จำเป็นจะต้องเอาเชือกของเราเองให้เสียเวลารักษาอาจารย์ถึงอย่างไรพวกของจันก็จะต้องรอคอยเฝ้าอยู่ตรงนี้แล้วและขณะนี้เขาก็มาอยู่กันที่นี่ด้วยฉันคิดว่าใช้เชือกของพวกรูปหาวเส้นเดียวกันอาศัยโรยตัวลงไปทีละคนจะสะดวกกว่า พอเราลงไปครบหมทุกคนแล้วก็ให้จันดึงสายเชือกกลับขึ้นมาหรือจะทิ้งคาค้างไว้ก่อนก็ได้เชือกประจําตัวของพวกเราเอาไว้ใช้ในเวลาจําเป็นดีกว่ามิฉะนั้นก็ต้องคอยเอาเชือกของแต่ละคนออกมาใช้และก็ต้องมาม้วนเก็บเปลืองเวลาโดยใช่ที่เออจริงเธอฉลาด ก, กว่าอิตาพรานจอมเบ่งคนนั้นของเราเสอีกคิดร้องบอกมาเกิดโยนใต้ที่จุดช่วยสองทางครั้งแรกนั้นลงไปให้ระพินซึ่งเขารับไปได้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 อีกสองคนมาช่วยกันยึดสายไว้แล้วหลังจากนั้นสแตนลีย์ก็โรยตัวไปเป็นคนที่สองก็รูดตัวลงไปถึงพื้นซึ่งมีระพินคอยรับอยู่ก่อนแล้วยังรวดเร็วโดยไม่ยากเกย็นอะไรเลยพอลงไปถึงก็เงยขึ้นมาตะโกนว่าคนต่อไปตามลำดับคนที่สองอันคล่องตัวที่สุดคือคริสติน่าภายหลังจากพวกข้างบนสาวสายเชื่อที่สแตนลีย์ปลดออกจากเข็มขัดขึ้นมา ถัดมาเป็นคีดซึ่งออกจะทุลักทุเลเล็กน้อยเพราะน้ำหนักตัวมากกว่าลงหย่อนตัวลงไปถึงก็สะบัดขโมงโฉงเฉงเพราะตัวเองแกว่งไปกระทบแง่หินอยู่สองสามครั้งเชิดวุธนั้นไม่มีปัญหาอะไรบุตรชายท่านในพลหย่อนตัวลงไปได้วยความระมัดระวังพอถึงคราวอิสซาเบลซึ่งบาดเจ็บด้วยบาดแผล ส, สดที่หน้าอกและกำลังเกาะอยู่ริมช่องทางด้านบนระพินก็ร้องสั่งขึ้นมาว่า เบลเดี๋ใช้กำลังแขนนี้วสายเชือกและที่เย็บไว้ของคุณอาจปริเลือดออกอีกได้ขอให้ทิ้งตัวลอยอยู่เฉยๆพวกนั้นจะผ่อนสายเชือกย่อนตัวคุณลงมาเองหลอนตอบรับเขาลงมาระพินร้องสั่งการขึ้นมาอย่างคนของเขาที่คุมสายเชือกอีกครั้งให้ปฏิบัติเช่นไรเมื่อร่างของเบลค่อยๆถูกหย่อนต่าลงมาอีกประมาณสองหลาจะถึงพื้น ซึ่งตัวสูงใหญ่กว่าทุกคนก็โอบรัดระดับกลางลำตัวของแม่เพื่อนสาวผมแดงไว้แล้วอุ้มลงมาเอาเท้าแตะพื้นเกิดเซยและบุ ญ, บญคำอันเป็นคนสุดท้ายของชุดเก้าที่จะดิ่งลงไปสำรวจใต้พื้นพิภพอันเป็นแหล่งที่เชื่อกันว่ามันจะต้องเป็นมหาสุสานแห่งราชวงศ์ไต่ตามลงมาในลักษณะคล่องแคล่วประดุจลิงพอครบจานวนคนมายืนกันอยู่บนชานผ้าของบันได ระพินก็ร้องสั่งขึ้นไปอีกว่าจันทิ้งสายเชือกคาไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสาวขึ้นไปเรียบร้อยไหมนายเรียบร้อยทุกคนข้างบนพักได้ตามสบายและอย่าลืมที่สั่งอีกสักประเดี๋ยวเมื่อเดินลึกลงไปจะทดลองเรียกวิทยุขึ้นมาและจะเรียกขึ้นมาเป็นระยะระยะหรือถ้าสงสัยยังไงจันจะลองเรียกลงไปบ้างก็ได้เข้าใจแล้วนาย นับบัดนี้ทั้งเก้าคนจากใต้สามอันซึ่งถือชูสูงขึ้นเหนือศีรษะทำให้ทุกสายตาเริ่มจะมองเห็นบริเวณรอบด้านในละแวกใกล้เคียงตัวได้พอสมควรมันเป็นชานบันไดหินขนาดใหญ่มีขนาดกว้างถึงสองหลาเททอดลงไปสู่หนทางด้านล่างในมุม30องศาซึ่งแต่ละขั้นจะห่างกันประมาณขั้นละ2ฟุตขั้นบันไดนั้นจะมีขนาดความยาวเท่าใดา ย, ยังคำนวณไม่ถูก อันเนื่องมาจากมีหินหักถล่มลงมากรอบเส้นทางเดิมทั้งสองด้านของมันระเกะระกะไปหมดเหลือส่วนกลางไว้เพอให้เดินเรียงแถวประมาณ4คนในลักษณะนหน้ากระดานได้สแตนรีลีทดลองใช้ไฟฉายส่องสัตว์ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมส่องลงไปทว่าแสงของลำไฟฉายขนาด8ท่อนริบรีเป็นจุดสังเกตได้แดงๆเท่านั้นไม่อาจส่องทางไปได้ไกล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 แล้วกวาดไปรอบๆ บ, บริเวณผนังบางส่วนที่ยังไม่ถลม่มหรือหากพังลงมามีแกนหินที่สลักจากผนังหินนั่นเองแลักนามเหมือนกระบอกสำหรับเสียบคบเพลิงซึ่งในอดีตคงจะใช้เป็นที่ปากคบเพลิงเพื่อให้แสงสว่างนั่นเองเรียงรายลงไปเป็นระยะตำแหน่งของบันไดหินแต่ละชั้นมีรอยแตกร้าวบางแห่งก็ถล่มยุบอาจแสดงถึงการเวลาที่นับย้อนหลังไปใกลแสนไกล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 อันไม่เคยมีมนุษย์คนใดผ่านเข้ามาเลยนับเป็นเวลาอนันตากาลและเสียงที่กระซิบพูดจากกันแม้จะเบาสักเท่าใดก็ตามดูมันจะกลายเป็นเสียงสะท้อนกล้องดังล้อ ก, กันไปมาด้วยระบบเสียงเอ็กโคและเมื่อหยุดพูดหรือเคลื่อนไหวก็จะเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นนอกกนั้นก็เป็นเสียงเปลวไฟที่ลุกคือติดปลายใต้อันถือชูอยู่ในมือเท่านั้น อากาศภายในอับทึบและเบาบางวงงเวงแต่ออซิเจนยังพอมีสังเกตได้จากการลุกไหม้เป็นปกติของใต้เอาล่ะขอให้ทุกคนตามผมมาราผินเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบนั้นพร้อมกับก้าวนำลงไปอย่างช้าๆทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวตามแม้จะมีพลังใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงเพียงไรก็ตามก็อดที่จะประวัติพรันพรึงอย่างไรบอกไม่ถูก ดารินวราริศมารู้สึกกายขึ้นเมื่อลำแสงแรกของตะวันส่องผ่านเปลือกตาหลอนแววเสียงนกชนิดหนึ่งร้องดังมาแต่ไกลดวงตายังไม่เปิดในขณะนั้ น, นมือที่ประสานวางกันอยู่เหนือทรวงอกโดยอีกข้างหนึ่งกำปืนสั้นจุดามห้าจ็แม็กอันเป็นอาวุธเหลือติดตัวเพียงกระบอกเดียวผิวเหล็กเย็นเฉียบสํานึกบอกได้ว่าหลอนยังนอนอยู่ในหมู่โขดหินที่เข้ามาอาศัยหลับนอนอยู่เมื่อคืนนี้และที่เดิม เจ้ามองเริ่มทำงานชั่ว 5-6 ถึงวินาทีของความมึนงงที่ค่อยสางสลายไปความทรงจำกลับคืนมาพร้อมสับด้วยสติสัมปชัญญะหลอนสามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ตกหล่นเลยและตลอดทั้งคืนภายหลังจากที่ไอจอมผีดิบมันตรายพระจากไปแล้วเรากลับคำมั่นสัญญาและมีภาพเงาของอดีตคนใช้เก่าแก่งแง่ทายมาสนทนาปราัยอยู่ด้วยชั่วขนาดหนึ่ง หล่อนได้หลับไปอย่างสนิทที่สุดระหว่างนอนภาวนาหลับเหมือนตายเดินไม่มีอะไรแผ่วพานเข้ามาในความฝันเลยขยับแขนขาเรียกประสาทและทดสอบพบว่ามันยังเคลื่อนไหวได้เป็นปกติแต่ปวดร้าวเมื่อยขบไปหมดเพราะความที่เดินทางบุกบั่นกระเซาะกระเซิงหลงป่ามาเดียวดายนี่เป็นวันที่สองแล้วสินะหล่อนคิดที่ตัวเองหลงพลัดจากคณะของพี่ชายมาอย่างไม่รู้ทิศทาง ค่อยๆเปิดเปลือกตากขึ้นแล้วก็ต้องหลับลงอีกครั้งเพราะลาแสงแดดเช้าซึ่งลอดกิ่งไม้โปร่งๆเหนือตำแหน่งที่นอนอยู่เป็นดวงจี้ลงมาพอดีเหมือนไฟฉายหล่อนยกมือข้างหนึ่งป้องหน้าไว้พร้อมกับดึงกายขึ้นนั่งโดยเร็วมืออีกข้างหนึ่งจะคงกำปืนพร้อมอยู่เช่นนั้นเลี้ยวดูรอบตัวไปตามลาดับเป็นที่แน่นอนว่า หล่อนยังอยู่ท่ามกลางป่าหินตำแหน่งที่มาอาศัยพักนอนนั่นเองไม่มีอะไรมาเคลื่อนย้ายให้เคลื่อนไปไหนระหว่างหลับบริเวณ น, นั้นบริเวณ น, นั้นเป็นบริเวณที่หล่อนได้เลือกยึดเป็นชยภูมิอาศัยหลบพักโดยเห็นว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับทางหนีทีไล่ามากที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วคือแวดล้อมเป็นกำแพงไว้ด้วยหมู่โขดหินน้อยใหญ่ด้านซีสานั้นเป็นก้อนหินต่างกาแพงบางขนาดใหญ่ ช่องทางที่จะเข้ามาถึงตัวได้เป็นแนวจำกัดและจะสามารถเข้าได้เฉพาะทางด้านปลายเท้าอย่างเดียวเท่านั้นในเวลาอารุณแรกเริ่มแสงสว่างมองเห็นจากแจ้งไปหมดเช่นนี้มันมีลักษณะที่สวยงามมากด้วยการประดับจากฝีมือของธรรมชาติโขดหินแต่ละก้อนมีสีสันแตกต่างกันออกไปราวกับปวงแท่งอัญมณีขนาดใหญ่ที่ใครนามาฝังประดับไว้ ระดับของมันที่งอกแซมอยู่นั้น ส, สูงสูงต่ำต่ำมีรูปร่างสูงฉลุดบ้างเตี้ย ม, มนเป็นหลังเต่าบ้างและเป็นแง่มุมหยักและดูเหมือนรูปสิงสาราสัตต่างๆบ้างสุดแต่จะพิจารณาไปเองและลานตาไปหมดพื้นเล่าบางแห่งก็ราบเรียบเกลี้ยงสะอาดบางแห่งก็เกลื่อนไปด้วยก้อนกรวดหลากสีน้อยใหญ่ราวกับใครมาโรยไว สภาพของมันดูเหมือนสวนหย่อมที่นักตกแต่งสวนมาจงใจประดิษฐ์ต่างกันแต่ว่ามันมีอาณาบริเวณใหญ่โตมโหฬารกว่าหลายพันเท่าและวิเวกวงังเวงอ้างวางเหลือประมาณมีแต่เสียงนกไพรและลมยามเช้าอ่อนระรวยเท่านั้นที่เป็นสัญลักษณ์ให้หลอนตระหนักแน่ว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่ในพิภพนี้ เบื้องหน้าทางด้านปลายเท้าที่เคยนอนยังมีรอยเท่าของกองฟืนที่ตนเองก่อไว้บัดนี้มอดดับสนิทหมดแล้วข้างกายเครือหวีกล้วยป่าและกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำคงวางอยู่ใกล้ๆไม่มีอะไรแปลกปลอมผิดแผกไปและไม่มีร่องรอยสักน้อยนิดหนึ่งว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจอมผีดิบขมังเวทหรือราชปุโรหิตมณไตรในอดีตการจะปรากฏกายของมันขึ้น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 ทุกถ้อยคำทุกประโยควาจาของมันไตร ย, ยังก้องอยู่กลางหัวใจของหล่อนจำแม่นได้ตลอดวิเคราะห์ไม่ถูกว่ามันได้ใช้ภาษาอะไรพูดกับหล่อนแต่หล่อนก็สามารถจะเข้าใจได้แจ่มชัดทุกกระทงความจิตตรางขณะหล่อนกระซิบพึมพำรรกับตนเองขณะที่ลากปลายขาเข้ามาเป็นท่าชันเข่าและกอดเข่าไว้ตายังมองจ้องไปตามหมู่โขดหินด้านหน้า อคคณิรุธฉันและเขากระนั้นหรือไม่มีเสียงใดตอบคำรำพึงของหล่อนมานอกจากเสียงนกกระวังไพรที่บินโฉบอยู่เหนือป่าหินร้องกล้องระ ง, งมทั้งใกล้และไกลโดยไม่เห็นตัวแล้วหญิงสาวผู้พลัดหลงปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่กลางไครลึกก็ยิ้มออกมาเศร้าๆกับตนเองน้ำตาเริ่มปริมก็ไม่น่าสงสัยนะระพิน ว่าทำไมฉันกับเธอจึงต้องมาพบกับวิบากกรรมอยู่ในชาตินี้อีกเรามีอดีตที่แสนปวดร้าวผูกพันกันมาก่อนนานแล้วแต่ฉันก็ยังภูมิใจว่าเธอรักมั่นต่อฉันและฉันก็แสนที่จะรักเธอนี่เราเป็นคู่กรรมกันมากี่พบกี่ชาติกันแล้วนี่สายลมเช้าโชยเย็นฉ่ำมาอีกมันหวนพาเอากลิ่นดอกไม้ลึกลับชนิดึงมาสัมผัสคาณประสาท เป็นกลิ่นหอมเย็นชื่นต่างกว่าไม้ป่าทุกชนิดที่หลอนเคยรู้จักมาก่อนและนาบัดนั้นโสดพิเศษในส่วนลึกก็คล้ายๆจะแววเสียงท่วงทํานองลีลาและคำร้องของเพลงบทหนึ่งผ่านเข้ากระทบสมองข้อความตอนหนึ่งว่ากลิ่นเจ้าล่องลมพริ้วพรมมาแห่งนี้กลิ่นเจ้ายวนยีรดีให้ป่วนปัน่น กลิ่นเจ้าโดนใจโน้มในหรือไทยฝันพบชาติแต่เบื้องบันนึกได้โดยฉับพลันกลิ่นทิพย์ผูกพันสวรรค์โดนใจดารินสะบัดหน้าแรงๆขับไล่ความมึนงงแล้วถอนใจเยือกราตรีที่ผ่านมาแล้วนั้นจำได้ว่าเงาลี้ลับอันน่าจะเกิดจากอุปท า, านของแง่ส า, ายได้ปรากฏไม้เห็นภายหลังจากที่มันตรยได้พระไปแล้ว เจ้าอดีตคนใช้ชาวดงไม่ได้ตอบคำถามใดๆของหลอนเพียงแต่บอกว่าหากหลอนต้องการจะมองย้อนกลับไปให้เห็นอดีตก็ขอให้พยายามนอนให้หลับซึ่งอาจจะช่วยให้มองเห็นเป็นแผ่นภาพชัดได้ในความฝันก็ได้แต่ปรากฏว่าหล่อนหลับไปอย่างสนิทชนิดไม่มีความฝันใดๆเกิดขึ้นเลยหมายเหตุจากผู้เขียน ความฝันย้อนหลังไปถึงอดีตกลับไปเกิดขึ้นกับระพินไพรวันแทนภายในราตรีเดียวกันในระหว่างต่างคนต่างอยู่ห่างกันคนละมุมของลูกเขาใหญ่มหืมาโดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้ทิศทางของกันและกันเลยจะอย่างไรก็ตามโดยคําบอกเล่าของราชปุโรหิตมันไตรมันก็กระจ่างชัดพอสมควรแล้วสําหรับหล่อนแม้จะเป็นแค่วาจาบอกเล่า เราจำได้ว่าหล่อนได้สนทนาและสอบซักข้อความไปแล้วโดยละเอียดชนชีพของหล่อนไม่น่าจะอยู่รอดมาได้จนสามารถมองเห็นอรุณรุ่งในเช้าวันนี้เลยป่านชนี้พี่ใหญ่พี่กลางและกลุ่มพักพวกทุกคนจะอยู่ที่ไหนทุกคนจะอยู่ในสภาพเช่นไรเจ้าด้วนช้างป่าแสนรู้ของหล่อนละ่ะมันทอดทิ้งหล่อนเสียแล้วหรือหรือว่าตัวมันเองไปประสบเหตุเพศภัยอย่างใด ทุกสิ่งทุกอย่างสุดที่จะรู้ได้เนื้ออื่นใดทั้งปวงบุรุษอันเป็นที่รักระพินไพรวันคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนหนากลางป่าใหญ่ไพรกันดานอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลดูเหมือนจะไม่มีขอบเขตนี้ทั้งทานที่การสาวรอยตามของฝ่ายของหล่อนก่อนน่าจะเกิดอุปตวเหตุน้าป่าพลัดหลงกับพวกหล่อนสามารถได้เข้าเงื่อนจากหลักฐานว่า ได้ติดหลังเข้ามาอย่างกระชันชิดใกล้เคียงเข้ามามากแล้วแต่แล้วผลกรรมก็บันดาลให้ตนเองอันเป็นฝ่ายติดตามมาต้องมาประสบเคราะห์กรรมเกิดเรื่องวุ่นวายพลัดพรากจากพี่ๆและคณะพักซ้ำเติมเข้าอีกดารินกรีดนิ้วสะบัดน้ำตาที่กำลังคลอเบ้าอยู่ให้กระจายออกไปบัดนี้หล่อนพร้อมแล้วที่จ ะ, ะเผชิญกับชะตากรรมต่อไปอย่างนักสู้ โดยไม่วันวาดต่ออนาคตที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าซึ่งสุดที่จะเดาได้หล่อนยังไม่รู้สึกหิวเลยไม่รู้สึกเต็มตื้นอย่างไรบอกไม่ถูกแต่ก็ต้องเอาแรงไว้ก่อนอาหารที่จะประทังชีพเพิ่มพลังก็มีแต่เพียงกล้วยป่าที่แบกติดตัวมาด้วยตั้งแต่เย็นวานและน้ำในกระบอกไม้ไผ่เท่านั้นทนกล้ำกลืนเข้าไปพอให้หนักท้องพลางสมองก็เริ่มใช้ความคิดต่อไปว่า จะเริ่มต้นเคลื่อนไหวอย่างไรสำหรับเช้าวันนี้ลิงกินกล้วยยังมีชีวิตอยู่ในป่าได้ทำไมหล่อนจะทนอยู่ไม่ได้มันมีคุณค่าทางอาหารยิ่งกว่าใบหญ้าใบไม้มากนะักซ้ํายังมีน้ําสํารองอีกตั้งหนึ่งกระบอกไม้พายใหญ่ๆการหลับนอนอย่างสนิทเหมือนดับสวิตเมื่อตื่นก็พอทําให้สดชื่นมีกําลังวางชาขึ้นบ้างไม่ถึงกับอ่อนเปลี่ยวโรยแรงเกินไปนะัก ขณะที่ยังนั่งทบทวนและตัดสินใจอย่างไรยังไม่ถูกนั้นหล่อนก็แววเสียงฝีเท้าหนักและแผ่วเบาของอะไรชนิดหนึ่งเคลื่อนไหวเหยียบกรวดลั่นเข้ามาใกล้ยอย่างแช้มช้าราชสกุลสาวพรวดขึ้นยืนทันทีปืนสั้นประจำตัวที่สอดเข้าซองไปแล้วถูกกระชากขึ้นมาถือกระชับไว้ในมืออีกครั้งซึ่งมันก็ไอแค่ปืนกระบอกปิติวหลิวเกือบจะหาความหมายใดๆไม่ได้เลย สำหรับสภาพป่าเช่นที่แวดล้อมกายอยู่ในขณะนี้มีเสียงเป่าลมจากปลายงวงฟืดออกมาเบาๆด้วนเจ้าด้วนหรือนั่นดารินร้องออกไปอย่างดีใจไม่มีเสียงร้องตอบมาอย่างใดอันควรจะเป็นธรรมชาตินิสัยของเจ้าด้วนของหล่อนแต่เสียงฝีเท้าก็คงเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกในอาการแช่มช้าเช่นเดิมสัญชา ต, ตยานเตือนให้ตระหนักถึงความผิดสังเกตในทันที ความปราดเปรียวคล่องแคล่วกลับคืนมาในฉับพลันนั้นหญิงสาวหันไปรอบตัวอย่างรวดเร็วและโดดข้ามโขดหินเตี้ยๆทางฝั่งขวามือของหลอนวิ่งไปแอบหลบกำบังยูนซิซอกระหว่างหินใหญ่มหือมาสองลูกโดยกะแล้วว่ากำลังช้างจะขยี้นไม่ได้มือทั้งสองจับด้ามปืนพกไว้มั่นตามองจ้องไปยังทิศทางอเป็นที่มาของเสียง ชั่วไม่ถึงอึดใจหลอนเริ่มมองเห็นส่วนสันหลังอันสูงใหญ่ชะเงือมโผล่พ้นแง่หินที่เป็นฉากสูงๆต่ำๆบางอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปประมาณสิบวาเคลื่อนผ่านสีของมันเทาดำเกือบจะกลืนกับก้อนหินเพียงแต่อาการที่มันไหวเคลื่อนได้เท่านั้นทำให้หลอนทราบว่านั่นคือส่วนสันหลังของช้างขนาดใหญ่มากมันกาลังเคลื่อนมายังปากทาง อันจะนำมาสู่ตำแหน่งที่หลอนอาศัยพักนอนอยู่เมื่อคืนและตำแหน่งที่ยึดซุ่มอยู่ในขณะนี้ด้วยดวงตาที่จ้องไม่กระพริบดารินบ่ายลำกล้องปืนสั้นในมือจ้องดักไว้ปากทางที่มันน่าจะต้องโผล่ออกมาทางนั้นความได้เปรียบของหลอนในขณะนี้ก็คือความระเกะระากะาของหมู่หินที่เป็นอุปสรรคขวางก้นอยู่สำหรับสัตว์ใหญ่ขนาดช้าง แล้วมันมีช่องทางแง่มุมอยู่มากมายที่จะทำให้หลอนอาศัยความว่องไวหลีกลบหนีได้โดยอาศัยหมู่หินเหล่านั้นไปนที่กำบังกี่ขวางไว้ก่อนและถ้าจำเป็นหลอนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแรงประทะของหัวกระสุนขนาดเล็กๆระดับจุดสหแม็กของหลอนในระยะยิงเผาขนห่างไม่เกินสิบวาเช่นที่มันกาลังจะโผล่ อ, ออกมาให้เห็นเช่นนี้หากกระสุนพุ่งเข้าสวนหน้า บริเวณเนินน้ำเต้าเนินโงโคนงวงเจ้าโ้อจะสารที่โปรกออกมานั้นมันจะมีลักษณะาการอย่างไรให้ปรากฏหัวกระสุนแบบกรวยฝาชีชนิดเจาะสัตว์หนังหนาสามารถจะผ่านบริเวณจุดอ่อนที่สุดของกะโหลกเข้าไปถึงส่วนที่ตั้งของสมองได้หรือไม่หล่อนไม่มีทางเลือกอย่งอื่นสันหลังสีเทานั้นลับหายไปกับโขดินที่สูงกว่าตัวมันแล้ว แต่เสียงเคลื่อนตัวหยียบย่างมาอย่างเบาๆแช่มช้ายังคงดำเนินอยู่ต่อไปหล่อนชงนนี่มันผ่านมาโดยบังเอิญโดยไม่ได้กลิ่นของร่อนหรืออย่างไรเพราะตามปกติแล้วถ้าหากจะมุ่งหมายเข้ามาทำร้ายก็ไม่น่าจะมาด้วยอาการเดินแช่มช้านิ่มนวนเช่นนี้วินาทีระทึกใจแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อศรีรษะอันใหญ่โตของมันโผล่พ้นแนวบางออกมา และเข้าศูนย์ปืนสั้นของหล่อนอย่างพอดีดารินเกือบจะแตกกายลั่นกระสุนทันทีที่แลเห็นศีสากขนาดมหือมานั้นได้เต็มตาแต่แล้วก็ชะงักไว้ได้ทันโคจชสารเชือกนั้นมีงายาวแหลมงอนโคง้งงดงามเป็นสีดำสนิทขนาดของมันใหญ่กว่าจะด้วนของหล่อนเล็กน้อยหล่อนเม้มริิปากแน่น ข้อความตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับมันตรัยเมื่อราตรีผ่านมาพูดเต่นชัดในสมองทันทีนั่นก็คือหล่อนจะต้องไม่ทำร้ายไม่พระหนีช้างซึ่งมีงาสีดำซึ่งจะเป็นช้างที่ราชปุโรหิตมันตรัยในอดีตส่งให้มารับตัวหล่อนไปสองหูใหญ่ของมันโบกวาดอยู่ไปมาดังพืพ้บภัพดวงตาเล็กตีอันบัดนี้แลเต็มไปด้วยเลดใน เพ่งมองมายังตำแหน่งที่หล่อนซุ่มตัวจ้องปืนอยู่ขณะที่มันโโปรโส่วนของศีษะออกมาให้เห็นเหมือนจะให้หล่อนตั้งสติพร้อมเสียก่อนแล้วอึดใจต่อมาก็ค่อยๆยื้อย่างเท้าอันใหญ่โตก้าวข้ามแก่งแง่โคดหินนำกายเข้ามาอย่างสงบโดยไม่ส่งเสียงหรือส่ออาการดุร้ายใดๆทั้งสิ้นหินก้อนเล็กๆบางส่วนตามเส้นทางที่มันเดินผ่านเข้ามาถูกชนกระทบ บางก้อนหักกระเนนไปด้วยน้ำหนักตัวมหาสาลที่เฉียดผ่านเศษ ส, สีขณะที่หล่อนจ้องอยู่ในขณะนี้มันโผล่ออกมาให้เห็นเพียงตัวเดียวโดดๆไม่มีวี่แววว่าจะมีโคลงหรือบริวารอื่นๆติดตามเข้ามาด้วยแต่ในละแวกที่ห่างไกลออกไปก็สุดที่จะเดาได้เพราะมองไม่เห็นไอ้ช้างลักษณะร้ายมีงาสีดำมาเมื่อม โดยเกิดขึ้นจากอาคมของจอมผีดิบมันตรายชนิดนี้แหละตลอดเวลามามันคือมหาศัตรูตัวเพชฌฆาตสาหรับพวกหล่อนทั้งหมดชนิดที่เห็นกันที่ไหนก็ต้องซัด ก, กันให้แหลกไปข้างหนึ่งที่นั่นเพราะมันเป็นช้างปีศาจช้างผีลงผู้ที่จะมาเอาชีวิตฝ่ายของหล่อนโดยเจตนาร้ายของมันตรยัยผู้บังคับบงการด้วยมหาเวทห น, น้าบัดนี้มันได้เคลื่อนกายอย่างนุ่มนวล และดูว่าสุภาพที่สุดเข้ามาหยุดยืนสงบนิ่งแกว่งงวงไปมาช้าๆอยู่ตรงตำแหน่งที่หลอนนอนอยู่เมื่อคืนสูงใหญ่ทํามือนทึนและความที่มีระยะใกล้กับหินใหญ่ที่หลอนกำบังอยู่ทำให้ต้องแงนคอตั้งดวงตาของมันแลนิ่งมาที่หลอนมองดูแล้วมันหาใช่ดวงตาของสัตว์ประเภทช้างป่าสามันธรรมดาไหม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 แต่ก็ไม่วายภาวาไปด้วยอาการสยองกล้าวหล่อนยังไม่กล้าที่จะขยับเขยื่อนกายใดๆทั้งสิ้นและมันก็ยังยืนนิ่งตระ n g g a n อยู่ตรงนั้นเกือบจะดูเหมือนโขดหินถ้าไม่ใช่เพราะงวงและใบหูที่แกว่งอยู่ไปมาลักษณะอาการเหมือนจะรอคอยให้หล่อนโผล่ออกมาเองอีกครั้งที่หญิงสาวพยายามสงบจิตภาวนาถึงพระพุทธคุณจนกระทั่งสามารถรวบรวมสติพลังใจให้กลับคืนมาได้ครบถ้วน มันไตรหลอนร้องเรียกออกไปเสียงหนักๆโคจชสารงาดามชู ว, วงขึ้นเป่าลมขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งเหมือนจะเป็นการตอบรับนี่เจ้าจะมารับค่าตามที่ตกลงกันไว้เมื่อคืนนี้ใช่ไหมพยายามร้องถามผู้จ่า ก, กับมันต่อไปอีกไม่มีเสียงตอบใดๆมาจากช้างผีสิงตัวนั้นไม่มีแม้แต่การจะให้เสียงนอกจากดวงตาที่กรอกกลิ้งแลมาทางหลอนเท่านั้น มันเห็นหล่อนในที่ซุ่มตัวอย่างชัดเจนแน่นอนเอาละ่ะถ้าหากเจ้าเป็นพาหนะที่มันตรายส่งให้มารับข้าจริงก็จงแสดงอาการตอบรับให้ข้าแน่ใจจงหมอบลงเดี๋ยวนี้หมอบลงยังไม่มีอะไรที่จะต้องเคลือบแคลงอีกเลยช้างงาดําสนิทปานนินตัวนั้นค่อยๆย่อเข่าหน้าสุดลงก่อนอย่างแช่มช้าต่อจากนั้นขาหลังทั้งสองก็หย่อนตามลงมา สภาพของมันกลายเป็นหมอบลงตามคําสั่งของหลอนที่เสี่ยงสั่งตาลออกไปดารินลืมตาโพลงคนลุกเกลียวอีกครั้งหลอนไม่มีทางเลี่ยงแล้วถ้าหากว่าหลอนยังปรารถนาที่จะให้ระพินไพรวันรอดพ้นจากการติดตามรังควานมุ่งร้ายของมันไตรตามที่ตกลงกันไว้แล้วหลอนจะต้องไปกับไอ้ช้างปีศาจ ท, ที่มาด้วยอานาจสั่ง ด้วยกริยามนของจอมหาพูดผู้อมตะคนตนนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรค่อยไปแก้ไขปัญหาเอาข้างหน้านี่คือข้อตัดสินใจของดารินวราฤทธิ์ปืดในมือไร้ประโยชน์เสีแล้วลันซอเข้าซองตามเดิมติดเป็นสายรัดอย่างมั่นคงกันตกล่นแล้วก็ค่อยๆ ค, คลานออกมาจากช่องหินที่ลอดเข้าไปโผลออกมาทางเบื้องหน้าของมันที่สุดหมอบอยู่ ระดุดภูเขาลูกย่อมย่อมบริเวณที่หล่อนคลานออกมาอยู่ในระยะที่ปลายงวงของมันถ้าจะยื่นกวาดออกมาก็จะถึงตัวพอดีแต่มันก็ยังคงม้วนงวงสงบนิ่งอยู่ในอาการที่ดูเหมือนจะแสนเชื่องหญิงสาวลุกขึ้นก้าวเดินเข้าไปหยุดอยู่ด้านหน้าของมันพร้อมกับฝืนยิ้มให้ก็เป็นที่ยอมรับรู้กันแล้วนะระหว่างข้ากับเจ้าว่าเราจะต้องไปด้วยการตามความต้องการของนายเจ้า แต่ข้าอยากรู้เลอเกินว่าตลอดราตรีที่ผ่านมาภายหลังจากที่นายของเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญากับข้าแล้วที่จะไม่แตะต้องกระทำการร้ายใดๆต่ออัคนิรุธและคณะของเขาอีกมันตรายได้ปฏิบัติตามสัญจาที่ให้ไว้หรือไม่ส่วนสำหรับข้านั้นก็ได้ยอมเสียสละตนเองแล้วถ้าหากว่าวิญญาณของมันตรายได้สิงสู่อยู่ในตัวเจ้าณนะบัดนี้และสามารถเข้าใจในสิ่งที่ข้าถามนี้ ก็ขอให้ยื่นงวงของเจ้าออกมาและสัมผัสกับมือของข้าพร้อมกล่าวดารินยื่นมือขวาของหลอนออกไปตรงหน้าโคจิสารผีสิงตนนั้นคลายงวงที่ม้วนจุก ป, ปากในท่าหมอบยื่นออกมาแล้วใช้ปลายจะงอยงวงค่อยๆวางแตะลงบนฝ่ามือของดารินสัมผัสของมันสากหยาบกระด้างแต่อย่างน้อยณนะบัดนี้โดยอาการชนิดนั้นมันส่อความหมายแห่งความเป็นมิตร และดูเหมือนจะเป็นการตอบคำถามของหลอนอย่างแจ่มชัดดารินพยักหน้าช้าๆถอนใจเยื่เสียดายเหลือเกินนะที่เจ้าพูดไม่ได้แต่ก็ดูจะเข้าใจอะไรในคำพูดของข้าทุกอย่างตกลงเราจะไปด้วยกันสุดแล้วแต่เจ้าจะพาข้าไปเถอะนรกคุ้มไหนข้าก็ไม่หวานอีกแล้วทั้งสิ้นยังไม่มีการลังเลอะไรอีกเลย ดารินก้มลงคว้กกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำที่ร้อยไว้ได้วยเส้นเถาวัลนเหนียวคล้องสะพายไหลไว้แล้วโดวยความชำนาญที่ตนเองเคยขึ้นไปอยู่บนคอช้ามาก่อนแล้วจากเจ้าด้วนหล่อนเยียบที่โคนงาของมันจับใบหูอันใหญ่มหืมานั้นเหนียวโหนกายไตยขึ้นไปนั่งคล้อมอยู่บนคอของมันอย่างคล่องแคล่วพอหล่อนนั่งบนคอของมันได้เหมาะมัน่นเรียบร้อยดีแล้ว ช้างงาดําเชือกนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นยืนอย่างนิ่มนวลเต็มส่วนสัตว์อันสูงใหญ่ของมันร่างของดารินลอยเด่นอยู่เนื้อป่าหินในทันทีหล่อนตบเบาๆลงบนศีรษะของมันกล่าวต่อไปว่าเจ้าคงรู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องนําข้าไปอย่างไรจึงจะรู้ล่วงตามจุดประสงค์ของนายเจ้าที่ใช้มาเจ้าต้องพยายามหลีกหลบกับเจ้าด่วนช้างของข้าไว้ให้ดีถ้าเจ้าด่วนพบกับเจ้าเมื่อใด มันจะต้องพุ่งเข้าใส่เจ้าเมื่อ น, นั้นและถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะเลือกเจ้าด้วนไม่ใช่เลือกเจ้าวิธีเลือกของข้าก็คือจะเอาลูกปืนกรอกลงไปกลางหัวโตๆของเจ้านี่แหละและข้าไม่คิดอีกแล้วว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าต้องหาทางเลี่ยงเจ้าด้วนให้ดีอย่าเผชิญหน้าเป็นอันขาดเจ้าเข้าใจไหมประโยคสุดท้ายหล่อนก้มลงมาพูดอยู่ริมใบหูของมันช้างผีลงแผดเสียงร้องออกมาเบาๆเป็นครั้งแรก กระนั้นสำเนียงเสียงร้องของมันก็ดังก้องกังวานไปทั้งป่าหินจะฟังว่าเป็นเสียงรับคำก็ได้หรือจะฟังเป็นเสียงหัวเราะย่อหยันของมันไตรก็ได้แล้วมันก็เริ่มหมุนตัวกลับช้าๆนาหล่อนออกเดินดุมๆผ่านไปตามป่าหินอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นโดยตัดออกเส้นทางด่านใหญ่อาการเดินของมันราบเรียบเปรียบไม่ผิดอะไรกับช้างเลี้ยงฉะนั้น ดูว่ามันจะย่างเท้าไปอย่างช้าๆก็จริงเท่าว่าแต่ละก้าวของสัตว์ใหญ่มันก็มีอัตราความเร็วเท่ากับมนุษย์ตัวกระจจอยร่อยที่วิ่งเยาะๆก่อนจะพ้นเขตป่าหินล่วงลงสู่ดงไม้ที่เห็นทึบทมึนหล่อนก็มองเห็นพลายใหญ่อีกสองเชือกซึ่งมีอาการเสมือนจะซุ่มคอยอยู่ก่อนแล้วเดินขนาดใกล้เข้ามาแบบพี่เลี้ยงคุ้มกันแล้วเข้าขาบวนใกล้ชิดมาทั้งซ้ายและขวาแต่ละตัวมีขนาดใหญ่เท่าเท่ากันทั้งสิ้นเพียงแต่เป็นช้างสีดอ งาสั้นกุดจับหมู่ไปด้วยกันรวมเป็นสามตัวโดยมีเจ้างาดำเดินอยู่ตรงกลางดารินวราริก็ตรหนักแน่ว่าบัดนี้ตัวหล่อนเองตกอยู่ในการควบคุมเหมือนเฉลยของมันไตรซะแล้วรพินชีวิตของฉันเดี๋ยวนี้ยอมสละให้เธอแล้วนะฉันตายได้แต่ขออย่าให้เธอต้องเป็นอะไรไปเลยยญิงสาวรำพึงกับตนเองหล่อนปล่งตกหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ยอมตนให้ภาหนะของมันไตร น, นำไปสู่จุดใดจุดหนึ่งก็สุดแล้วแต่มันระยะทางจะอีกยาวไกลเท่าไหร่ใช้เวลา น, านานสักแค่ไหนอะไรคอยอยู่เบื้องหน้าฝากไว้กับวิบากกรรมที่มองไม่เห็นหลอนปราถนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นขอให้เขาผู้นั้นรอดปลอดภัยเป็นพอและยามนี้ดวงจิตของหลอนก็ถูกแบ่งออกเป็นสองวิญญาณที่เข้ามาผนวกรวมกันแล้ว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 ประดุดนางพญาไพรอีกครั้งเนื้อคอโคจสารที่นำหล่อนบุกป่าใหญ่ไพรกันดารไปได้วยอาการเดินปกติของมันชนิดที่ไม่สอบว่าจะเร่งรุดหรือเร่งร้อนใดๆนักยิงสากว่าสายตาสังเกตจดจำภูมิประเทศทางผ่านไปโดยตลอดสัญชาตญาณสู้และความรอบครอบเฉลียวฉลาดยังคงเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของหล่อนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ตกหล่นไปเลย ผ่านไปใกล้ค า, าคบไม้ตอนใดที่อุดมงดงามไปด้วยกล้วยไม้ป่าอันสวยงามหล่อนก็ชะงกกายเอื้อมมือไปเด็ดมาทัดหูแซมผมไปเรื่อยเจ้าช้างผีสิงแสนรู้ก็ดูเหมือนจะเอาใจหล่อนเป็นพิเศษแปลงใดที่เต็มไปด้วยดอกเอื้องสะพรั่งมันก็จะเดินช้าลงและเฉิดใกล้เข้าไปเพื่อให้หล่อนเอื้อมเด็ดได้ถนัดมือ อาการเดินเยื้องย่างของมันเล่าก็แสนที่จะธนุถนอมผู้ที่นั่งเด่นอยู่บนคอของมันพยายามให้หล่อนต้องวายเสียว่าจะตกหล่นพลัดลงมาหรือเกิดความสะเทือนใดๆทั้งสิน้นสร้างความรู้สึกที่สนิทสนมคุ้นเคยและไว้วางใจแก่หล่อนเพิ่มขึ้นราวกับว่าวิญญาณของปุโรหิตมันตรัยสิงสู่อยู่ในตัวของมันอย่างเต็มที่ฉะนั้นพรางก็หวนระลึกตรึกนึกทบทวนไปถึงเรื่องราวแต่ปางก่อน ทีสได้ทราบมาจากคำบอกเล่าของมันไตรในเรื่องราวความเป็นมาระหว่างหล่อนเองและเขาผู้นั้นจิตรางคนางและอัคณิรุษไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อมันมีหลักฐานอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างมาสอดคล้องเจือสมกันอย่างกระดิกไม่ได้เลยหลอนและเขามีอดีตต่อกันมาอย่างสุดเศร้าสะเทือนใจหรือประมาณและนี่ตัวเขาผู้นั้นเล่า ยังจะได้ร่วงรู้ถึงความในเหล่านี้บ้างหรือไม่ว่าตนเองนั้นเป็นใครได้สร้างพฤติกรรมใดๆไว้กับหญิงที่ตนก็แสนรักไว้บ้างหวนกลับมาเกิดและพบกันชาติใหม่นี้ความรักจึงเต็มไปด้วยอุปสรรคลำเคนเสืเหลอแสนและนี่ยังจะต้องมีการพลัดพรากจากกันไปอีกสักกี่ชาติโดยที่ความรักไม่อาจที่จะสมหวังได้ประวัติศาสตร์แห่งความรักอันมีขวากน้ำความก้นนี้ จะซ้ำรอยไปอีกกี่พบหล่อนยิงในเกยียรติภูมิส่วนเขาก็ทรนงอยู่ในศักดิ์ศรีทน้นที่ต่างฝ่ายต่างก็แสนรักกระทั่งในที่สุดความตายก็มาพากล่อนไปจากเขาชาตินี้จะซ้ำรอยเดิมอีกหรือไม่ดารินยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อคิดมาถึงคำบอกเล่าที่ว่าอักคณิรุธเป็นผู้มาลักพาขโมยศพของจิตรางขนาไป และไม่ได้เสกสมรสกับสตรีใดอีกเลยนับตั้งแต่สิ้นสตรีอันเป็นยอดที่รักไปแล้วจวบช่วอายุขายของกษัตริย์หนุ่มผู้ธรนงผู้นั้นก็แล้วชาตินี้เล่าระพินจะปฏิบัติต่อดารินคนนี้เหมือนแต่ปางบานอีกหรือไม่ชาติก่อนในเงื้อมมือของมันไตรตลอดจนความโทมนัสผิดหวังที่ชายคนรักเป็นผู้ประหารบิดาแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม และถูกผู้เป็นอาขบถทรยศต่อราชบัลลังก์หล่อนตัดสินใจแผลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการดื่มยาพิษมาชาตินี้หล่าหล่อนกำลังตกอยู่ในเนื้อมือของมันไตรผู้รอคอยอีกวาระหนึ่งหล่อนจะแผลนี้หลีกเกร้นได้อย่างไรดารินตั้งปัญหาถามตนเองเช้าตรู่ของวันเดียวกันนี้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 ที่มันส่งเสียงร้องเออะขึ้นนั้นก็เป็นความหมายที่ต้องการจะปลุกคณะทั้งหมดให้ลุกขึ้นมาเตรียมเผชิญกับภาระหนักอึ้งแห่งวันใหม่นั่นเองเพราะเมื่อเชษฐายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูก็เห็นว่ามันเป็นเวลาห้านาิกานาทีพอดีไก่ป่าและนกบางชนิดกําลังขานขานและส่งเสียงร้องอยู่เป็นระยะมันปลุกเตือนเราให้ออกตามนายหญิงแล้วนาย นั้นอินบอกกับคณะเจ้านายหลังจากลุกขึ้นมาตรวจสอถานที่อยู่พักใหญ่คู่กับขยินเจ้าช้างป่าหางด้วนคู่ใจของดารินยืนโยกกายชูงวงแผดเสียงร้องแปรแป ร, แปรนสนั่นดงอยู่เช่นนั้นและมันก็เข้ามายืนอยู่ทางด้านศรีรษะของเชษฐากับอนุชาเสดวยซ้ำยังเอาปลายงวงเคลียหลังชัยยันผู้ลุกขึ้นมานั่งง่วงง่วงเงียขยี้ตาอยู่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 เพื่อออดติดตามค้นหาน้องสาวคนเล็กของคณะผู้สูญหายพลัดพรากไปนับเป็นวันที่สองเข้าไปแล้วขอบใจมากเจ้าด้วนที่ปลุกเจ้าคงจะรู้ดีอยู่แล้วสินะว่านายหญิงของเจ้าอยู่ที่ไหนเชษฐาเดินตรงไปลูบที่งวงของมันบัดนี้เขามีความสนิท ก, กับมันไม่ผิดอะไรกับน้องสาวช้างป่าคู่บารมีของดารินเอาปลายงวงซ้ายดมไปตามใบหน้าและทรวงอกของผู้ชายใหญ่ พร้อมกับส่งเสียงร้องออกมาอีกเหมือนจะเร่งเตือนชัยยันก็หัวเราะหือหือร้องบอกมาว่าประเดี๋ยวสิวอยด้วนขอพวกเรากินอาแรงก่อนพวกเราเป็นห่วงนายหญิงของเองไม่น้อยไปกว่าเองหรอกขอเวลาสัก 5-6 ถึงนาทีเท่านั้นแล้วเองพาไปให้ดีก็แล้วกันอนุชานั้นพิจารณาดูอาการของเจ้าพลายหางด้วนที่พวกเขาช่วยกู้ชีวิตมันขึ้นมาจากลมโคลนเงียบ ในขณะที่ใช้ซ่อมจิ้มเนื้อกระป๋องยัดใส่ปากพอให้หนักๆท้องทุกคนกินอาหารกันอย่างเร่งรีบและจัดเตรียมของเพื่อการออกเดินทางกันอย่างรวดเร็วทั่ทันที่อากาศในป่ายัางมืดมิดแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าอีกไม่นานแสงแรงของตะวันก็จะเยือนเข้ามาแล้วลูกหาบที่ร่วมตายมาด้วยกัน10บคน5คู่ไม่มีใครแสดงความเฉ่ยชาเกียคร้านทุกคนล้วนอยู่ในสภาพที่ร้อนใจทั้งสิ้น ภายหลังเมื่อตื่นกันขึ้นมาระหว่างที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมตัวการชุลมุนอยู่นั้นเจ้าด้วนเดินวนอยู่รอบๆคณะทั้ง15คนแสดงอาการกระสับกระส่ายอยากจะเคลื่อนที่เต็มทีมันทำท่าออกเดินไปได้7 8็แก้าวแล้วก็หยุดบ่ายหัวกลับมาอีกเหมือนจะรอและมีอาการร้องเร่งมาตลอดเวลากลางพี่ไม่อยากจะถามงโ ง, ง่ออกมาเลยนะแต่ก็อดที่จะถามไม่ได้ ในฐานะที่เธอกับลุงอินชำนาญกว่าพวกเราทุกคนให้ความหวังได้สักกี่เปอร์เซนในการที่เราจะติดตามน้อยในวันนี้อดีตพรานชดตรีตาลงขณะที่มองจับไปยังเจ้าด้วนทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความหวังของเราฝากไว้กับเจ้าด้วนตัวเดียวครับถ้าทางมันร้อนลนเหลือเกินอยากจะให้เราออกเดินท้ายเร็วที่สุดมันจะเป็นผู้นาทางเราที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าผมหรือลุงอินสะอีก แน่ใจหรือว่ามันจะนำเราไปให้พบน้อยได้ชายันย้าถามมาอีกคนหนึ่งแน่ใจอย่างที่สุดเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นท่าทีของมันบ่งบอกชัดอยู่นั่นมันรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่มันบอกเราไม่ได้เท่านั้นเราจะเริ่มกันยังไงนี่เชษฐาถามอีกเพื่อความมั่นใจเดินตามมันครับมันพาไปที่ไหนเราก็ไปที่นั่นแล้วเราจะเดินตามมันทันได้ยังไง มันจะต้องเดินเร็วกว่าเราแน่ๆแล้วไอ้ดวย น, นี่มันจะมีสติปัญญาล่วงรู้จนถึงกับว่าจะต้องเดินไปในระยะที่เราพอเดินตามทันหรือประเดี๋ยวมันก็จำอ้าวๆหายลับตาไปเท่านั้นมิกลายเป็นว่าพวกเราทั้งหมดต้องแล่นตามมันไปหรือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกในายใหญ่นั่นอินบอกต่ำๆขยับผ้าเข่ามาเคียนเอวแน่นกระชับไอ้นี่มันรู้เกินช้างป่าทั่วๆไปมากนะ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 พอใกล้รุ่ง ม, มันยังเข้ามาปลูกแบบนี้ก็แปลว่ามันรู้เกินช้างเกินสัตว์นายใหญ่ตรวจดูนหน้าขบาทให้ดีอีกครั้งยังอยู่หรือเปล่านั่นแหละสำคัญมากสำคัญกว่าลูกปืนของเราซสอีกประโยคหลังครูรานเตือนมาเชษฐาตรวจสอบอีกครั้งแล้วพยักหน้าไว้ใจเธอยังอยู่เรียบร้อยดีไม่ไปไหนหรอกว่าแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะใช้มันยังไงเมื่อไร เอาไว้ถึงเวลาเสร็จก่อนแล้วนานอินจะบอกนายเองว่าจะใช้ยังไงถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็แค่เป็นซากงูเห่าสองตัวกลืนกินหางกันเป็นวงกลมเท่านั้นแต่ถ้าถึงเวลาแล้วนายจะได้เห็นกระตาว่าฤทธิเดชของบ่วงงูที่น่าคเทวีให้นายกับพวกเรามาโดยเฉพาะนั้นน่ะจะเป็นยังไงบ้างต่อให้อีกร้อยของไอพิริมันไตรก็ไม่มีโอกาสได้พูดได้เกิดหรือทาฤทธิ์อะไรกับใครได้อีกแล้วฮ้ย hey! ไอตาพวกเองพร้อมแล้วยังนานอินตะโกนถามไปทางหัวหน้านลูกข่าวที่กําลังจัดของก็ยังรีบด่วนพร้อมแล้วลุงถ้างั้นเตรียมตัวเราจะออกเดินเดี๋ยวนี้แหละเก็บของทุกชิ้นให้หมดเราจะไม่หวนกลับมาที่นี่อีกแล้วออกเดินทางต่อไปเลยการตัดสินใจทั้งหมดฝ่ายของเชษฐามอบหน้าที่เด็ดขาดให้แก่ น, นานอินกับอนุชายอยู่แล้ว และทั้งสองก็มีการหารือกันก่อนแล้วเบาๆตามละพังทันทีที่ตื่นขึ้นมาล้างหน้าทานอาหารเดี๋ยวนี้เลยรึมันยังมืดอยู่มากนะหมอกก็ลงจัดด้วยเชษฐาขอความเห็นไม่เป็นไรครับพี่ใหญ่รีบออกเดินทางเสเดียวนี้แหละประเดี๋ยวก็สว่างเองไม่ต้องกลัวเรื่องทิศทางหรืออันตรายในความมืดเพราะเรามีเจ้าด่วนไปตัวนาอยู่แล้วมีอะไรขึ้นมันจะเตือนเราเอง ขอให้พวกเราเดินตามหลังมันเท่านั้นไปครับช้าไม่ได้แม้ความมืดและความหนาวเย็นจะปกคลุมไปทั้งราวป่าฝ่ายของเชษฐาทั้งหมืก็ออกเดินทางทันทีโดยมีเจ้าพลายหางด้วยเดินนําในลักษณะหันรีหันขวางเหมือนจะอยู่ในอาการห่วงหน้าพวงหลังนําไปนานอินและอนุชาเป็นคู่แรกที่ตามหลังไปโดยเวระยะห่างพอควรแต่ด้วยฝีเท้าที่ออกจ้าเต็มที่ เพราะช้างเดินช้าก็ยังเร็วกว่าคนที่เดินเร็วมากนะเทศถาชัยยันเคียงคู่กันโดยมีขยินคอยเดินอยู่ใกล้ๆถัดไปจึงเป็นพวกลูกหาภายใต้การควบคุมของในตาทุกคนหวังไว้ว่าอีกไม่นานก็จะเห็นแสงตะวันรุ่มในช่วงระยะเดินทางขั้นแรกนี้แหละเพราะเวลาในขณะนี้มันก็ใกล้พระอาทิตย์ขึ้นเต็มทีแล้วทาไม่ติดกิ่งใบใบหนาทึบที่บดบางอยู่ และถ้าหาทางด้านตะวันออกไม่มีขุนเขาใหญ่บังตะวันไว้ถ้าพระไม่หลุดจากคอน้อยระหว่างถูกน้ำพัดเขาจะต้องไม่เป็นอะไรอย่างเด็ดขาดพี่ชายใหญ่ของขณะเอ่ยพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองขณะสาวเท้าสวบสวกคู่ไปกับชา ย, ยันป่ารอบด้านนอกจากความมืดแล้วก็ยังปกคลุมทึบไปด้วยละอองหมอกน่าเกรงอันตรายยิ่งในการเคลื่อนที่ แต่ความมั่นใจทั้งหลายฝากไว้กับเจ้าด้วนอันเป็นสัตว์ป่าอยู่แล้วในกรณีที่โดยสัญชาตญาณป่ามันจะต้องเลือกเดินนำไปในเส้นทางที่ปลอดภัยแน่นอนรอบด้านตกอยู่ในความเงียบวางเวงคงได้ยินแต่เสียงฝีเท้าของทั้งกลุ่มสิบห้าคนเดินเหยียบพื้นกันไปอย่างพยายามให้เกิดเสียงน้อยที่สุดสลับไปกับเสียงขานขันมาแต่ไกลของไก่ป่าอันบ่งความหมายว่า สภาพไพรยอยู่ในลักษณะปกติของมันไม่มีเขาของวิกฤตใดๆที่จะแทรกแซงเข้ามารนยามนี้นานๆครั้งก็จะได้ยินเสียงนานอินตะโกน ร, ร้องสั่งการอะไรกับเจ้าด้วนหรือมิฉะนั้นก็สั่งให้มันหยุดรออย่าเมื่อมันเร่งรีบละห่างเกินไปนะักและก็มีเสียงแปรตอบมาบ้างบางขณะของช้างนำทางเสียงมันหะ ก, กิ่งไม้และเสียงที่บุกพงตัดทางซึ่งแน่ละ มันคงจะใช้วิธีลัดเส้นทางเพื่อทำเวลาให้มากที่สุดไม่ได้อาศัยเดินไปตามทางดานซึ่งนั่นก็แปลได้ชัดว่ามันรู้ตำแหน่งที่หมายของมันดีอยู่แล้วหาใช่การเดินนำงมไปอย่างเปะปะไม่วันกับคืนเต็มๆที่เขาพลัดจากเราไปชายยานเอ่ยขึ้นอย่างสุดกังวลทำลายความเงียบจากสภาพที่เดินรุดกันไปเหมือนคนใบ้ถึงแม้น้อยอาจจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ แต่ก็นึกไม่ออกว่าเขาจะหาทางยังชีพได้ยังไงจากการหลงพลัดไปคนเดียวไม่มีอุปกรณ์อะไรติดตัวเลยแม้แต่เครื่องหลังเกือบจะเรียกได้ว่าตัวเปล่ามือเปล่าจะหาอาหารกินที่ไหนจะหาที่พักนอนให้ปลอดภัยได้ยังไงฉันคิดว่าฉันไม่ห่วงอะไรนักในข้อนั้นขอเพียงอย่าให้เขาได้รับอันตรายบาดเจ็บจากการที่ถูกกระแสน้ําพัดแทงไปอย่างแรงนั้นเท่านั้น น้อยชำนาญในการดำรงชีพอยู่ในป่ามาดีพอสมควรแล้วจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาก่อนมันเป็นคราวเคราะห์อของเขาจริงๆพวกเรามาอยู่ทั้งหมดั้งหลายคนรับกลายเป็นว่ามีเขาคนเดียวเท่านั้นที่พลัดหลุดจากใต้ชะ ง, งนกำบังปลิวหายไปกับสายน้ำและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเราทุกคนโดยไม่อาจช่วยไว้ได้ทันเชษฐาตอบด้วยเสียงแผ่วครึ้มในสภาพเดียวกัน การสะกดตามหลังเจ้าด้วนไปตลอดเวลานั้นทางด้านหน้าคืออนุชาและหนานอินใช้ไฟฉายเป็นครั้งคราวเพื่อสำรวจดูภูมิประเทศใกล้ชิดรอบๆทางผ่านแล้วก็ดับมืดลงตามเดิมหรือบางทีก็ฉายย้อนหลังเป็นสัญญาณบอกทิศทางให้เชษถากับชา ย, ยันตามมาได้อย่างถูกต้องอากาศในหุบ่ามกลางพื้นแผ่นดินที่ชุ่มแฉะแม้จะเย็นเยียบสักเพียงใดก็ตาม ด้วยการออกแรงเดินกันอย่างเร่งด่วนเช่นขณะ น, นี้เริ่มทำให้ร่างกายสร้างพลังงานความร้อนขึ้นมาช่วยเกิดความอบอุ่นขึ้นสำหรับทางด้านพวกลูกหาบที่มีภาระการแบกของเดินอยู่ด้านหลังนั้นขยินกับในตาหัวหน้าลูกหาพใช้ใต้สองทางโดยจุดขึ้นสองอันเพื่อให้พวกนั้นสังเกตเห็นพื้นการไม่ให้เหยียบหินพลาดลื่นล้มเส้นทางแม้จะมองไม่เห็นโดยถนัดนะ้ ความรู้สึกของทุกคนก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นระยะที่ค่อยๆเทลาดลงไปตายตาลำดับเป็นการเดินลงเขาเลียบริมฝั่งลำธารที่มาจากน้ําตกอันตรายอื่นใดยังไม่มีวี่แววนอกจากความลื่นของสถานที่ซึ่งถ้าไม่ระวังให้ดีอาจเสียหลักถลําศรีรษะพุ่งลงไปข้างหน้าเมื่อถึงตําแหน่งที่ลื่นจัดมีเสียงของอดีตพรานชดหรือคุณชายอนุชาร้องตะโกนเตือนมา้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องนี้ เป็นการร้องบอกมาในความมืดอันมองไม่เห็นตัวแน่ชัดว่าอยู่ตรงไหนรู้แต่เพียงอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างไกลนะักทำไมเราไม่เดินไปให้ทันกลางและไปพร้อมๆกันชายยันตั้งคำถามขึ้นเราตั้งขบวนเว้นช่วงระยะการเดินอย่างนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วปล่อยให้กลางกับลุงอินนำหน้าสำรวจไปก่อนเพราะสองคนคล่องตัวกับเรามาก เกิดอะไรขึ้นเขาจะได้เตือนมาที่เราได้ทันการเอาไว้ให้สว่างมองหินอะไรได้ชัดๆเสียก่อนแล้วค่อยเดินไปด้วยกันประมาณ20กว่านาทีต่อมานับแต่แรกเคลื่อนที่ขณะนั้นใกล้6กนาฬกาเข้ามาจวนเจียนแต่สภาพของปากก็ยังคงมืดและคลุมไปด้วยหมอกอยู่เช่นนั้นฝ่ายที่เดินสาวรอยมาเบื้องหลังสังเกตเห็นไฟฉายสว่างวูบวูบขึ้น3ามครั้ง และเงาตะคุ่มของอนุชาหยุดยืนอยู่กับที่โดยไม่เคลื่อนไหวมีเปลวไลเตอร์สว่างแวบพร้อมปลายบุหรี่แดงวาบในความมืดเมื่อเชษฐานและชายยันกับขบวนตามหลังเดินมาถึงก็เห็นอดีตพรานชดยืนสูบบุหรี่รออยู่ตรงตำแหน่งโขดหินใหญ่ริมทานน้ำที่ไหลรินอยู่รินรินไม่มีวี่แววของนานอินหรือเจ้าด้วนซึ่งคงจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วก่อนที่ใครจะเอ่ยปากตั้งคาถามขึ้น อนุชาวราริ์อดีตนักเดินป่าผู้ยิ่งยงก็บอกเรียบเรียบขึ้นว่าไอ้ด้วนกับลุงอินข้ามทางย้อนกลับไปฝั่งโ น, นแล้วครับลุงอินขึ้นนั่งบนคอของมันไปมันนำตัดตรงบริเวณนี้ซึ่งน้ําตอนกลางค่อนข้างลึกระดับเกือบถึงท้องมันถ้าเราขืนตัดทางตามมันก็คงท่วมหัวน้าในทานนี้ก็เย็นราวกับน้าแช่น้าแข็งผมกาลังรอพวกเราให้มาถึงพร้อมกันซะก่อน แล้วจะหาทางที่น้ํามันตื้นกว่านี้หรือบริเวณที่มีโขดหินงอกโผล่ขึ้นจากน้ําเป็นระยะๆพออาศัยเป็นสะพานข้ามไปได้โดยไม่ต้องลุยลงไปให้เปียกรอบคอบดีมากพวกเราทุกคนไม่อยู่ในฐานน้ำที่จะลุยน้ําข้ามทานไปได้หรอกต้องหาวิธีอย่างเธอว่านั่นแหละพี่ชายใหญ่เห็นด้วยตามผมอ่ะครับอนุชาบอกแล้วเริ่มเคลื่อนที่เลาะเรียบริมฝั่งทานต่อไป พร้อมกับใช้ไฟฉายในมือส่องกราดค้นหาบริเวณที่จะข้ามฟากไปโดยไม่ต้องลุยน้ำหรือจะลุยบ้างก็ไม่ควรจะลึกเกินหัวเขา่าทุกคนตามเขาไปพร้อมทั้งช่วยกันส่องไฟตรวจบริเวณขณะนั้นเสียงกูตะโกนเป็นสัญญาณดังมาจากนานอินบอกให้ทราบว่าแกกับเจ้าด้วนข้ามทานไปอยู่บนฝั่งตรงข้ามได้เรียบร้อยแล้วรอ ก, ก่อนลุงอินอย่าเพิ่งเดินไปไหนพยายามรั้งไอ้ด้วนไว้ก่อนด้วย การชดป้องปากร้องบอกไปมีเสียงรับคํามาพร้อมกับเสียงกิ่งไม้ฝั่งโน้นหักพุ่วพระลูระเนนนั่นคงเป็นเพราะรำตัวของเจ้าด้วนที่บุกเศษสีขึ้นไปมีเสียงร้องตอบรับคํามาจากครูพรานแล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายด่าขโมงโชงเฉงเพราะเจ้าด้วนนําลุยไปตามกิ่งคาคบไม้ในระดับสันหลังของมันทําให้กิ่งใบไม้ครู่ตามหน้าตาของแก่ เกือบจะทำให้พลัดตกลงมาจากคอทุกคนทางด้านนี้ได้ยินเข้ากับหัวรอ ก, กันออกมาเบาๆด้วยความขบขันเป็นครั้งแรกในการที่แกเอตโรดาเจ้าจด้วนไม่มีใครต้องเป็นห่วงใดๆนั้นอินเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตัวแกเองก็พรานช้างเก่ามาก่อนคนหนึ่งอย่างน้อยแกก็จะต้องบังคับมันได้อยู่หรือมิฉะนั้นก็ส่งภาษากันรู้เรื่องได้โดยเฉพาะช้างแสนรู้ตัวนั้น ไปด่ามันมากๆระวังมันจะสลัดลงมาจากหลังแล้วเอาตีนคลึงเซนะลุงชา ย, ยันป้องปาตะโกนบอกไปเพื่อทำสภาพอันเคร่งเครียดของคณะให้คลื่นเครงครขึ้นมาบ้างไม่ต้องกลัวรอกนายทหารนานอินถ้าได้ขึ้นมาบนคอช้างแบบนี้แล้วต่อให้มันเป็นช้างป่า ด, ดุร้ายเกเรสักขนาดไหนนานอินก็เอามันอยู่ถ้าไม่กลัวพ่อเจ้านายจะหาว่านานอินเอาเปรียบ นายอินจะไม่ลงไปเดินให้เมื่อยอีกแล้วจะขี่คอมันไปเอาเปรียบกันอย่างนั้นไม่ได้นะลุงถ้ายัางไงแล้วก็ให้ฉันกับนายใหญ่ขึ้นไปอยู่บนหลังขี่มันไปโดยไม่ต้องเดินส่วนลุงกับพรานชดและไอ้พวกนี้เดินตามไปจะดีกว่าเสียงครูพรานหัวเราะลั่นมานอกจากนายินกะนานอินแล้วไม่มีใครขึ้นมาอยู่บนหลังไอ้ดวนได้นานรอกนายทหารไอ้นี่มันร้ายนะ ชอบเดินลอดกิ่งไม้เตี้ยๆ เ, เสมอหลังของมันใครไม่รู้ทันขืนขึ้นมาอยู่บนหลังมันก็ถูกกิ่งไม้กวาดตกลงไปคอหักตายเท่านั้นแต่กี้นานอินก็เกลือกพัดตกลงไปทีแล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมาระหว่างที่เดินฉายไฟส่องตรวจหาบริเวณที่จะข้ามฟากโดยไม่ต้องลุยน้าลงไปลึกๆอนุชาก็ค้นพบบริเวณที่ทางน้ําหลามีระยะบีบแคบส่วนหนึ่ง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 คงไม่มีที่ไหนจะสรดวกไปกว่าตรงนี้อีกแล้วครับเราจะข้ามกันที่นี่แหละโดินสายเหยียบไปตามโขดหินแต่พวกลูกหาบที่หับของอยู่จะต้องระวังให้มากตกลงเชษฐาพยักหน้าเห็นด้วยพี่ใหญ่กับชา ย, ยันข้ามไปก่อนนะครับแล้วช่วยฉายไฟไว้ด้วยผมจะคอยคุมพวกลูกหาบให้ข้ามตามไปโดยยืนคุมอยู่ฝั่งนี้ก่อนแล้วจะตามไปเป็นคนหลังสุดพรานชดว่าแล้วหันไปร้องสั่งความกับขยินและนายตา ตัวอืดใจใหญ่คณะทั้งหบดกก็สามารถข้ามฝั่งธารมายัางด้านตรงข้ามได้หมดอย่างทุลักทุเลเล็กน้อยโดยเฉพาะพวกลูกขาวที่ทาหน้าที่แบกของอันเป็นภาระหนักอยู่เกือบจะเสียหลักพลัดตกลงไปในกระแส น, น้ำอันแสนเย็นแต่ขยินและอนุชาก็คอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประครับประคองพยุงให้พวกนั้นนำสัมภาระได้ตัวเองข้ามไปจนได้ครบ มันเป็นเวลาเดียวกันกันกนกบที่เจ้าด้วนและครูพรานโปล่เป็นเงาทมึนออกมาจากโขดหินริมฝั่งทานเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าขบวนของทุกคนเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งพอเข้ามาถึงนานอินก็ออกเสียงบงังคับให้เจ้าด้วนคุ้เข่าหน้าลงแล้วแกก็ไต่ลงมาจากคอของมันขณะนั้นความดำสนิทของรา ป, ป่าที่เป็นฉากกำบังอยู่เริ่มจะปรากฏแสงสลัวรางขึ้นบ้างแล้ว พอจะมองเห็นร่างกายของแต่ละคนลางๆในระยะที่ยืนรวมหมู่กันอยู่สังเกตได้ว่าใครเป็นใครอละล่ะตะวันเริ่มขึ้นแล้วต่อไปจะสะดวกขึ้นอีกมากในการเดินทางของเราหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างยินดีแล้วตัวเขาเองก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าช้างป่าแสนรู้อีกครั้งเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยนกับมันว่านำทางต่อไปเถิดด้วน เจ้าตัวเดียวเท่านั้นที่รู้ดีว่าขณะนี้นายหญิงอยู่ที่ไหนเจ้าด้วนแกว่งงวงถอยหลังเล็กน้อยแล้วเบนตัวออกเดินเข้าพงรอกชัดทุกคนก็เคลื่อนตามชา ย, ยันร้องตามหลังมันไปว่านําไปให้พบนายหญิงนดโว้ยไอ้คุณด้วนไม่ใช่นําไปป่าช้าช้างหรือแหล่งขุมมหาสมบัติที่ไหนสั่งกันซสก่อนเจ้าด้วนไม่ได้ตอบคําของชา ย, ยันเพราะมันพูดไม่ได้ แตใช้เท้าหลังเขี่ยก้อนกรวดขนาดย่อมๆเท่ากำปั้นลูกหนึ่งกระเด็นวื้อมาทางเบื้องหลังซึ่งมีชายยานอยู่ใกล้ส่วนหลังของมันที่สุดเฉียดหัวเข้าไปนิดเดียวกระทบกับหีบห่อสัมภระที่พวกลูกหาบกําลังหาผามกันอยู่ดังปึกชายยานร้องวากด่าลั่นป่าก้มลงคว้าก้อนหินขึ้นมาได้ก้อนหนึ่งคว้างเป็นการแก้แค้นไปที่บั้นท้ายของมันเต็มเนียวกระทบขาหลังเจ้าด่วนดังปุ๊ แต่มันไม่ได้ระคายผิวสะดุ้งสะเทือนอะไรเลยไอเวนไอเปรตหางด้วนสันดานอันตรพาณไม่หายนี่เองกะจะเอาหินเข็นกระบาลฆ่าเชระไอ้นี่รู้งี้พ่อไม่ช่วยเองขึ้นมาจากหลม่มโคลเซรูแล้วรู้รอดปล่อยให้ติดแงกตายอยู่ในปลักเลนนั่นก็จะดีรอกทุกคนพากันหัวดรอได้อีกครั้งแม้กระทั่งพวกลูกหาาเชิถาตบต้นคอสหายเขาเบาๆพูดยิ้มๆว่า นี่ไม่มีใครจะชวนทะเลาะแล้วเหรอชายันถึงหาเรื่องทะเลาะกับไอ้ด้วนประเดี๋ยวมันมันไส้แกขึ้นมาแกล่งเดินอ้าวไปโดยไม่รอเราก็ต้องวิ่งตามมันตาปลิ้นไปเท่านั้นไปย่าม่วแต่ไร้าสาระไม่เป็นประษาอยู่เลยป่านนี้น้อจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ชายันเองก็หัวเร้อนคือๆโคลงหัวด็กนึกไม่ถึงว่าไอ้ด้วนจะมีทีเด็ดถึงขนาดนี้นอกจากจะเกเรแสนรู้ไปสารพัดอย่างแล้ว มันยังมีนิสัยทะลึ่งขี้เล่นบางทีอาจเหมือนเขาก็ได้กระมังร่างใหญ่โตปานภูเขาย่อมๆนั้นแวกพงรกลู่เป็นทางประดุดเรือนําร่องล่วงหน้าไปก่อนช่วยฝ่ายมนุษยที่เดินตามหลังผ่านหนทางที่มันเปิดเอาไว้เข้าไปได้โดยสะดวกลักษณะของมันบ่งชัดว่ามีเป้าหมายที่แน่นอนในการไปเพียงแต่บางขณะอาจหยุดหันรีหันขวางเพื่อจะคิดหาหนทางเดินบ้างเท่านั้น ในกรณีที่มาประจันกันกับป่าเถาวัลย์อันเกาะเกี่ยวพันกระ น, นาดแน่นเกินไปสุดกำลังที่มันจะนำร่างกายอันใหญ่โตผ่านเข้าไปได้ซึ่งมันจะเลือกหนทางที่ไปได้ง่ายกว่าและจากการตรวจสังเกตของอนุชากับนานอินบุคคลทั้งสองบอกกับคณะทั้งหมดได้ใดทันทีว่าอาการเดินนำของไอ้ด้วนไม่ได้เป็นการนำอย่างทรงเดชแน่นอน มีอยู่หลายครั้งที่มันหยุดและชูว ง, วงร่อนขึ้นสูงสายไปมาเหมือนจะสูดหากลิ่นไออะไรบางอย่างไม่ผิดหวังหรอกครับอย่างน้อยที่สุดเราก็จะต้องได้ร่องรอยอะไรของน้อยเพิ่มขึ้ น, นแน่ในวันนี้ผมรู้สึกจากอาการของมันว่ามีเจตนาที่แน่วแน่ไม่แพ้พวกเราเลยในการค้นหาตัวน้อยพี่รู้สึกเช่นนั้นแหละมันน่ารักเหลือเกินเจ้านี่ เสียดายที่เมื่อวานนี้มันไปถูกขโขงช้างของมันไตรช่วยกันผลักลงไปติดล่มโครนหวังค่ายตายซะก่อนถ้ามันไม่ติดลมพี่คิดว่ามันคงตามพบน้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเชษฐากระซิบตอบความเชื่อมันเริ่มทวีขึ้นตามลำดับอะไรก็ช่างเถอะอย่าผ่านนำพวกเราเข้าไปในดงนามพุงดอหรือรังตังช้างก็แล้วกันเพื่อนผู้ร่วมตายของพี่น้องราชสกุลวราริศ อดไม่ได้ที่จะบ่นออกมาเบาๆมันไม่งงเหมือนแกร็อกชยันไม้ที่เป็นอันตรายต่อคนก็เป็นอันตรายกับมันเหมือนกันเรื่องอะไรที่มันจะฝ่าเข้าไปให้ฉลาดน้อยพรานชดบอกมาเบาๆอย่างรำคาญใจใช้ยันยักไหล่นิดหนึ่งแล้วหุบปากลงได้แสงสว่างเริ่มเพิ่มขึ้นทุกขณะเมื่อเวลาผ่านไปและในที่สุดก็สามารถจะมองเป็นสัญลักษณ์แห่งอรุโดทยเด่นชัด จากลาแสงของระวีที่ส่องลอดกิ่งไม้หนาทึบเนื้อศีสษะขึ้นไปเสียงนกยูงและชนีร้องแววแววมาจากยอดไม้แห่งใดแห่งหนึ่งบางขณะก็ได้ยินเสียงกระพือปีกตัดอากาศอยู่ว่าๆของฝูงนกเงือกที่บินอยู่เหนือยอดป่าผ่านศีษะไปเส้นทางไหลบ่าผ่านมาในระดับสูงของกระแสน้ำที่ทำนกแตกเมื่อคืนวาน ยังสังเกตเห็นได้าตามแนวส่วนสูงของลำต้นไม้ใหญ่ๆอันมีเศษวัชพืชเศษดินปลิวตามน้ำที่ไหลท่วมมาขึ้นไปติดค้างอยู่ขยินที่เชตฐานและชัยยันดูส่วนอนุชาและนานอินซุบซิบ ห, หารือกันไปตลอดเวลาพร้อมกับตรวจสังเกตทุกระยะโชคดีอย่างมากที่ทั้งคณะมีเจ้าด้วนเป็นมคัคุเทศนาทางจึงไม่จาเป็นจะต้องตรวจค้นหาร่องรอยของดารินรวราริทด้วยตนเอง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 จากความหนาวเย็นกลายมาเป็นความร้อนระอุอ้าวเงือเริ่มผุดซึมไปหมดทุกคนเส้นทางเดินยังอยู่ในเขตปา่าดึกดำบรนที่ขึ้นหนาทึบไปด้วยไม้ใหญ่แทบจะมองไม่เห็นท้องฟ้าโดยมีเจ้าด้วนเดินนำดุมๆอยู่เบื้องหน้าบางขณะมันก็ลับหายไปเพราะมันเดินได้รวดเร็วกว่าฝ่ายมนุษย์บางขณะก็ปรากฏให้เห็นบั้นท้ายแต่ความฉลาดเยี่ยมของมันก็คือหากยามใดมันลับหายไปจากสายตา ก็จะใช้วิธีหักกิ่งไม้ไว้เป็นสัญญาณให้เห็นได้ราวกับพรานนำทางชั้นดีทันทีที่ส่วนมากแล้วก็จะปรากฏรอยเท้าตามธรรมชาติของมันเดินให้เห็นแกะรอยง่ายอยู่แล้วแต่ก็ยิ่งดีหนักขึ้นไปอีกป้องกันไม่ให้ช้างป่าอื่นๆเข้ามาสมรอยได้เพราะในอาณาจักรพรายอันตรายเช่นนี้ไม่ได้มีมันซึ่งเป็นช้างอยู่เพียงตัวเดียวมันจึงทำสัญญาณไว้ด้วยการหักทึ่งกิ่งไม้ที่ผ่านชั่วโมงที่สี่ ป่าเริ่มจะโปร่งขึ้นเล็กน้อยเสียงไอ้ด้วนฟาดงวงอยู่ตูมตามกับพงไม้ข้างหน้าแล้วส่งเสียงร้องยาวกล้องทุกคนที่เดินตามมันไปโดยไม่เห็นตัวเพราะมีเนินปลวกกับแนวพงไม้เล็กๆขึ้นบางทึบไปหมดสลัดไรเฟิรลงจากไหล่เตรียมพร้อมเงี่ยหูมีอะไรผิดปกติขึ้นแล้วครับพี่ใหญ่อนุชาบอกแผ่วต่าพยายามคลำหาที่มาของเสียงและคาดคะเนให้ได้ว่า มันควรจะอยู่ตำแหน่งใดด้านหน้าในขณะนี้เงียบไปอึดใจเสียงของมันก็แฝงยาวขึ้นอีกมันร้องเรียกพวกเรานายอยู่ทางด้านซ้ายมือหลังเดินปลวกลูกโน้นแน่ๆ น, นานอินบอกเร็วปรือและออกสาวเท้านำไปทันทีอย่างรวดเร็วอนุชาติดหลังไปอย่างกระชันชิดเชษฐาชัยยานถือปืนในท่าพร้อมจะประทับขึ้นไหลนาพวกลูกหาเว้นระยะพอสมควร ติดตามเข้าไปโดยไม่ชักช้าอืดใจเดียวก็มีเสียงนานอินซึ่งวิ่งคู่กันไปกับพรานชดก็ตะโกนลั่นบอกมาว่าเสือนายเสือใหญ่นอนตายอยู่ตรงนี้เ <c oughs> มื่อทุกคนอันตามหลังพา ก, กันแล่นเข้ามาถึงพบเจ้าด้วนยืนสายไปมาอยู่โคนไม้ใหญ่ขนาดหลายคนโอบต้นหนึ่งส่งเสียงร้องกึกก้องโกจนจนนาดอยู่เช่นนั้นและเสียงพูดกันบงเบง ฟังไม่ได้สับของนานอินกับผรานชดที่เข้าไปมุงอยู่กับอะไรชนิดหนึ่งซึ่งกองยาวเหยียดอยู่กับพื้นเชษฐาชา ย, ยันขยินและลูกหาบทุกคนเบิกตาโพลงเมื่อมองเห็นได้ถนัดว่ามันคือเสือใหญ่ขนาดแปดซอกเท่าทากับเสือแบ่งกอนอนตายอยู่ห่างจากโคนต้นไม้ใหญ่นั้นประมาณ 5-6 วาพงวัชพืชบริเวณใกล้เคียงกับซาที่มันนอนอยู่ แหลกกระจุยกระจายด้วยแรงดิ้นและเลือดซึ่งบัดนี้เป็นสีคล้ำแล้วกองเรียราดอยู่กับใบไม้แห้งอะไรกันนี่มันเป็นยังไงมายังไงเชษฐาหลุดปากอุทานอนุชากับนานอีที่เข้ามาถึงก่อนและคงได้พิจารณาไว้ก่อนแล้วชี้ไปที่บริเวณศีรษะระหว่างช่องตาของมันรอยกระสุนปืนพกเจาะเข้ากลางกะโหลกพอดีครับพี่ใหญ่ วิธีกระสุนยิงจากที่สูงเพราะมีทางออกของหัวกระสุนต่ำกว่าคอด้านล่างของมันเล็กน้อยในมุมกดเฉียง25องศาจากด้านบนลงมาราชสกุลผู้เป็นพี่ใหญ่ของคณะจ้องตามการชี้บอกนั้นขมิงพลางคุกเข่าลงพิจารณาใกล้ๆเมมริฟิปากแน่นใบหน้านเคยหมองคล้ำซีเซีวบัด น, นี้เริ่มปรากฏสีเลือดดวงตาเป็นประกายขึ้นส่วนชายยานร้องออกมาว่า ใครยิงไว้น้อยเหรอไม่มีปัญหาน้อยแน่ๆเราพบร่องรอยของเขาแล้วและมันแสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่แน่นอนอนุชาบอกมาเร็วปรือล่างแงนขึ้นไปสำรวจยังบริเวณส่วนสูงของต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นซึ่งบริเวณเหนือพื้นขึ้นไปราวสี่ห้าวามีกิ่งเทาวันพันกันไปลักษณะซุ้มกระเช้ากึ่งกลางต้นเชษฐาใช้มือที่สวมถุงหนังจับที่ขาเสือใหญ่ตัวนั้น ตัวของมันแข็งไปหมดแล้วแต่ยังอยู่ในลักษณะที่ขึ้นอืดแล้วก็หันไปพิจารณารอยหัวกระสุนที่ทะลุผ่านเข้าสมองอย่างแม่นยำในมุมที่ยิงลงมาจากเบื้องสูงหัวกระสุนไม่ฝังในหากแต่ตีแหวกทางออกใต้ซอกคอบาดแผลไม่ใหญ่นักทั้งทางเข้าทางออกมันจะต้องเป็นหัวกระสุนจากปืนพกสั้นขนาดจด357 m a g n u um, แบบหัวกรวยฝาชีแน่นอน ซึ่งทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นอาวุธประจำตัวชนิดเดียวที่ดารินมีติดเอวอยู่ระหว่างที่น้ำพัดร่างกายหลอนหายไปเสื้อตัวนี้ถูกปืนตายอยู่ตรงนี้มา น, นานสักเท่าไหร่แล้วท่านหัวหน้าคณะถามขึ้นระหว่าง2 4ถึงหชั่วโมงครับพี่ใหญ่แต่ไม่เกินสาสิบชั่วโมงมันก็แปลว่าวันเต็มๆ ม, มาแล้วอาจเป็นตอนเช้าของเมื่อวานนี้เธอสนิฐานยังไงกลาง อนุชามองไปที่ซากเสือบริเวณใกล้เคียงแล้วเงยขึ้นไปสำรวจบนคาคบไม้ใหญ่ตรงบริเวณซุ้มเถาวัลกลางต้นอีกครั้งปา ก, ก็บอกช้าๆว่าเมื่อแนวกระสุนยิงลงมาจากที่สูงก็แน่นอนว่าน้อยจะเที่งต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้บนต้นนี้เห็นไหมครับระดับน้ําไหลผ่านมันอยู่ตรงบริเวณกระเช้าของเถาวัลกลางต้นนั่นพอดี ผมเข้าใจว่าน้อยคงจะต้องถูกน้ำพัดลอยมาติดอยู่ตรงกระเช้านั่นส่วนไอเสือตัวนี้ย่องมาตามพื้นและมองเห็นเหยื่อติดคาซุ้มเถาวันอยู่ขนาดนั้นน้อยจะต้องรู้ตัวเพราะถ้าไม่รู้ตัวก็คงยิงมันไม่ได้หรอกเขาอาจกำลังจะหาทางไต่ลงมาพอดีเห็นเสือตัวนี้นั่งเฝ้าอยู่ก่อนผมเดาไม่ถูกแต่เพียงว่าระหว่างตัวเขากับเสือใครจะเห็นใครก่อน การยิงเป็นการยิงในขณะที่มันกระโจนขึ้นใส่หรือว่ายิงในระหว่างมันหมอบจ้องคอยทีอยู่แต่ที่แน่ๆก็คือน้อยวางกระสุนเข้ากลางแสกหน้าพอดีและมันตายคาที่อยู่ตรงนี้มันต้องแสดงว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะของเขาจะต้องสมบูรณ์และจะต้องไม่ได้รับอันตรายใดๆมากนะัะมิฉะนั้นจะยิงเสือตัวนี้ไม่ได้มันอาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่าน้อยถูกกระแสน้ําพัดลอยลิ้วมาติด หลบอยู่บนซุ้มกระเช้าเถาวรโน่นซึ่งเป็นตาข่ายรองรับตัวเขาไว้ได้อย่างพอดีพอตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาจะหาทางลงก็พอดีกับที่มองลงมาเห็นเสือเจ้ากรรมตัวนี้พอดีจึงจำเป็นต้องยิงใช่แล้วในชดเซยงนานอินร้องตื่นเต้นใหม่คนขณะที่ก้มก้มเงยเงยอยู่อย่างบริเวณหนึ่งห่างออกไปเล็กน้อยซึ่งเป็นพื้นดินแฉะชุ่ม มีรอยเท้านาะยหญิงชัดเจนเหลือเกินเดินไปเพียงคนเดียวทางด้านนี้อนุชาพเพ็นพรวดเข้าไปเสียงเจด้วนร้องแปรนยาวขึ้นอีกทำท่าจะออกเดินนำต่อแต่นานอินตะวาดไว้สั่งให้มันหยุดรอก่อนเชษฐาชัยยันขยินและพวกลูกหาบทุกคนปลดหาบลงจากบาชั่วกราวแล่นพลูกันเข้าไปดูแล้วชยโยโหร้องกันอย่างดีใจชัดเลยนาย รอยเท้าของนากหญิงแน่นอนเดินไปทางทิศนี้แหละราชสกุลหนุ่มใหญ่พี่เอื้อยสุดของคณะหัวใจพองโตสีหน้าสดใสขึ้นทันทีชายยันก็แทบกระโดดตัวลอยน้อยอยู่ที่ไหนนี่มันรอยรองเท้าของน้อยชัดเจนเหลือเกินเขาไต่ลงมาจากซุ้มเถาวัลย์ของต้นไม้นั่นหลังยิงเสือตัวนั้นแล้วก็เดินโตเต๋ไปคนเดียวระยะมันห่างกันเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น ที่เรามาพบหลักฐานนี่หลักฐานการยิงเสือไว้ก็ดีการไต่เาวันลงมาถึงพื้นก็ดีและการออกเดินไปก็ดีมันแสดงว่าน้อยยังมีชีวิตอยู่ร้อยเปอร์เซนเต็มและไม่เป็นอันตรายอะไรด้วยสังเกตจากรอยเท้าที่เดินไปอย่างสม่ำเสมอไม่มีรอยขยเเยกตุกปัดตุเปะล้มลุกหรือคลานไปเลยทุกคนกาลังเต็มไปได้วยความปิติยินดีตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าว จากหลักฐานชิ้นใหม่ที่เห็นในเวลาเกือบเที่ยงวันของวันนี้นอกเหนือจากการพบห่อสัมภาระที่หลุดไปตามกระแสน้ําพร้อมกับร่างของน้องสาวคนเล็กซึ่งพบก่อนแล้วเมื่อวานและจากหลักฐานส่วนประกอบแวดล้อมอื่นๆที่ค้นพบในบริเวณนี้มันพิสูจน์ชัดว่าดารินทร์วราริศยังไม่ได้รับอันตรายใดๆมากนะักจากอุปตว่เหตุเกิดโดยอุทกภัยที่ไหลโกรกลงมาจากขุนเขาใหญ่เมื่อคืนวันซื่น เชิดฐานแน่นมือหนึ่งกำต้นแขนของอรุชาอีกข้างหนึ่งกำต้นแขนชยันบีบแน่นกายสั่นเทาด้วยความโศมนัดยิ้มออกมาทั้งน้ำตาที่คลอซึมอยู่ในเบ้าพึรรมพำว่าน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเธอจริงๆเธอยังมีชีวิตอยู่เห็นหลักฐานเพียงแค่นี้พี่ก็ดีใจที่สุดแล้วเราต้องพบกันแน่ แล้วเขาก็หันไปทางนานอินที่กำลังสาวรอยห่างออกไปราว10บเมตรร้องถามว่ารอยเท้านายหญิงเดินไปทางนั้นโดยตลอดหรือลุงอินครับนายนายหญิงบ่ายหน้าไปทางนี้แหละคิดว่าห่างกันเพียงแค่วันเดียวคงยังไปไม่ไกลนักหรอกเราต้องตามทันได้แน่รอยชัดเจนเหลือเกินเรากระชั้นชิดเข้ามาแล้วกลางเธอมีความคิดยังไงต่อไป ไม่น่าจะเกินค่ำวันนี้แหละครับที่เราควรจะต้องพบน้อยหรือมิฉะนั้นก็กระชันใกล้กันเข้าไปที่สุดเพราะคิดเทียบระยะเวลาแล้วขณะที่เรามาพบร่องรอยเขาตรงนี้ห่างกันเพียงแค่ไม่เกิน30ชั่วโมงเท่านั้นน้อยจะเดินไปได้ไกลสะแค่ไหนในระยะเวลาเพียงแค่นี้ดีไม่ดีอาจยังตุลัดตุเรอยู่ในละแวกใกล้เคียงนี่แหละผมขออนุญาตลองยิงเรียกดเสียงปืนดูก่อนนะครับเอาเลยยิงขึ้นฟ้าสามนัด เสียงเฉยยันร้อสนับสนุนมาอย่างลิงโลดพรานชดชักปืนสั้นจุดสี่สี่ขึ้นมาจากซองข้างเอวง้างนกขึ้นชูลํากล้องขึ้นฟ้าแล้วเหนี่ยวไกตูมสนันวันไว้ไปทั้งราวป่าโดยเว้นระยะห่างกันต่อ น, นัดประมาณห้าวินาทีแล้วลดปืนลงทุกคนเงียหูเสียงปืนดังมากเหลือเกินในพงทึบระหว่างหุบเขาเช่นนี้ตา่างวางไว้ว่า ถ้าหม่อมราชวงศ์สาวอันเป็นน้องเล็กผู้พัดพรากไปอยู่ในละแวกที่ได้ยินเสียงปืนก็คงจะต้องยิงปืนตอบรับมาแน่นอนหนึ่งนาทีเต็มๆที่ทุกคนแทบไม่ยอมหายใจรอฟังเสียงอยู่ปรากฏว่าเงียบกริบไม่มีเสียงปืนจากที่ใดตอบมาให้ได้ยินเลยชายันนาเสียเล็กน้อยแต่เชษฐายังมีสติมั่นคงดีอยู่เหมือนเดิมร้องปลอบใจทุกคนว่า ไม่เป็นไรน้อยอาจอยู่ห่างเกินระยะเสียงปืนก็ได้เพราะป่ามันเต็มไปด้วยเหลี่ยมเขาบางถ้าเขาอยู่ห่างจากเราเกินกว่า 7-8 ถึงกิโลก็ไม่ได้ยินแล้วเข้าใจว่าพอลงจากต้นไม้ได้น้อยก็คงจะบ่ายหน้าออกติดตามหาพวกเราเหมือนกันคงไม่เดินงมหลงป่ากระเซิรกระเซิร์ไร้จุดหมายอยู่หรอกเพราะเขาก็มีความสามารถในการเดินป่าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันสาคัญที่สุดก็คือ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 พรานชดโบกมือเป็นสัญญาณไปที่หนานอินซึ่งไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วใกล้ๆกับเจ้าด้วนครูพลานก็ออกคำสั่งกับช้างป่าผู้พักดีตอดารินทันทีไปไว้อยไอ้ด้วนตามนายหญิงให้พบเองทําได้ดีมากที่สุดแล้วที่พามาเจอรอยนายหญิงที่นี่แม้จะยังไม่พบตัวก็นับว่า น, น่าวิเศษ ส, สุดเจ้าด้วนร้องลั่นยาวสนานไปทั้งป่าอีกครั้งสะบัดงวงกวัดแกงชูร่อนไปมา พลก็พานำรุดหน้าพรวดพรวดไปโดยเร็วจนฝ่ายมนุษตามแทบไม่ทันเสียงชายยันเอะขึ้นมาอีกแต่อนุชาตบหลังไว้ด้วยฝ่ามือหนักๆปล่อยมันล่วงหน้าไปก่อนเถอะชายยันถึงยังไงเราก็แกะรอยเท้าของมาและรอยเท้าของน้อยได้อยู่แล้วรับรองว่าไม่มีวันพลาดกันหรอกระหว่างเรากับไอ้ด้วนบางทีมันคงอยากจะไปถึงตัวน้อยโดยเร็วที่สุดก็ได้และถ้าเจ้าด้วนพบน้อยได้เร็วก่อนเราเท่าไหร่ ก็แปลว่าเขาจะยิ่งปลอดภัยเร็วขึ้นเท่านั้นดีไม่ดีเวลามันเดินสวนทางกลับมาหาเราอาจมีน้อยนั่งอยู่บนคอพร้อมด้วยก็ได้คําพูดของอนุชาทําให้ชัยยานเห็นด้วยและสงบความวุ่นวายลงได้ขณะของเชษฐารุดหน้าต่อไปตามรอยเท้าของดารินที่ปรากฏให้เห็นเป็นระยะระยะอันก่อให้เกิดความหวังอย่างเต็มที่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 บัดนี้ทุกคนเดินตัดลงท้องทุ่งหญ้ายอย่างเร่งด่วนโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอาหารเที่ยงการสาวรอยปรากฏหลักฐานแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าหม่อมราชวงศ์ดารินวราริศเคลื่อนหน้าบ่ายทิศทางไปทางด้านไหนบ้างเพราะนอกจากรอยเท้าที่ค้นพบเป็นระยะตลอดจนร่องรอยอื่นๆเจ้าดวนก็ยังเป็นมัก ค, คุเทศนาตามรอยของราชสกุลสาวไปอย่างแม่นยายิ่งโดยเป็นที่เชื่อแน่ว่าจะไม่มีวันผิดพลาด ทุกระยะทุกตอนในเขตท้องทุกที่น้องสาวคนเล็กของคณะผ่านไปเมื่อวานนี้ถูกค้นพบหมดอย่างไม่ตกหล่นยิ่งสร้างกำลังใจและความยินดีให้แก่คณะของเชษฐาเพิ่มขึ้นทุกขณะเทะ่ากับที่ก็เกิดความกระวนกระวายใจไปพร้อมกันเนื่องจากชายยันจะยิงปืนสั้นขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณเรียกขึ้นทุกๆครึ่งชั่วโมงของการแกะรอยนั้นแต่ก็ไม่ปรากฏวี่แ ว, ววว่าจะมีเสียงปืนหรือเสียงอื่นใดตอบรับมา ให้ฝ่ายติดตามได้ยินบ้างเลยมันเงียบกริบอย่างเต็มไปด้วยปริศนาหน้าคิดทุกคนมีความเห็นอย่างเดียวกันหมดว่าจะต้องสารอยกระชันชิดไปให้ถึงที่สุดเพราะลงได้พบหลักฐานสดๆร้อนๆชัดอยู่แล้วเช่นนี้มันย่อมยากที่จะคลาดเคลื่อนออกไปได้เป็นไปได้ไหมกลางในการที่น้อยพยายามจะจับทิศเดินย้อนขึ้นไปหาพวกราวทางต้นทาง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 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดอุปตวเหตุขึ้นเมื่อคืนวานซือที่ผ่านมาก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้อยจะแม่นในด้านทิศทางนะักอีกประการหนึ่งเขาก็ต้องคิดว่าพวกเรากำลังออกติดตามค้นหาเขาอยู่เหมือนกันถึงแม้น้อยจะมุ่งเข้าหาต้นแหล่งที่เขาถูกน้ำพัดมาเขาก็น่าจะรู้ว่าแม้จะไปถึงที่นั่นก็ต้องไปพบพวกเราแน่นอน เพราะเราก็ต้องเคลื่อนย้ายออกตามเขาเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าพวกเราบ่ายหน้าติดตามเขาทางด้านไหนบ้างแต่ทางด้านเราได้เปรียบแล้วเนื่องจากรู้ทางไปของเขาโปรดอย่าวิตกหรือคาดการณ์อะไรให้ยุ่งสมองในขณะนี้เลยครับเอาเป็นว่าเราสะกดรอยตามหลังรอยเท้าเข้าไปทุกระยะก็แล้วกันโน่นลุงอินโบกมือมาโน่นแล้วอดีตพรานชดบุยปาก ทุกคนเงยหน้าเหลียวหาก็เห็นนานอินซึ่งเดินติดหลังเจ้าด้วนอันมักจะนำหน้าไปก่อนไกลลิฟ์ปรากฏอยู่บนเนินลูกหนึ่งห่างออกไปประมาณ60เมตรขณะนั้นแกกำลังโบกมืออยู่ย้อยๆและตะโกนอะไรออกมาฟังแว่วๆไม่ถนัดดูลูกอินสิวิทยุมีไว้ประจำตัวอยู่แล้วแกก็ไม่ยักพูดวิทยุบอกมาดัานตะโกนเย่เยอยู่ได้ชัยยันบน เชษฐาชูวิทยุในมือขึ้นให้แกเห็นแล้วทำสัญญาณชี้ไปที่เครื่องรับส่งอาการของแกจึงดูเหมือนจะนึกขึ้นมาได้ถ้าทางค้นหาไปทางย่ามอึดใจต่อมาแกก็เปิดสวิตช์กดคีย์พูดมาเสียงดังอ้าวไปหมดจากเครื่องรับของฝ่ายนี้ตามมาทางนี้เร็วนายหลังเดินที่หนานอินยืนอยู่มีปากกล้วยมีรอยนายหญิงเดินเข้าไปในปากกล้วยที่เห็นอยู่โน่นไอ้ด้วนนาดุมเข้าไปก่อนแล้ว ข้างนั้นอินเมื่อเห็นทุกคนบ่ายหน้ามุ่งมาตัวแกเองก็เดินรับลงเนินไปก่อนทันทีแล้วชั่วไม่นานคณะติดตามทั้งหัวก็เข้ามาพบกับหลักฐานการมาหยุดหาอาหารประทังชีพของน้องสาวคนเล็กภายในปากกล้วยที่ออกเครือสุกเหลืองอารามอันขณะนี้เต็มไปด้วยฝูงนกบินว่อนนั้นอินนำมาพบแม้แต่รอยเครือกล้วยที่ถูกตัดไว้และบริเวณที่หล่อนมานั่งพัก นายหญิงรู้จักการเดินป่ารู้จักหาอาหารนี่นายหญิงรู้ได้ยังไงว่ามีป่ากล้วยอยู่ที่นี่นานอินร้องออกมาอย่างยินดีเมื่อนำให้ฝ่ายเจ้านายทั้งหมดมายืนอยู่เหนือบริเวณหนึ่งอันเป็นรอยลงนั่งพักอีกครั้งหนึ่งของดารินมันเป็นรอยพักที่นานพอสมควรทีเดียวเพราะมีใบตองที่ตัดไว้รองปูอยู่กับพื้นเพื่อใช้เป็นที่รองนั่งโล่งอกไปอีกเปาะหนึ่งแล้ว ครั้งแรกได้น้ำต่อมาก็ได้อาหารประทังชีพชายยานเอ่ยขึ้นแผวตำ่ำทุกคนมองหลักฐานที่บ่งชัดนั้นอย่างพอใจพยายามช่วยกันตรวจหาร่องรอยว่าจะมีเหตุเพศภยัยใดๆเข้ามาแทรกในระหว่างที่ดารินนั่งพักอยู่ในบริเวณนี้บ้างหรือไม่ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกตินอกจากสภาพการที่ทิ้งร่องรอยไว้ว่าได้พลัดหลงมาตามลพังคนเดียวและใช้สติ ป, ปัญญาไหวพริบที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ประกอบกับความรู้ในการเดินป่าอันเคยช่ำชองมาแล้วในอดีตแสวงหาการยังชีพให้พอประทังรอดไปได้ยังเลือดนักสู้ใจเด็ดผู้ไม่ยอมท้อถอยชะตากรรมพี่ชายทั้งสองสีหน้าดีขึ้นเป็นลำดับเทธฐา น, นั้นคั่วคุมสติได้แล้วนัำตั้งแต่ได้ติดตามรอยของน้องสาวคนเล็กมาและเห็นมาเป็นระยะ ะ, ยะพี่มีคิดเลยว่าน้อยจะเก่งถึงขนาดนี้ท่านหวนหน้าคณะพิมพาแผ่วเบากับตนเอง แม้จะห่วงกังวลก็ยังอดภาภูวงใจเซมิได้ก็คงไม่เสียแรงหรอกครับที่เป็นลูกศิษย์คนชื่อระพินไพรวันอนุชาเอ่ยขึ้นหน้าเรียบเฉยพรางก็ตรวจไป ร, บรอบๆโดยแยกไปคนละด้านกับนานอินส่วนเจ้าด้วนก็เลยถือโอกาสนั้นหักทึ่งเครือกล้วยใส่ปากเคี้ยวกลัว ก, วกๆทั้งเครือไม่เลือกวันดิบหรือสุกมันคงต้องการอาหารเช่นนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาน้อยมาพักนอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่า เชษฐากระซิบปรึกษากับชัยยันอดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนร่วมตายเอามือขยี้ปลายคางฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาถึงที่นี่เวลาไหนถ้ามันใกล้ค่ำเต็มทีน้อยก็คงจะต้องนอนอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าหากยังมีเวลาพอแสงตะวันยังอยู่ขนาดจะให้เดินทางต่อไปได้น้อยก็น่าจะออกเดินทางต่อฉันว่าน้อยคงไม่ได้นอนที่นี่นะจากรอยตัดใบตองมาปูวไว้ มันเป็นลักษณะเพียงแค่นั่งพักเท่านั้นไม่มีร่องรอยนอนไม่มีรอยก่อไฟและตำแหน่งนี้ถึงแม้จะดูว่าน่ารื่นรมพระอุดมไปด้วยอาหารแต่มันก็ไม่ปลอดภัยนักที่จะอาศัยนอนนั่นกลางคงพบอะไรเข้าอีกแล้วประโยคสุดท้ายเชษฐาพยักหน้าไปทางน้องชายกลางซึ่งกำลังก้มลงตรวจพื้นปากล้วยบริเวณหนึ่งทางออกไปราวเจถึงเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วชูมือขึ้นดีดนิ้วเหมือนจะเรียกทุกคนให้เข้าไปสมทบขยินผู้อยู่ใกล้ๆแล่นเข้าไปถึงก่อนก้มลงมาอีกคนแล้วก็เอามีดฟันใบกล้วยที่เกะกะขวางหน้าฉับๆขาดกระจุยออกไปตนเองก็ก้าวตะลุยลึกเข้าไปอีกพร้อมกับร้องออกมาตื่นเต้นเป็นภาษาของตนว่านายหญิงออกเดินต่อไปทางด้านนี้ตามขยินมาได้เลย ว่าแล้วมันก็ออกนำรุดหน้าไปก่อนทันทีโดยไม่รอเมื่อเชธถาชัยยันเข้ามาถึงตำแหน่งที่อนุชา ย, ยืนรอยอยู่อดีตพรานชดชี้ปลายลำกล้องไรเฟิลประจามือให้เห็นรอยเท้าของดารินแทนคำพูดใดๆทั้งสิน้นเธอแน่ใจหรือว่าน้อยจะเดินทางต่อโดยไม่ได้พักนอนตรงตำแหน่งที่เราเห็นเอาใบกล้วยมารองไว้พี่ชายใหญ่ถามแน่ใจครับ เพราะเป็นรอยเท้าคนละด้านกับที่เข้าไปนั่งพักกินกล้วยเป็นลิงอยู่ตรงโน้นเละนน้อยคงไม่โง่ที่จะพักอยู่กลางดงกล้วยนิรอัเขาจะต้องรุดหน้าต่อไปหลังพักเหนื่อยกินอาหารรองท้องพอมีกําลังมันแสดงให้เรารู้ชัดว่าเขาผ่านเข้ามาที่นี่เมื่อ ย, ยังไม่เย็นจนเกินไปนะักเชื่อเถอะครับประเดี๋ยวเราก็ต้องพบที่พักนอนแน่ๆซึ่งมันจะช่วยให้เราวินิจฉัยอะไรได้มากขึ้นไปอีกตามต่อเร็ว ถ้ายังไม่ได้หลักฐานอะไรที่น่าพอใจมากกว่านี้ยังไม่ต้องกินกันละแข่งกับเวลาหน่อยเชษถาออกคำสั่งเร็วปรือทุกคนสาวไปตามรอยที่ค้นพบยังต่อเนื่องนั้นโดยมีขยินเดินแกะรอยนำอยู่ด้านหน้าในจำนวนบุคคลสามคนของคณะระหว่างนานอินอดีตพรานชดและเจ้านักเลงโตล่ลมช้างขยินการติดตามรอยดารินตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นมาทั้งสมทงานประสานงานกันได้อย่างดีเยี่ยม ถ้าแม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะมัวงุนง ง, งทำท่าเหมือนจะหลงผิดเส้นทางอีกคนก็จะต้องเป็นฝ่ายคนพบทิศทางที่ถูกต้องโดยผลัดกันอยู่ทุกระยะพร้อมกับร่วมหาหรือกันไปตลอดการกระชั้นรอจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งทำให้เชษฐาและชัยยานเกิดความอุ่นใจยิ่งพวกลูกหาบทั้งนั้นก็ไม่มีผู้ใดแสดงอาการท้อถอยอ่อนเพลียเลยทุกคนมีความเร่าร้อนใจเหมือนกันหมดในการที่จะติดตามนายหญิงให้ทัน เพราะยิ่งเนิ่นนานล่าช้าออกไปเท่าใดตามก็ตระหนักดีว่าอันตรายก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับหล่อนมากขึ้นเท่านั้นทุกคนหว่านลึกๆอยู่ในใจตรงกันหมดเพียงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาท่างลงนั้นนั่นก็คือการตามรอยดาริในขณะนี้ไม่ยากแล้วถ้าว่าจะตามไปทันต่อเหตุการณ์หรือไม่เท่านั้นท่ามกลมางมหันตภัยที่ครอบงาแวดล้อมอยู่ทุกฝีก้าวอันทุกคนตรหนักดี ขอคุณพระคุ้มครองน้อยด้วยอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปสิกก่อนพี่พี่ทุกคนกำลังตามมาแล้วเชษฐารำพึงอยู่ในใจพลางก็บนบานสารกล่าวอยู่ภายในอีกห้านาทีจะเป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงทุกคนก็มาหยุดยืนยิ่งอยู่ในเขตป่าหินอันเป็นบริเวณติดต่อกับดงกล้วยป่าณนะตำแหน่งที่หลักฐาแสดงชัดว่าดารินวราริศอนันเป็นเป้าหมายในการติดตามกันอย่างเร่งรุดขณะนี้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 มันเป็นแต่เพียงร่องรอยที่พิสูจน์ชัดว่าราตรีที่ผ่านมาหลอนได้มาพักนอนตรงนี้แน่นอนทว่านบัตดนี้บ่ายสามโมงไม่มีดารินวราริศอยู่ในตำแหน่งอันตามมาพบครั้งสุดท้ายเสียแล้วระหว่างที่ทุกคนมายืนตะลึงดูเงียบงันกันอยู่นั้นอนุชาสุดตัวลงไปนั่งกับแง่หินเตียเต้ยๆเอาผ้าคนนูนที่พันคออยู่ขึ้นมาซับเหงือ่อกล่าวเสียงห้าวขรึมทำลายความเงียบว่า เราอย่าพิ่งวินิจฉัยอะไรกันให้มากมายไปก่อนเลยครับจากเช้าตรู่มาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เราเดินทางกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังร่งรวมสิบชั่วโมงแล้วโดยไม่ได้พักกันเลยผลที่ได้รับก็น่าพอใจแล้วคือสาวรอยน้อยได้มาตลอดจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งที่พักนอนของเขาเมื่อคืนตอนนี้เราพักกันก่อนสักชั่วโมงเถอะทุกคนคงหิวเวลา ย, ยังพอมีประเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ ตกลงพักเหนื่อยชั่วกราวทุกคนกินอาหารเชิดาเห็นด้วยอย่างเหน็ดเหนื่อยเมือเ่อยล้าและดูเหมือนจะเป็นการเดินทางกันอย่างเร่งด่วนที่สุดนับตั้แต่ออกเดินทางมาแต่ต้นคณะทั้งหมดพักผ่อนการตรงตำแหน่งที่ดารินมาอาศัยนอนเมื่อคืนที่ผ่านมาตำแหน่งนั้นไม่มีเวลาพอสําหรับการหุงหาทุกคนได้รับคําสั่งให้ใช้เครื่องกระป๋องอันประหยัดเวลาที่สุด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 แต่สภาวะทางใจยังมุ่งมั่นต่อไปอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะความหวังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วชายยันยิงปืนสร้างขึ้นอีกนัดหนึ่งก้องสนั่นสะท้อนไปไกลในบริเวณป่าหินและป่าที่ต่ำลงไปแต่ก็ไม่มีเสียงปืนตอบรับมีแต่เสียงสัตว์สี่เทารละสัตว์ปีกหลายชนิดตกใจเพนแตกกระจายกันออกไปในละแวกรอบด้านที่ห่างไกลพอจะสำเนีกได้ยิน เสกกระสุนเปล่าอย่ายิงอีกเลยอรุชาบอกต่ำๆเอนกายลงเอาหลังพิงหินในตำแหน่งที่หน้าพักนอนนั้นถ้าไม่มีห่วงเรื่องน้องสาวสิอย่างเดียวเขาเองก็อยากจะหลับเต็มประดาน้อยยังมีชีวิตยอยู่แน่นอนแต่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้หรอกขอให้ทุกคนพิจารณาให้ดีเราใช้เวลาสิบชั่วโมงของวันนี้ตามมาจนกระทั่งพบตำแหน่งที่พักนอนเมื่อคืนของเขาที่นี่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 ถ้าแกบอกว่านอยออกจากที่นี่แปดโมงเช้าของวันนี้เวลานี้บ่ายสามโมงก็แปลว่าเขาได้ออกไปก่อนแล้วเป็นเวลาเจดชั่วโมงใช่ยันว่าอนันชาญ ย, ยิ้มแค่นแค่นพยักหน้าลงเอามือหยิบเศษ ก, กิ่งไม้แห้งที่ไฟกินมอดเหลืออยู่เพียงแค่คืบเดียวจากกองไฟขึ้นมาพลิกดูอย่างปราศจากความหมายใช่เจ็ดชั่วโมงนอยได้ออกไปจากที่นี่ไปแล้ว ซึ่งเรามาพบตำแหน่งเริ่มต้นออกเดินทางเขาในวันนี้แล้วลองคิดว่าเวลาเจ็ดชั่โมเต็มๆหรืออาจมากกว่านั้นเล็กน้อยน้องสาวของเราจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงปืนที่แกยิงเรียกแน่นอนโทน้อยจะบุกบั่นไปถึงไหนกันนี่ชายยันครางอย่างคนที่จนต่อความคิดทอนใจยาวยิ่งกระชั้นรอยเขาเข้ามาม า, มากเท่าไหร่ เราก็มีทั้งความดีใจและประหวั่นใจปนกันจนแยกไม่ออกถ้าหากน้อยจะยึดที่นี่พักอยู่ก่อนเดินไม่ไปไหนไกลป่านนี้เราพบตัวเขาแล้วนี่เล่นเอาเธอเจ้าลอบกันอยู่นี่เองเราเดินตามหาเขาเขาเดินตามหาเราไอ้ฝ่ายเรานะ่ะรู้เส้นทางเขาบ้างแล้วแต่ทางด้านเขาเล่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องชี้บอกถ้ามีอะไรมากระซิบน้อยสักอย่างเดียวว่าให้อยู่ที่นี่รอคอยเราก่อน เราก็ได้พบเขาแล้วช่วยกันใช้ความคิดอ่านไตรตรองดีกว่าอย่าบน่นมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนอจะรู้ได้อย่างไงว่าเรากําลังตามรอยเขาอยู่ในขณนะนี้และจับเขาเงื่อนได้แล้วเชษฐาว่าพี่ใหญ่คิดอะไรอย่างผมไหมครับครั้นแล้วอดีตพรานชดก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบตามของเขาพี่จะไปรู้ได้อย่างไงว่าเธอคิดอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่า พูดให้จบประโยคสิผมเพียงแต่คิดสังหารเท่านั้นอาจเป็นการคิดไปเองก็ได้คือนับตั้งแต่พลัดพรากจากเราเมื่อวานซืนและตัวเองก็ลงหลงตระเวนเปิดเปิงอยู่ในป่าคนเดียวแทนที่น้อยจะคิดหาทางมาพบเพื่อสมทบกับพวกเราซะก่อนกลับคิดที่จะบุกบัน่นติดตามคณะของระพินต่อไปตามลําพังคนเดียวเพราะรู้อยู่แล้วว่าพวกเราปลอดภัยอยู่พร้อมกันหมดทุกคนแล้ว มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่แยกทางไปจึงเฉยโอกาสนั้นทันทีน่าจะเป็นไปได้ไหมครับไอ้บ้าน้อยไม่คิดบ้าบอคอแตกยังแกร็อกถ้าเขายังสติดีอยู่ชายยันร้องลั่นออกมาส่วนเชษฐาก็โครนศีรษไม่เห็นด้วยเช่นกันอนุชาแยกเขี้ยวหัวร้องหืห้ในลำคอใช่ถ้ายังมีสติดีอยู่แต่แกคิดว่าน้อยสติดีอยู่นั้นหรือถ้าเขาสติดีครบถ้วน เขาก็คงไม่เป็นเหตุให้พวกเราต้องออกมาเดินป่านรกตามหาระพินอยู่อย่างนี้หรอกน้อยคิดจะมุ่งตามระพินลำพังคนเดียวได้ยังไงในเมื่อปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเขาพลัดพรากจากพวกเราไปคนเดียวเครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็ไม่มีเลยมีแต่ปืนสั้นติดตัวอยู่กระบอกเดียวเท่านั้นเชิถ่ายแย้งมาจ้องหน้าน้องชายขมิง้งอนุชา ย, ยักไหลก็ไม่แน่ครับพี่ใหญ่ ใายแนนแกมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ไหนนับตั้งแต่รู้ว่าคู่รักหายเข้าป่าไปไม่เห็นหรือว่าจะเป็นจะตายอยู่ทุกวันแม้แต่จะออกเดินทางตามแล้วก็ตามผมเห็นน้อยเหม่อลอยและทำอะไรแปลกๆที่คิดไปไม่ถึงเสมอประเดี๋ยวประเดี๋ยก็ร้องไห้เหมือนคนบ้าเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มอย่างที่ผมสงสัยอยู่นี่เหมือนกันคือพอตั้งหลักได้แานทีจะค้นหาพักพวกพี่น้องที่มาด้วยกันก่อน แม่ก็ฉวยโอกาสนั้นมุ่งออกสากัดติดตามระพินตามลำพังซะเลยนี่เป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นผมอาจผิดก็ได้ถ้าน้อยทําอย่างนั้นก็แปลว่าเขาไม่ห่วงพวกเราเลยนะสิใช่ยันกล่าวมาดังๆพวกเราไม่มีอะไรจะต้องหัวไม่ใช่หรือในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าเราจับหมู่อยู่กันครบทีมเช่นนี้ตัวเขาเองต่างหากที่แยกเดียวออกไปสังเกตร่องรอยที่ค้นได้มาทุกระยะตลอดวันนี้ น้อยพักที่ไหนไม่นานไม่มีวี่แววของการท้อถอยทอดอะไรเลยมีแต่การเร่งเวลารุดหน้าไปยังกับคนที่มีชีวิตอยู่ในป่าตลอดการหรือเปรียบเหมือนสัตว์ป่างั่นแหละดูเขาจะไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยไม่มีรอยล้มลุกค ล, ลุกคลานไม่มีรอยปัดเป๋หมดแรงมีแต่ร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมือเดินป่าอาชีพเหมือนพวกมีชีวิตอยู่แบบประพินหรือลุงอินงั้นแหละ พี่ว่าเธอคิดไปไกลเกินไปซะแล้วพี่ชายใหญ่ติงมาด้วยเสียงตำหนิไม่เห็นด้วยอย่างแรงเธอไม่รู้จักน้องสาวของเธอหรอกหรือว่าเขาเป็นคนอย่างไรเธออยากจะเห็นเค้าล้มลุกคลุกคลานทอดอะไรเที่ยวได้ป้ายน้ําตาไว้กับพุ่มไม้ใบหญ้าให้เราเห็นถึงความท้อทแท้ทอดอะไรของเขางั้นหรือถ้าจะพูดกันไปแล้วน้อยเป็นนักเดินป่าที่ไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าพรานอาชีพเลย แล้วก็เป็นคนใจเด็ดที่สุดพี่เชื่อแน่ว่าจุดแรกที่เขาพยายามค้นหาคือพวกเราไม่ใช่มุ่งไปตามระพินโดยลำพังคนเดียวอย่างที่เธอว่าหรอครับบางทีผมอาจเข้าใจผิดก็ได้อดีตพรานชดรับคำปาเศษมาริถูกกินไฟเกือบหมดท่อนอันถืออยู่ในมือขณะ น, นี้ลงไปในกองเท่าของมันตามเดิมแล้วควักบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าช้าๆกล่าวต่อ ถ้าน้อยคิดที่จะค้นหาพวกเราให้พบซะก่อนก็เป็นความคิดที่ถูกต้องของเขาแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมระแวงก็แปลว่าเขาบ้าไปจริงๆและถ้าพิสูจน์ได้ในข้อนั้นพบกันเมื่อไหร่ผมจะเอาหักไม้เรียวภัยหวดหลังเสียให้ลายทั้งตัวทีเดียวกลางแกควรดีใจจากหลักฐานที่เห็นอยู่นี่หลายๆข้อแทนที่จะคิดในแง่กุศลบ้าๆแบบนั้นอย่างน้อยเราก็รู้กันแน่แล้วว่า 1>, 1. น้อยยังมีชีวิตอยู่ 2. ไม่ได้รับอันตรายใดๆมากและยังแข็งแรงดี 3. มีความกล้าหาญทระหดบึกบึนและมานะเต็มที่ไม่ท้อแท้ต่อชีวิต 4. รู้จักหาทางที่จะเอาตัวรอดได้ในทุกกรณีทุกคนยอมรับใช่ไหมว่าน้อยรู้กฎกติกาของการเดินป่าอย่างดีมาก่อนอนุชาถามเรียบๆไปยังทุกคนแน่นอน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 เพราะก็รู้ดีอยู่แล้วว่าฝ่ายเรามีความสามารถที่จะติดตามค้นหาเขาได้อยู่แล้วอาจช้าไปบ้างเพราะคาทางวันสองวันก็ยังดีกว่าที่จะต้องมาต่างฝ่ายต่างเดินวนเวียนค้นหากันแบบนี้ไหนจะชั้นเซึ่งเป็นพารานเก่าไหนจะขยินไหนจะลุงอินมีหรือในข้อที่ว่าถ้าหากเขายึดที่ไหนอยู่ให้แน่นอนซักระยะหนึ่งก่อนแล้วทางเราจะตามไม่พบ นี่เขาเล่นออกเดินตลอดเวลาดูไปแล้วมันเหมือนทวงเวลาการตามให้ร่าช้าออกไปอีกดีไม่ดีจะพบกันลำบากที่สุดเพราะต่างฝ่ายต่างก็เดินหมุนวนหากันอยู่นี่เองถ้าหนทางมันแค่ปากน้ำสมุทรปราการไปสี่แยกบ้านแขกมันก็ยังพอตามกันได้แต่นี่มันดงทึบดงมรณะที่มีแต่อันตรายรอบด้านเชษฐากับชัยยานอึ้งไป แต่ก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีทั้งสองตระหนักดีมานานแล้วว่าแม้จะเป็นหัวหน้ามักคุเทศนำทางมาในครั้งนี้อนุชาวราริศก็มีความขุนข้องขัดใจขเมเนหน้าน้องสาวคนเล็กเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วจึงมักจะมองอะไรในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาแกเกลียดน้องสาวคนนี้ของแกนักเหรอชายยันพลุ่นออกมาอย่างเริ่มฉุนฉันรักน้องสาวของฉัน และถ้าเขาจะเป็นอะไรล่ะก็ให้ฉันมีอันเป็นปลายแทนเขาเสียดีกว่าแต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะตําหนิเขาไม่ใช่หรือเขาผิดตั้งแต่มีความคิดที่จะตามระพินแล้วพวกเราทั้งหมดตกบันไดปล่อยโจร น, น้องสาจะเป็นจะตายก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยระพินนะ่ะจะยังไงเสียก็เอาตัวรอดได้วันยังค่ําแต่พวกเรานี่สิมีโอกาสที่จะพิฆาตกันได้ทั้งคณะในการเดินทางมาครั้งนี้ ทำไมเราถึงจะมาทะเลาะ ก, กันในเวลาที่น้อยกำลังอยู่ในภาวะอันตรายเช่นนี้กลางพี่ชายผู้ใจเย็นที่สุดหน้าตึงขึ้นมาทันทีพูดเน้นหนักคุณชายอนุชารู้สึกตัวยกมือไหว้ผมขออาภัยครับพี่ใหญ่บางทีจะเป็นเพราะผมเป็นห่วงเขามากเกินไปก็ได้เลยพูดอะไรไม่สมควรออกมาขออาภัยด้วยสาหรับพี่คิดแต่เพียงว่า น้อยพยายามอย่างที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือตัวเองก่อนและเชื่อแน่ว่าการเคลื่อนไหวของเขาทุกฝีก้าวหมายถึงการต้องการที่จะกลับมารวมพวกกับเราก่อนพี่ไม่คิดว่าเขาจะอาจหานตามระพินในภาวะชนนี้รอกอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องมีสติยั้งคิดได้ว่าพวกเรากำลังเป็นห่วงเขาเธอเหนื่อยมากกระมังกลางถ้ายังไงแล้วก็นอนพักสักนิ่งก่อนเป็นไงพี่แน่ใจว่า ลงเราได้ร่องรอยเขาแน่ชัดขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ยากหรอกที่จะตามต่อไปให้พบอนุชาวราริทไม่กล่าวอะไรอีกลุกขึ้นยืนแล้วยักหน้าเรียกนานอินกับขยินเข้าไปหาจากนั้นก็พากันออกเดินตรวจบริเวณรอบๆขณะที่เชษฐาและชัยยันกับพวกลูกหาบส่วนใหญ่ยังนั่งพักกันอยู่ตำแหน่งอาศัยนอนของดารินปล่อยให้อนุชานานอินและขยิน เดินเละลัดตรวจสถานที่หายไปในป่าหินรอบด้านครู่ใหญ่ต่อมาก็แว่วเสียงอนุชากล้องออกมาจากวิทยุที่เปิดไว้อย่างค่อนข้างตื่นเต้นพี่ใหญ่ครับว่าอย่างไงกลางมีอะไรเพิ่มเติมหรือเชษฐาคว้าวิทยุกรอกคำพูดลงไปโดยเร็วเป็นเรื่องแปลกมากเสียงของอดีตพรานชดยังร้อนโดนอยู่เช่นนั้นมีรอยของสัตว์ใหญ่ขนาดช้างตัวหนึ่งเดินผ่านเข้ามายังบริเวณป่าหินนี้ เพราะส่วนร่างกายของมันเศษ ส, สีกระทบแก่งโคลนหินเล็กๆเป็นรอยหักไว้ใหม่ๆแล้วก็มีรอยเท้าของมันด้วยนายสักเท่าใดแล้วร่องรอยที่พบท่านหัวหน้าคณะโดดขึ้นยืนทันทีพร้อมกับร้องออกไปชายยันก็พลอยฝุ่นผ่านขึ้นมายืนด้วยขณะนี้ได้ยินแต่เสียงทางวิทยุของอนุชายังไม่อาจมองเห็นตัวกันได้เพราะเหลี่ยมหินระเกะระกะบางอยู่ ทั้งรอยหักของแง่หินรอยเท้ามันสดๆร้อนๆเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับทิศทางเดินล้อโคดหินของมันใบหน้าเพียงตำแหน่งที่พักนอนของน้อยที่เราพบนั่นแหละเธออยู่ตรงไหนขณะนี้เชษฐาพูดเร็วปรือผมอยู่ไม่หานะรอกครับเดี๋ยวจะส่งขยินไปรับคอยอยู่ตรงนั้นก่อนอืดใจใหญ่ต่อมาร่างของขยินก็โผล่ปีนขึ้นมาให้เห็น ตรงเนินหินฝั่งซ้ายมือส่งเสียงกู่วูเป็นสัญญาณให้ทุกคนหันไปมองระยะที่ขยินโผล่ขึ้นมาห่างออกไปเพียง25เมตรเท่านั้นนายบ้านหล่มช้างโบกมือเรียกอยู่ย้อยๆและยืนเด่นให้เห็นตำแหน่งของตนเชษฐาชายยันรีบร้อนลัดตัดทางไปตามแนวโคดหินนั้นทันทีตรงไปยังขยินตำแหน่งแรกพอใกล้เข้ามามันก็โดดลงมายัางพื้น แล้วออกเดินนำไปตามป่าหินนั้นโดยเร็วชัวร์ม่กี่อึดใจก็โผล่ออกมาถึงบริเวณช่องทางเดินแคบๆในระหว่างหมู่หินที่งอกโผล่ยื่นล้ําออกมาเป็นกิ่งก้านบริเวณ น, นั้นอดีตพรานชดกับนานอินยื่นคอยอยู่แล้วพอทั้งสองเข้ามาถึงอนุชาก็ชี้ให้ดูกิ่งหินสองสามกิ่งที่หล่นหักอยู่ยังบริเวณ น, นั้น3 ส, สี่ท่อนกลิ้งอยู่กับพื้นร่องรอยของวันแสดงเด่นชัดว่า ได้มีสิ่งที่ใหญ่และมีพลังมหาศาลมาชนกระทบหรือคลูดจึงเป็นสาเหตุให้กิ่งอันยื่นล้ําทางของมันต้องกระทบหากเพราะทานแรงไม่ไหวเชษฐาก้มลงไปตรวจดูทันทีแล้วเงยขึ้นหาตําแหน่งที่มันหักก็พบว่าเป็นรอยหักชนิดถ้านําขึ้นมาต่อเชื่อมจะเป็นกิ่งจากโขดหินเหล่านั้นแน่ชัดช้างใหญ่ราชสกุลพี่ยายอุทานออกมา นี่รอยมันสอชัดว่ามีช้างใหญ่มากทีเดียวได้เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณนี้และในเวลาใกล้เคียงกับที่น้อยผละจากที่นี่ไปตรวจดูให้ดีมีรอยเลือดหรือรอยต่อสู้ของน้อยบ้างหรือเปล่าใกล้บริเวณนี้ไม่มีเลยครับอนุชา บ, บอกอย่างงงๆพลางสั่นศรีรษะหัวคิ้วขมวดยนต์มีแต่รอยเดินเข้ามาแล้วเดินกลับออกไปตามปกติของมัน มันน่าแปลกมากจะว่าน้อยไม่รู้ตัวในขณะที่มันเดินเข้ามาก็ไม่ได้เพราะการเดินเบียดกระทบกิ่งหินหกักหล่นอยู่เหล่านี้เขาจะต้องรู้ตัวและถ้าเขายิงมันก็น่าจะมีรอยเลือดของมันบ้างหรือถ้าน้อยเสียท่าถูกมันทําร้ายศพของเขาก็จะต้องเละเทะอยู่บริเวณนี้แหละแต่นี่ไม่มีอะไรเลยระหว่างพี่น้องพูดกันอยู่นานอินแกะรอยอย่างรวดเร็วไปก่อนแล้วพร้อมกับร้องเร่งมาทางวิทยุว่า ตามมาได้เลยเจ้านายมีรอยไอช้างลึกลับเดินไปทางด้านที่มันแอบย่องเงียบขึ้นมานี่แหละแต่ไม่มีรอยของนายหญิงอีกเลยมีแต่รอยช้างอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่พบไอ้ด้วนมากับเราซสก่อนเราก็ต้องนึกว่านายหญิงขึ้นนั่งคอเจ้าด้วนไปแต่นี่เจ้าด้วนอยู่กับฝ่ายเราสามคนมองหน้ากันเองอย่างพิศวงขีดสุดแล้วอนุชาก็บอกขยินให้ไปตามพวกลูกค้าเพื่อแบกสัมภาระออกเดินท า, นทางทันที ไปเคลื่อนย้ายเดี๋ยวนี้เราจะตามรอยช้างลึกลับนี่ไปไม่ต้องหาร่องรอยนายหญิงอีกแล้วเพราะไม่มีเหลือให้พบอีกเลยมันยังไงเสียแล้วสิขยินกระโดดพลุงไปตามคําสั่งอนุชาพยากากับพี่ชายและเพื่อนให้ออกตามหลังนานอินผู้ล่วงหน้าไปก่อนทันทีครูพรานไม่รอใครใหเสียเวลาแกคงรุดหน้าไปตามป่าหินที่ลาดลงไปสู่ดงไม้เบื้องล่าง ตรวดรอยราวกับมาล่าเนื้อทั้งสามตามหลังมาอย่างเร่งรีบส่วนด้านหลังไปอีกขยินก็นาพวกลูกหาทั้งห้าคู่ให้ออกเดินทางตามมาเป็นขบวนทุกคนรู้ข่าวของร่องรอยใหม่อันแปลกประหลาดนี้แล้วด้วยความงุนงงไปหมดเพียงแค่ไม่เกิน10นาทีนานอินก็ลงไปถึงดงเบื้องล่างอันเริ่มด้วยป่าปโปร่งก่อนเต็มไปด้วยมอและมาสูงสูงต่ำต่ำ แล้วแกก็พูดระล่ำระรักมาตามวิทยุแปลงแท้ๆนายรอยช้างเดินลงมาที่ดงนี่ชัดๆแล้วก็มีรอยนายหญิงฟันกิ่งเทาวันช่อเอื้องขาดตกเอาไว้แต่ไม่มีรอยตีนายนหญิงมีแต่รอยมีดฟันกิ่งไม้ขาดทิ้งไว้ช้างมันคงไม่มีมีดฟันกิ่งไม้หรอกรออยู่ตรงนั้นก่อนลุงอินอย่าเพิ่งล่วงหน้าไปไหนอนุชาตะโกนบอกไป พร้อมกับออกวิ่งเหาะลงเนินหินตรงไปยังร่างของครูพรานเท่าอันเป็นอยู่ในดงไม้ตรงหน้าเชษฐากับชัยยันก็เล่นตามไปด้วยอย่างร้อนใจเมื่อทั้งสามมาถึงนานอินก็ส่งกิ่งไม้เล็กๆ ก, กับช่อเอื้องดงอันมีรอยคมมีดฟันขาดตกหล่นอยู่กับพื้นให้ฝ่ายเจ้านายผู้เพิ่งตามลงมาถึงดูอดีตพรานชดเชษฐาและชัยยันเพ่งตาขมิง่งแล้วมองหน้ากันเองอย่างเดาอะไรไม่ถูก รอยมีจริงๆด้วยมันหมายความว่ายังไงกันนี่และตำแหน่งที่ถูกฟันไว้ก็เป็นตำแหน่งสูงมากคนที่จะฟันกิ่งมาระดับสูงขนาดนี้ได้จะต้องครับจะต้องนั่งอยู่บนคอช้างอนุชากล่าวต่อเสียงลึกข่าวหน้าของเขาแบบ น, นี้วาดยากที่สุดพี่ไม่เข้าใจเลยกลางผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่จากหลักฐานที่เห็นอยู่นี่มันบ่งบอกชัดว่า มีช้างใหญ่ตัวหนึ่งขึ้นไปบนฝ่าหินที่นออาศัยนอนอยู่เมื่อคืนมันอาจขึ้นไปในตอนเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ลงมาทางนี้โดยมีน้อยขึ้นไปอยู่บนคอมันด้วยเพราะมิฉะนั้นจะมีรอยฟันกิ่งไม้เล็กๆทิ้งหล่นอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีรอยเท้าของน้อยเลยแสดงว่าเขาจะต้องอยู่บนคอของมันและที่ฟันกิ่งไม้ทิ้งไว้มันก็แสดงว่าเขาจงใจเจตนาที่จะทำสัญญาณไว้ให้พวกเรามองเห็นนั่นเอง หากพวกเราผ่านมาทางนี้น้ตฉลาดเกินกว่าที่เราจะคิดเพราะถึงแม้จะไม่ทิ้งรอยเทาไว้ก็ยังทําร่องรอยอื่นๆเผื่อไว้ให้เราเห็นเธอสันนิษฐานเช่นนั้นหรือไม่ใช่สันนิษฐานหรอกครับผมแน่ใจเลยทีเดียวโน้นเห็นไหมครับไม่ใช่เฉพาะที่เรามาดูอยู่นี่ตําแหน่งเดียวตลอดระยะทางมีรอยกิ่งไม้เล็กๆที่ถูกริดขาดทิ้งไว้มองเห็นเป็นระยะระยะไปทีเดียว ใครจะฟันริกกิ่งไม้ไว้ถ้าไม่ใช่น้อยและโปรดดูระยะความสูงมันอยู่ในระดับที่คนนั่งอยู่บนคอช้างจะฟันริษไว้ได้พอดีเชษฐาตะลึงเงนินใช้ยันอ้าปากค้างขณะนั้นก็มีเสียงร้องแปลนยาวของเจ้าด้วนมันวิ่งหยอหยอๆออกมาจากดงไม้อีกด้านหนึ่งและตรงปรีเข้ามาพร้อมกับชูงวงสูงส่งเสียงร้องแหลมยาวอยู่เช่นนั้น พอมาถึงก็ตรงเข้ามาเอางวงสูดดมเมือจะพิสูตรกิ่งไม้เล็กๆที่มีรอยมีดฟันขาดตกเอาไว้เหล่านั้นและจากนั้นมันก็หมุนตัวคว้างหันรีหันขวางชูวงร่อนอีกครั้งอย่างพยายามดมค้นหากลิ่นทุกคนมองดูอาการของมันชั่วขณะจิตขยินก็นำพวดลูกหาแบกของการลงมาถึงต่างเห็นเข้ากับหลักฐานนั้นโดยทั่วหน้าเอ็งว่านี่มันอะไรไอขยิน นันอินชูช่อเอื้องในมือขึ้นแล้วชี้ให้ดูตรงรอยมีดตัดไว้คมกริบเป็นรอยเฉียง45องศามีคนนั่งบนคอช้างคนคนนั้นมีมีดแล้วก็ตัดช่อเอื้องนี้ทิ้งไว้อดีตนายบ้านหล่มช้างบอดเสียงหนักๆในลำคอคนนั่งบนหลังช้างเป็นใครข้าไม่รู้แต่นายหญิงหายไปไม่มีรอยเดินดินของนายหญิงอีกเลย เองคิดว่านายหญิงจะนั่งไปบนคอช้างตัวที่เราเห็นรอยอยู่นี่ไหมขยินตาล็อกแหลกสีหน้าพิกลเอามือเกากระบาลมันเป็นช้างฝ่าตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่ไอ้ด้วนของนายหญิงนายหญิงจะนั่งไปบนหลังมันได้ยังไงคำพูดซื่อๆทื่อๆของขยินคือปัญหาที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะ น, นี้ตามดูรอยต่อไปลุงอินนั่นไอด้ดวนออกเดินลวไปโน่นแล้ว จริงดังว่าเจ้าด้วนส่งเสียงร้องกึกก้องอยู่ตลอดเวลาพร้อมกันมันก็เดินดุมๆไปอย่างรวดเร็วไม่ยอมฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นแม้หนานอินจะตะโกนเรียกให้มันหยุดรอเช่นไรทั้งคณะจึงได้แต่เร่งฝีเท้าตามหลังมันไปหลักฐานที่พบต่อมาแทบทุกระยะของดงที่กำลังเดินกันอยู่ในขณะนี้ย้ำความมั่นใจของทุกคนยางเด่นชัดมีรอยฟันกิ่งไม้เล็กๆขาดตกหล่นทิ้งเป็นสัญญาณให้เห็นโดยตลอด ตามรอยเท้าของช้างใหญ่ที่ผ่านไปในแนวป่าเหมือนจะเป็นสัญญาณนำทางชี้บอกมันบองความหมายชัดแน่นอนว่าดารินวราริ จ, จะต้องอยู่บนคอช้างลึกลับตัวนั้นช้างเจ้าด้วงก็เดินอย่างไม่หยุดรอเลยมันมีอาการเหมือนจะเร่งติดตามไปให้ทานฉะนั้นแต่นั่นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฝ่ายมนุษย์ที่เดินตามหลังอยู่ในขณะ น, นี้ไม่สามารถจะเร่ง ดังนั้นชั่วไม่นานเจ้าด้วนก็หายรับไปแล้วไม่ต้องไปกังวลกับมันครับปล่อยให้มันล่วงหน้าไปก่อนแบบนั้นดีแล้วมันอาจมีความหวังว่าจะตามน้อยได้ทันก็ได้เราตรวจดูรอยและตามไปเรื่อยๆก็แล้วกันร่องรอยที่น้อยทําไว้เห็นชัดอยู่แล้วอรุชาบอกกับทุกคนนอกจากรอยกิ่งไม้ที่ถูกตัดขาดทิ้งไว้ตำแหน่งไหนที่ไม่สามารถจะตัดให้ขาดหลด่นลงมาได้ก็มีเป็นรอยมีดฟันถากไว้ เพื่อให้เห็นรอยเหวอของผิวต้นไม้ชัดระดับมันก็คือสูงจากพื้นขึ้นไปประมาณสองวาอันเป็นตำแหน่งที่มนุษย์พูดนั่งอยู่บนหลังช้างจะทำตำหนิทิ้งไว้ได้นั่นเองช้างอะไรนี่ช้างที่ไหนมาให้น้อยขี่คอมันไปและทำไมเขาถึงต้องไปกับมันน้อยสามารถทำความเข้าใจกับมันได้ยังไงชายยานสุดที่จะอดกลั้นต่อความประหลาดใจไว้ได้ หลุดปากล่าออกมาในขณะที่ต่างกำลังสาวรอยไปทุกระยะเสียงหนานอินที่ล้ำหน้าไปไกลกว่าทุกคนในขณะนหนรายงานมาอีกว่าได้พบรอยช้างอีกสองตัวเข้ามาร่วมขบวนกับช้างที่นำดารินไปด้วยโดยโผล่ออกมาจากสองข้างทางเข้ามาสมทบอนุชาสั่งการให้หนานอินหยุดรอก่อนเพราะขณะนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่หนานอินจะต้องรุดหน้าไปก่อนเนื่องจากหลักฐานพอเห็นชัด โดยไม่จำเป็นจะต้องสแสวงหาเพิ่มเติมนอกจากจะคอยติดตามสาวรอยไปเรื่อยๆนานอินจึงหยุดรอทั้งคณะบัดนี้เดินร่วมทางไปพร้อมๆกันพร้อมอทั้งปรึกษาหารือกันไปพลางลุงอินว่ายังไงจากสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่เชิดถามนานอินแยกเคี้ยวนานี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันได้แต่เดาวๆ เ, เอาเท่านั้นแล้วลุงเดาวยังไงละ่ะช่วยบอกหน่อยสิ พวกฉันงงไปหมดแล้วชายยันว่าตาก็มองจับไปยังรอยที่เชื่อแน่ว่าดารินวราฤทธิ์ใช้มีด ท, ทำเครื่องหมายชีย้ทางไว้นันินเดาวา่าแกเว้นระยะไปนิดหนึ่งสบัดหน้าเร่าๆเอามือตกที่ขมับตนเองแล้วหันกลับมาย้อนถามอดีตพรานชดสหายร่วมตายของแกในอดีตพรานชดว่ายังไงละ่ะที่เห็นอยู่นี่นะ่ะอนุชาวราฤทธิ์สั่นหน้าอย่างจนปรรัญญา ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเดาวไม่ถูกหรอกมันจะต้องเป็นช้างที่อยู่ในอํานาจบนค้จรสารของไอ้มันไตรในที่สุดครูพรานก็ตัดสินใจโลงออกมาแล้วก็ถูกส่งให้มารับตัวนายหญิงเพื่อบ่ายหน้าไปที่ไหนสักแห่งตามรอยที่เรากำลังแกะกันอยู่นี่แหละแต่ทำไมนายหญิงถึงยอมไปกับมันรู้ ร, ร, ร, รู้เรื่องภาษาขึ้นไปอยู่บนคอมันได้อย่างกบเป็นไอ้ด้วนแบบนี้ นานอินเดาไม่ถูกลักษณะน า, นายหญิงยอมไปกับมันดีๆขึ้นขี่คอไปอย่างสบายเลยก็แปลว่านายหญิงจะต้องเข้าใจอะไรที่เราไม่เข้าใจเพียงแต่ว่านายหญิงฉลาดรอบครอบมากที่ไปกับช้างผีตัวนั้นแล้วก็ยังอุตสาห์ฟันกิ่งไม้ไว้ให้เราเห็นเผื่อว่าเราจะเดินผ่านมาทางนี้จะได้พบและรู้ทิศทางว่าายหน้าไปทางไหนฝ่ายนายจ้างอึ้งไปอีกอย่างสุดที่จะคาดคะเนอะไรได้ ครับพี่ใหญ่มันก็เป็นยาที่ลวงอินบอกนี่แหละน้อยไปกับช้างตัวนี้และบริวารที่เข้ามาสมทบอีกสองตัวเข้าขาบวนคุ้มกันไปด้วยปัญหาที่เราไม่สามารถจะขบแตกได้ก็คือน้อยไปกับมันได้อย่างไรอะไรที่ทําให้น้อยเข้าใจมันและยินยอมพร้อมใจที่จะไปกับมันทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าเขากําลังจะเดินทางไปสู่จุดอันตรายขีดสุดหากว่ามันเป็นช้างที่ส่งมาโดยไอ้พิริบมันไตร จะอย่างไรก็ตามเธอะพี่คิดว่าน้อยทำถูกแล้วที่ยอมไปกับช้างของมันมิฉะนั้นเขาอาจได้รับอันตรายเสียก่อนหลากฐานที่เราพบไม่ปรากฏว่าจะมีการต่อสู้กันและเขาก็ไม่ได้ยิงมันเลยเป็นการยินยอมที่จะไปกับมันโดยดีที่สุดเขาจะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่เรายังค้นไม่พบหรือเข้าใจได้ในขณะนี้แต่การฟังกิ่งไม้ไว้ให้เราเห็นมันก็บ่งชัดว่าเขาบอทิทางไว้ให้พวกเราตามนั่นเอง เทพธาเอ่ยขึ้นอย่างไตรตรองลึกซึ้งแต่ก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากใจเหรือปประมาณแล้วเราจะทำยังไงกันดีนี่เมื่อพอจะรู้แบบนี้แล้วชายยานถามอย่างวิตกเต็มที่ก็คงไม่มีอะไรจะทำได้ดีไปกว่าที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ขึ้นสาวรอยไปเรื่อยๆจะต้องมีจุดพบเข้าที่ใดที่หนึ่งในหนทางข้างหน้าแ น, น่ๆอุนนาขณะตอบ อย่างน้อยที่สุดน้อยก็ออกเดินทางล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วถึง8ชั่วโมงทีเดียวนะเราจะตามทันเมื่อไหร่ที่ไหนไม่ใช่เดินไปตามธรรมดาแต่ไปกับช้างเอาเถอน้าตามทันที่ไหนเมื่อไหร่เราก็ต้องตามอยู่แล้วเราพยายามกันจนสุดความสามารถนั่นแหละถ้ายัางตามไม่ทันก่อนตะวันตกดินวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนก็ออกตามใหม่เชื่อว่าน้อยจะต้องทิ้งรอยไว้ให้เราตามได้สะดวกทุกระยะนั่นแหละ เพียงแต่เขาล่วงหน้าไปก่อนเรานานหน่อยเท่านั้นหลักฐานเหล่านี้เป็นหลักฐานที่คืบหน้าและเพิ่มความหวังของเรามากขึ้นทุกขณะเพียงแต่มันเต็มไปด้วยปริศนาเท่านั้นจะเขียนโน้ตทิ้งข้อความบอกเราไว้สักหน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรชายยันบ่นอย่างไม่รู้จะบ่นอะไรอีกตามภาษาเขาแต่ไม่มีใครสนใจอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆที่เริ่มนาเข้าสู่หูบลึก มีระดับลงในช่องโตรกป่าเริ่มทึบขึ้นแต่รอยฟันบากกิ่งและลำต้นของไม้ที่ผ่านไปก็ยังคงมี้เห็นอยู่ทุกระยะถ้าไม่ใช่เพราะเจตนาจะให้ฝ่ายของตนมาพบและตามไปก็คงจะเผื่อเอาไว้สำหรับการที่จะย้อนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมตามหลักของการเดินป่าที่ได้รับการฝึกสอนมาอย่างดีแล้วของดารินตะวันเริ่มอ่อนแสงลงเป็นลาดับ พร้อมทั้งเงาแห่งความมืดที่โรยตัวลงมาปกคลุมทุกคนยังครงรุดหน้าต่อไปยังไม่เห็นแก่นเน็ตแก่นเหนื่อยไอ้ด้วนนั้นครั้งแรกมันก็แล่นตะโพงหายล่วงหน้าไปก่อนแล้วจะรับตาเหมือนกับว่ามันจะเร่งตามให้ทันโดยลำพังตัวของมันเองแต่แล้วทั้งคณะก็เห็นมันอีกครั้งยืนหยุดรอยอยู่ในหุบลึกระหว่างซอกเขาใหญ่กระดิ่งที่ดารินเคยสั่งให้ทําติดคอมันไว้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการที่ช่วยไม่ให้เกิดการหลงผิดขึ้นเพราะจะได้ยินเสียงลั่นอยู่โกโรกเกรกเป็นสัญญาณให้รู้ว่าคือตัวมันไม่ใช่ช้างป่าอื่นแปลกปลอมเข้ามาใกล้พอเห็นว่าคณะของฝ่ายมนุษย์ตามรอยมาอย่างถูกทิศทางและเริ่มใกล้เข้ามามันก็เริ่มออกนำต่อไปอีกแต่คราวนี้ไม่รีบร้อนเหมือนครั้งแรกคงเดินนาอยู่เบื้องหน้าในรัศมีที่พอจะให้ฝ่ายมนุษย์มองเห็นได้ ถ้าทางมันเฉื่อยชาลงนะกลางไม่รุกลนเหมือนตอนแรกที่พบรอยนายหญิงของมันเชษฐาบอกกับน้องชายมันไม่ได้เฉื่อยชาหรอกครับพี่ใหญ่แต่มันรู้แน่แล้วว่าจะอย่างไรเสียก่อนตะวันตกดินวันนี้พวกเราหรือตัวมันก็คงยังตามน้อยไม่ทันแน่ แ, นและมันก็ต้องมีสัญชาตญาณรู้ว่าถ้าขืนบุกตามไปตัวเดียวโดยไม่มีพวกเราอยู่ใกล้มันจะถูกดักรุมเล่นงานเมื่อไหร่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องรอคอยพวกเราเพราะอย่างน้อยมันก็ยังหวังพวกเราเป็นที่พึ่งอยู่เหมือนกันไอ้ด้วนมันฉลาดมากมันรู้ว่าลําพังมันตัวเดียวถูกรุมมันก็สู้ช้างผีสิงที่มีพวกเป็นโคลงไม่ได้มันต้องคอยได้รับการคุ้มครองจากไรเฟิลของพวกเราอยู่เหมือนกันและอีกประการหนึ่งที่เจ้าด้วนยอมหยุดรอเราก็แปลว่าขณะนี้ระยะทางระหว่างเรากับน้อยคงยังห่างไกลกันมาก เร่งสักขนาดไหนก็ยังไม่ทันแน่นานอินบอกให้ฝ่ายเจ้านายรู้ว่ามีเวลาที่จะเดินตามได้อีกไม่นานนะักก็ต้องหาที่พักแรมแล้วทุกคนรับทราบอย่างไม่สบายใจเป็นที่ยิ่งเพราะตระหนักแน่แก่ใจว่าบัดนี้เปรียบเสมือนดารินได้ตกอยู่ในก ร, ร ม, มือของจอมผีดิบมันไตรเส็แล้วมันจะหล่อนไปไหนเพื่ออะไรถ้าแม้ว่ามันจะทาอันรายใ ด, ดแกหล่อน ก็เหตุนายจึงไม่ส่งช้างพวกนั้นเข้าขยี้หล่อนเซรู้แล้วรู้รอดเพราะตัวหล่อนเองก็ไม่มีอาวุธใดๆที่จะหยุดช้างไว้ได้นอกจากปืนสั้นกระบอกกระจิ๋วหลิวแค่กระบอกเดียวเท่านั้นที่ติดตัวอยู่ยามนี้ทุกคนของฝ่ายติดตามเหงื่อชุ่มโชกกายราวกับอาบน้ํามันเป็นวันเหตุการณบุกบั่นกันอย่างสุดฤทธิ์เกินกว่าการเดินทางมาแล้วทุกครั้งความหวังสําหรับวันนี้เริ่มจางหายไป พ ร, พร้อมกับแสงสว่างแห่งทิวาการอันเลือนลางลงเป็นลําดับโดยความทะมึนมืดของราตรีท่ามกลางดงดิบแผงเงาเข้าปกคลุมพวกเขาชุดนี้จะเดินตามรอยของดาเินที่ทําไว้ให้เห็นไปไปได้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะออกเดินทางในเวลากลางคืนตลอดจนความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียที่กรำหนักมาแล้วทั้งวัน ถ้าแม้ว่าฝ่ายของเชษฐาสามารถจะย้อนการเวลาถอยหลังไปเพียง 7-8 ชั่วโมงเท่านั้นอันหมายถึงเช้าของวันเดียวกันนี้ทุกคนก็จะมองเห็นได้อย่างเด่นชัดตามหลักฐานที่ทิ้งไว้ให้พบประกอบกับ ก, บการคาดคะเนนั่นก็คือน้องสาวผู้หายสาบสูญไปนั่งเด่นไปบนคอโคจสารงาดำขนาบข้างด้วยช้างบริวารอีกสองตัวหล่อนใช้มีดฟันริกิงไม้ใบพฤกไปไเรื่อย สุดแต่ช้างอันเป็นพาหนชจะนำไปทางใดทิ้งให้ตกหล่นไว้ทุกระยะด้วยความสันทั์จัดเจนต่อเหลี่ยมคู่ของการเดินป่ามาก่อนด้วยเหตุผลว่าแม้ใครผ่านพบเข้าเข้าก็จะสังเกตเห็นหรือตัวหล่อนเองจะย้อนกลับมาทางเดิมก็ย่อมจะกลับได้ถูกโดยไม่หลงระพินไพรวันสอนหล่อนไว้เช่นนี้ในกรณีที่เกิดหลงป่าหรือพลัดพรากจากคณะ เจ้าช้างผีสิงอันมีเวทมนต์อาคมของมันไตรกํากับไว้ตลอดเวลาต่อให้ฉลาดเกิดสัตว์เดรัจฉานสัเพียงใดก็ตามมันก็ไม่มีวันจะฉลาดเท่าทันหลอนไปได้หรอกราชสกุลสาวทํารอยตําหนิไปเรื่อยๆจากมีดโบวีประจําตัวที่รับไว้อย่างคมกริบกิ่งไม้กิ่งไหนเล็กขณะที่จะฟันทีเดียวขาดหลอนก็ฟันไว้ในลักษณะเฉียงปากฉลามปล่อยให้ร่วงหล่นทิ้งกับพื้นหรือบางกิ่งไม่ขาดโดยเด็ดขาด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 เพราะตนเองสถิตอยู่บนคอช้างใหญ่ที่เชื่อได้แน่ว่าจะไม่มีอันตรายอื่นใดสามารถจู่โจมสอดแทรกเข้ามาได้แน่นอนพลางก็ชมนกชมไม้ตรวจตราดูทิวทัศน์ไปอย่างรอบครอบระมัดระวังสภาพของหล่อนเปรียบไม่ผิดอะไรกับนางพญาไพเรเสด็จออกประพาส ช, ชมป่าเขาลำนาวไพรวิวบนหลังช้างสามารถทำให้มองเห็นภูมิประเทศได้ในวงกว้างไกล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 แต่ถ้าหากมันไตรรักษาสัตว์จะวาจาที่ให้ไว้ในการยินยอมปฏิบัติตัวตามคำสั่งของมันตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นมาไอจอมผีดิบก็น่าจะยุติเลก่กลนหมายจองล้างจองผลาญเขาลงแล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งขณะที่หล่อนกำลังยอมตนเองให้อยู่ในเนื้อมืออาณัติของมันเช่นขณะ น, นี้ส่วนสาหรับตัวเองจะถูกนาพาไปที่ไหนเพื่ออะไร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 ทุกคำพูดที่มหาปุโรหิตผู้เรืองวิตย์อันมีความผูกพันอยู่กับหล่อนในอดีตชาติบอกเล่าไว้มันยังสะท้อนกล้องอยู่ในสมองจำได้หมดทุกท่อยกระทงความจุดหมายปลายทางที่หล่อนยินยอมตัวให้ช้างงาดำอันถูกมันส่งให้มารับไปนี้ก็คือมหาปราสาทจิตรางคนางอันถูกอ้างว่าเป็นราชฐานเดิมของหล่อนนั่นเองมันใจต้องการให้หล่อนคืนกลับไปณนะที่นั้น ซึ่งกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมหาปร า, าสานาและอุทยานแห่งนั้นยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านมานานสักเท่าใดแล้วซ้ำยังบอกไว้อีกด้วยว่าหล่อนจะได้พบกับภาพปั้นประดุษมีชีวิตจริงของจิตรางคนาประทับอยู่เหนือบันลังทรงเครื่องเต็มอิสริยยศเพียบพร้อมดุดเดียวกับวันที่นางได้ถูกสถาปนาขึ้นดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมารี วนเมื่อถึงข้อความบอกเล่านี้ดารินยิ้มเครียดขรึมที่เหมือนกันหลอนคิดหลอนเองก็อยากจะไปเห็นภาพปั่นของตนเองตลอดจนสถานถิ่นบริเวณที่ตนเคยมีชีวิตอยู่ในบรนพรชาตอันไกลแสนไกลลึกลงไปในอดีตการโพ้นเช่นกันมันจะมีจริงเหมือนเช่นมันตรบอกไวหรือไม่มันอยู่ที่ไหนระยะทางมันจะห่างไกลสักเพียงใดจากขณะที่หลอนกำลังเดินทางอยู่บัดนี้ จะใช้เวลาสักกี่วันก่อนจะไปถึงอีกแว บ, บหนึ่งความทรงจำก็ผุดขึ้นในสมองเมื่อครั้งก่อนขณะผ่านมาในอาณาจักรนิทรานครนี้พร้อมระพินไพรวันกล่าวออดติดตามพี่กลางของหล่อนตัวหล่อนเองเคยเสียท่ามันตรามาครั้งหนึ่งแล้วมาได้ใช้อำนาจจิตสะกดขโมยลักพาตัวหล่อนไปไว้เป็นฉเฉลยโดยนาไปเก็บกักไว้ในครูหาถ้ำแห่งหนึ่ง มันเป็นสถานที่อันมีลักษณะ น, น่าสะพรึงกลัวมากเหมือนถูกขังอยู่ในสุสานลึกไม่ได้มีส่วนใดที่มองดูน่ารื่นรมเลยสักนิดไม่มีเขาเงื่อนร่องรอยว่าจะเป็นปราสาทราชถานอันโอรานและในครั้งนั้นหล่อนหลุดรอดออกมาได้ด้วยการช่วยเหลือของวิญญาณคุนพลวรมันที่สิงอยู่ในร่างกายของแง่สายวิญญาณของวรมันในร่างของแง่สายได้นาหลอนนีเล็ดรอด พนเงื้อมือมันตรายออกมาได้จนสามารถพบ ก, กับพรกคพวที่ติดตามมาในครั้งนั้นเหตุใดมันตรายจึงไม่นําหล่อนไปสู่ปราสาทจิตตรังคนาเหมือนเช่นที่มันบอกเล่ากับหล่อนไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาหรือว่าในครั้งนั้นดวงจิตของมันยังคอยมัวพวงอยู่แต่เจ้าหญิงพันธุบรีซึ่งเป็นเฉลยสําคัญที่มันได้ครอบครองมาโดยตลอดโดยมีคณะของหล่อนภายใต้การนําของระพินเข้าไปทําการแก้อาถรรพ์ ลดปล่อยพันธุ์ทุมวดีให้พ้นคำสาบออกไปคิดไปไม่ถึงเลยสักนิดว่าเรื่องราวของนิทรานครจะมาเกี่ยวเนื่องผูกพันเป็นลูกโซ่เอาตัวกับหล่อนเองและชายอันเป็นที่รักในชาตินี้ยังสนิทแน่นแฟนที่สุดและถ้าเหตุการณ์ได้เป็นไปเช่นนี้แล้วมันไตรก็หาใช่สิ่งแปลกหน้าของหล่อนเลยไม่ มันก็คือที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของสมเด็จพระราชบปดาผู้หลงรักสมัครมั่นแอบหมายปองหล่อนมาในปางบันนั่นเองและเฝ้ารอคอยการกลับคืนมาของหล่อนนับได้อนันตชาติหล่อนเกิดแล้วตายแล้วนับชาติพบไม่ท่วนแต่ผู้โรหิตมนตรายผู้แก่กล้าฤทธิ์เดชเวทมนตรงความเป็นอมตะมาตลอดนบัดนี้มันเป็นความคิดคานึงของหล่อนแต่เพียงผู้เดียว อันไม่มีโอกาสจะบอกเล่าปรึกษาหารือผู้ใดได้ทั้งสิน้นและคงจะไม่มีโอกาสได้นาความลี้ลับมหาสจัย์ในเรื่องนี้ไปบอกเล่าให้ใครฟังได้อีกแล้วตลอดเส้นทางที่ช้างนำหลอนผ่านไปในดงลึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวหลอนมองไม่เห็นวี่แววว่าจะเคยมีมนุษย์ผู้ใดล่วงผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนเลยมันเป็นโลกร้างของเผ่าพัานธุ์มนุษย์อย่างแท้จริง นอกจกสิงสั์จตุระบาทรูปร่างลักษณะแปลกๆซึ่งก็แลเห็นเป็นเงาผ่านวอบแวบให้เห็นในระยะห่างโดยไม่อาจย่างกลายเข้ามาใกล้เหมือนจะเกรงเดชอำนาจของช้างงาดำที่มีมนมายาสิงกำกับอยู่ก็มีเพียงพวกวิหกนกปา่าเหล่าสกุลชาติอันบินว่อนและเกาะ อ, อยู่บนกิ่งไม้สูงตามคาคบไม้เท่านั้นแล้วก็พวกชนีที่วกโวยโหยหวนอยู่บนยอดไม้สูง บางก็ห้อยตัวเกาะกิ่งมองลงมายังหล่อนเหมือนจะทักทายปลาศัยหล่อนส่งจูบและโบกมือให้แก่พวกมันบอระเพ็ดด้วยว่าฉันผ่านมาทางนี้ถ้าหากเขาจะผ่านมาในเส้นทางเดียวกันหล่อนกระซิบสั่งความไปยังพวกกิิงข้างบางชนีเหล่านั้นใกล้เที่ยงช้างพาหนะเริ่มนําหล่อนเลาะลงริมเหวลึกและเรียบไปใกล้สายฐานน้าตกเล็กๆอันหล่อนไม่แน่ใจว่า มันจะเป็นแข น, นของกิ่งน้ําตกย่อยที่แยกมาจากสายใหญ่ซึ่งหล่อนเคยไปพักอยู่ก่อนที่จะเกิดอุปติพเหตุน้ําพัดกระนําลงมาเมื่อคืนวานสืนหรือไม่แล้วก็จะสารงาดําก็แวะเข้าสู่ตีนเนินอันร่มรื่นแห่งหนึ่งสุดกายหมอบลงเหมือนจะให้หล่อนพักชั่วขณะดารินใต่ลงจากคอของมันก็พบว่ามีหัวเผือกและมันป่าบางชนิดถูกนํามกองไว้ให้แล้วกองใหญ่ หล่อนเข้าไปพิจารณาอย่างแปลกใจนั่นแปลว่ามีการจัดเตรียมสเสบียงไว้ให้สำหรับหล่อนเพื่อประทังชีพระหว่างเส้นทางเดินอันยาวไกลช้างป่าทั้งสามตัวหยุดรอคอยวนเวียนอยู่ในละแวกนั้นเจ้าตัวงาดาใช้งวงของมันดุลหลังหล่อนเบาๆเพื่อให้เข้าไปยังตําแหน่งที่มีร่องรอยนำเอาพลหมากรากไม้ซึ่งไม่เป็นที่ปรากฏชัดว่า ผู้ใดได้นำมาวางเตรียมไว้ให้สดๆร้อนๆนั้นหล่อนพยายามสอดสายตาแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรเลยแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆอย่างเข้าใจจัดการหากิ่งไม้แห้งอันมีอยู่อุดมสมบูรณ์มาสมก่อเป็นกองไฟขึ้นพอลุกโชนก็โยนหัวเผือกมันเหล่านั้นเข้าไปเผาพร้อมทั้งนั่งพับโดยพยายามปรับอารมณ์ทำตัวเข้ากับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด พอมันสุกก็เขี่ยออกมาทิ้งให้เหลือเพียงอุ่นๆและปลอกเปลือกกินซึ่งมันเป็นอาหารประทังชีพที่วิเศษสุดและปริมาณของมันที่ถูกนำมากองไว้อันหล่อนโยนเข้าไปเผาสุกอยู่ในกองไฟถ้าหากจะเก็บติดตัวไปด้วยก็จะเป็นเสบียงการตายไปได้อีกไม่น้กว่า2วันส่วนใหญ่เป็นพวกมันมือเสือดินโปง่งเพราะถูกความร้อนจากกองไฟที่ก่อก็ขึ้นเป็นที่เกลือขาวไปหมด รอบๆบริเวณใกล้เคียงได้อาศัยรถเค็มจากขี้เกลือบนดินเหล่านั้นเพิ่มรสชาติให้แก่มันเผาหนามก็ไม่ต้องคำนึงถึงเพระนอกจากในกระบอกไม้ไผ่ที่หล่อนนำติดตัวมาด้วยตำแหน่งที่ลงจากคอช้างมานั่งภา ก, กินอาหารก็มีสายน้ำใสไหลผ่านแก่งหินพอกินเสร็จหล่อนก็ถอดเสื้อผ้าออกจนหมดสิน้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระดากอายอะไรกับไอ้ช้างพลายผู้ทำหน้าที่เป็นผู้คุมและการป้องกันของหล่อนเหล่านั้น เดินลงไปแช่น้ําอย่างสบายใจค ง, คงถือปืนสั้นกระบอกเดียวที่มีอยู่เอาไปไว้ใกล้ๆมือตรงโขดหินที่โผลออกมาเหนือน้ําแล้วก็อดยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อเห็นเจ้าตัวหนึ่งเดินเข้ามาหยุดยืนคุมเชิงอยู่ที่เสื้อผ้าอันหล่อนถอดกองเอาไว้หลอนรู้ว่ามันไม่คิดว่าหล่อนจะช่วยโอกาสนี้ก็เพราะย่อมหนีไปไม่ได้อยู่แล้วแต่คงจะมายืนคุมเชิงช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าพวกลิงที่ไต่ ย, ยุ้ยเยื้อยู่ตามคาคบใกล้ทานน้ํา มาดอดช่วยขโมยไปในระหว่างที่หล่อนลงไปอาบน้ำฝัาไว้ให้ดีนะอย่าให้เสื้อผ้าของข้าหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวดารินร้องบอดด้วยเสียงใสามาปนหัรอบเบาๆเหมือนกับว่ามันจะเป็นมิตรสนิทที่สุดและก็ควรจะเป็นเช่นนั้นสำหรับภาวะเช่นที่หล่อนกำลังเป็นอยู่ขณะ น, นี้ไม่มีใครจะพูดคุยด้วยหลอนก็ตะโกนคุยกับเจ้าช้างสามตัวนั่น พวกเจ้าเป็นชาติที่ถูกอำนาจบนโคจรารของมันตรเข้าบงการให้กระทำการร้ายกับพวกเรามาตลอดและพวกเจ้าก็ถูกฝ่ายเราฆ่าตายมาเส้นนักต่อนักต่อไปนี้ขออย่าให้มีเวรภายอย่างใดต่อกันอีกเลยนะโดยแท้ที่จริงแล้วเจ้าก็คือสัตว์ป่าธรรมดา น, นั่นเองหากไม่ถูกอำนาจนมนต์มืดบังคับข้าขอตั้งปณิธานไว้ว่าต่อไปนี้ข้าจะไม่ทำร้ายพวกเจ้าอีกเลย เจ้าอยู่ตามระสาช้างป่าธรรมดาและสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหวังว่าพวกเจ้าคงจะพ้นเวรกรรมจากการต้องมนต์สะกดของมันไตรเราเป็นสัตว์ร่วมโลกเดียวกันมีเลือดและมีเนื้ออย่างเดียวกันแต่มันไตรสิไม่ได้มีอะไรเหมือนพวกเราสักอย่างมีแต่ดวงวิญญาณร้ายมุ่งมาดอาฆาตจองเวรไม่รู้จบเขาจะสารใหญ่ทั้งสามเชือกไม่แสดงอาการสนใจ หรือยินยนต่อวาจาของหล่อนดวงตาของมันจ้องมองมายังหล่อนยยอย่างเฉยเมยนั่นสอชัดว่ามันยังตกอยู่ในอำนาจมนต์ของมันไตรทุกขณะและจะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างสุดแต่คาบงการของไอจอมผีดิบเท่านั้นยิ่งสาวพินิจ ด, ดูมันอยู่ตลอดเวลาขณะที่นอนแช่รับความชุ่มช่ำอยู่ในทานน้ำหลอนไม่มีอะไรจะต้องรีบร้อนทุรนทุรายจะอะไรอีกแล้ว แล้วจับปฏิบัติตัวตามสบายของหล่อนเสมือนตอนเองอยู่ในท่ามกลางความดูแลของบริวารผู้พักดีเกือบชั่วโมองเต็มๆที่หล่อนสะสนานขัดสีชวีวันชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดที่สุดแต่ไม่ยอมถอดสร้อยพระเครื่องออกจากคอสะสมกับที่ได้หนักหนาะกรากรำหนักมาตลอดทั้งวันวานโดยไม่พบกับน้ำอาบเลยพวกมันทั้งสามตัวก็ยังคงเดินวนเวียนช่มช้า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 จนถึงขนาดเกณฑ์มาเป็นกองทัพช้างเปิดสึด ก, กับฝ่ายหลอนและฝ่ายของระพินจากหลักฐานที่ค้นพบได้ทุกขนาดและเมื่อถูกปืนเจ้าวัวช้างที่ต้องมนสกุเหล่านี้ก็ต้องล้มตายลงกายกองตัวแล้วตัวเล่าแทบจะนับไม่ถ้วนแต่มันก็หมายถึงว่าพวกของหลอนหรือฝ่ายระพินอาจเพลี่ยงพล้ํำพิ น, นาศลงเมื่อใดก็ย่อมได้ตราบใดก็ตามที่มันสามารถเรียกเอาช้างทุกตัวในป่ามาใช้เป็นทาส ให้บุกทะลวงโจมตีโดยปราศจากความเกรงกลัวได้เช่นนี้ก็คงจะเหลือไว้แต่เฉพาะเจ้าด้วนของหล่อนตัวเดียวกระมังที่มลมืดของมันไม่สามารถเข้าครอบนำสั่งการได้อันเนื่องมาจากอำนาจพระพุทธคุณจากพระเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อนอันเชิญขึ้ น, นคล้องก่อนเจะด้วนไวถ้ทว่าการจากสูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยของเจ้าด้วนจนกระทั่งบัดนี้หล่อนเองก็ังเกิดความไม่แน่ใจเสียแล้วว่า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 ดารินวราฤทธิ์ก็ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นเฉลยในการควบคุมของช้างผีสิงทั้งสามอีกครั้งอย่างไม่ประสงค์จะหลีเกเลี่ยงหล่อนใช้ผ้าขนุนที่มีติดตัวอยู่จุ่มซักน้ําจนสะอาดบิดให้แห้งหมาดและเช็ดร่างกายจนหมดจากหยดน้ําที่เกาะเปล่ า, าอยู่สวมเสื้อผ้าชุดเดิมที่มีติดกายอยู่ชุดเดียวแล้วก็ก้าวขึ้นคอเจ้างานดาอีกครั้งซึ่งมันก็เข้ามาหมอบรอรับอยู่แล้วนําหล่อนออกเดินทางต่อ อนาคตอยู่ที่ไหนหล่อนไม่ทราบค่ำนี้หล่อนจะมีโอกาสได้พักนอนที่ไหนหรือมันจะนำหล่อนออกเดินไปทั้งคืนก็เหลือที่จะคาดคะเนดได้เราไม่สามารถจะพูดกับพวกมันได้รู้เรื่องสเสบียงสำรองอันเป็นเผือกมันที่เผาสุกแล้วหล่อนไม่ลืมห่อใส่ใบบอนผูกมาด้วยเถาวัลย์เล็กๆอย่างแน่นหานานำติดตัวไปด้วยเรายังไม่แน่ใจว่า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 เป็นสายน้ำพูร้อนราวกับน้ำเดือดส่งควันเป็นหมอกมัวไปทั่วอาณาบริเวณและมีระดับที่พุ่งขึ้นสูงหถึง7วาภูมิประเทศที่ผ่านพบไปตามลำดับเหล่านี้ดูจะแปลกตาไปกว่าการเดินผ่านมากับระพินในครั้งก่อนแสดงว่าในครั้งนั้นหลอนไม่เคยผ่านบริเวณใกล้เคียงกับแถบนี้มาก่อนเลยสิ่งที่ราชสกุลสาวไม่เคยลืมก็คือ ตัดริดกิ่งไม้ริมทางผ่านทิ้งไว้เป็นระยะระยะไปเพื่อทำร่องรอยไว้หล่อนอาจไม่มีโอกาสได้มีชีวิตรอดออกมาสู่โลกภายนอกหรือพบปากกับใครในโลกนี้อีกแล้วก็ตามแต่ก็จะขอทิ้งหลักฐานเหล่านี้ไว้ให้ปรากฏแม้จะไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยก็ช่างมันก็นะเวลาที่หล่อนกำลังผ่านบริเวณนะ้ำพุร้อนแห่งนี้แหละมันเพิ่งจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะของพี่ชายเพิ่งจะผ่านเข้ามายัางบริเวณดงกล้วยป่า ก่อนจะติดตามขึ้นไปพบแหล่งพักนอนของหลอนในป่าหินด้านบนของราตรีที่ผ่านมาส่วนทางด้านระพินไพรวันมันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เกิดเสยและบุญคำอันเป็นชุดสุดท้ายในจำนวน9้าคนที่เพิ่งจะหย่อนตัวตามคณะเจ้านายลงไปยังช่องโปรงรอยแยกอันจะเป็นทางนาลงสู่มหาสุสานของราชวงศ์มหิตทีเดชะแห่งมิตรานคร โดยทั้งหมดได้มายืนรวมกันอยู่ยังชานพักของบันไดชั้นแรกทั้งสามฝ่ายต่างแยกกันอยู่คนละทิศ ท, ทางและตกอยู่ในสานภาพที่แตกต่างกันออกไปดังเหตุการณ์ได้บรรยายมาแล้วชี้